พลอยพูดกับตะอั้นว่าจะไปค้างกับช้อยในวังก่อนที่จะข้ามไปอยู่บ้านคลองบางหลวงนั้นพลอยพูดออกมาจากหัวใจถ้าจะให้อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดพลอยจึงตั้งใจเช่นนั้นพลอยก็คงอธิบายไม่ถูกความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจบอกให้พลอยรู้ว่าบ้านที่เคยอยู่มากับคุณเปรม และอยู่ต่อมาหลายสิบปีนั้นบัดนี้กลายเป็นซากศพของชีวิตหนึ่งที่ผ่านไปพรอยไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปได้อีกเพราะทุกอย่างในบ้านกลายเป็นเรือนร่างที่ปราศจากชีวิตปราศจากความหมายวิญญาณและความรักที่เคยเรียกร้องเคยต้อนรับพรอยอยู่ในบ้านนั้นได้สิ้นสุดลงเสียแล้วไม่มีทางที่จะปลุกเสกให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้ เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นความปรารถนาที่ร้อนแรงอีกอย่างหนึ่งที่ติดตามมาทันทีคือความปรารถนาที่จะกลับบ้านเดิมอันเป็นบ้านเกิดทั้งนี้เป็นความต้องการของคนที่ออกจากบ้านเดิมมานานแล้วนักหนาะใช้ชีวิตท่องเที่ยวระหกระเหินไปในที่ต่างๆและก็เพิ่งมารู้สึกตัวว่าถึงเวลาแล้ว ที่ตนจะต้องกลับบ้านไปใช้บ้านปลายแห่งชีวิตของตนที่นั่นรอจุดจบของชีวิตด้วยความสงบแวดล้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่คุ้นเคยมาตั้งแต่แรกเกิดแต่ขณะเดียวกันก็มีเหตุผลบางอย่างในใจของพลอยที่อธิบายได้ยากนั่นก็คือเมื่อออกจากบ้านครองบางหลวงมาเป็นครั้งแรกนั้นพลอยตรงมาอยู่ในวงังฉะนั้น ในตอนที่จะกลับไปอยู่บ้านครองบางหลวงเป็นครั้งสุดท้ายพลอยก็เห็นว่าควรจะกลับไปจากในวังเหมือนกันด้วยเหตุนี้พลอยจึงได้บอกตาอั้นว่าตั้งใจจะเข้าไปค้างกับช้อยที่ในวงังในระยะเวลาที่ตาอัน้นจะเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดบ้านที่ครองบางหลวงให้อยู่ในสภาพที่อยู่ได้ พอเพิ่มมาเยี่ยมทันทีที่รู้ข่าวว่าบ้านพลอยถู ก, กระเบิดพอเจอหน้ากันพอเพิ่มก็บอกว่าเห really ็นไหมล่ะแม่พลอยเคราะดีนะเนี่ยที่ฉันหาของดีมาแจกจ่ายกันเอาไว้พอแรงไม่มีใครเป็นอันตรายเลยทั้งบ้านแม่ตะรอยขูดขีดก็ไม่มีพลอยได้แต่ยิ้มไม่อยากจะขัดคอว่า ตัวตึกที่พังไปเป็นกองนั้นก็มีทั้งพยันและได้พรมน้ำมนต์ซัดทรายของพ่อเพิ่มไว้พอแรงเหมือนกันแต่พ่อเพิ่มดูเหมือนจะทำลืมๆข้อนี้เสียได้แต่พูดปลอกอบปลอบใจพลอยไปตามเรื่องและเมื่อรู้ว่าพลอยจะกลับบ้านเดิมที่คลองบางหลวงพ่อเพิ่มก็ยินดีเห็นด้วยทั้งรับรองแข็งขันว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่จะไปอยู่เป็นเพื่อน มีให้พลอยต้องเหงาคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่ค่อยหลับได้แต่พลิกไปมาแล้วก็นึกอัศจรรย์ว่าหน้าแปลกดีที่ว่าเรือนของประภัยนี้ถ้าจะว่าไปก็อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน แต่เหตุไฉนเมื่ออาศัยนอนเพียงคืนเดียวพรอยกลับมีความรู้สึกแปลกที่แปลกถินเหมือนกลับไปนอนบ้านอื่นพรอยรีบลุกแต่เช้าเมื่อสั่งเสียประภัยสองสาคำแล้วก็ให้เด็กคนใช้เอาหีบเสื้อผ้าที่พอจะเก็บจากตึกใหญ่ได้ขึ้นรถตะอัน้นและตัวเองกับเด็กอีกคนนึงก็ขึ้นตา่างต่อั้นขับรถออกจากบ้านไปส่งที่ประตูวงัง พลอยเลียวหลังดูครั้งหนึ่งเหมือนกับจะร่ำลาแต่ก็ไม่มีวิญญาณใดหรือวัตถุใดเหลืออยู่ในที่นั้นที่พอจะร่ำลาได้พลอยเบือนหน้ากลับมาแล้วก็มองตรงออกไปข้างหน้าโดยไม่เหลี้ยวมาอีกเลยเมื่อพลอยไปถึงตำหนักเสด็จชอยกำลังนั่งอยู่คนเดียว ตัดใบตองสําหรับหอของอะไรบางอย่างอยู่พอเห็นพลอยช้อยก็ร้องขึ้นว่าโอ้โหแม่พลอยไปไหนมาแต่เช้าทีเดียวฉันว่าจะมาอาศัยช้อยอยู่สักสี่ห้าวันแม่ดีจริงอยู่นานกว่านั้นหน่อยก็ไม่ได้หรือจะได้คุยกันให้สบายอยู่ห้องเดียวกับที่เราเคยอยู่ด้วยกันแต่ก่อนแล้วนะแม่พลอยถ้าจะอยู่ห้องอื่น ก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องกวาดที่ข้างคาวผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีลําบากเปล่าเปลไม่ต้องหลอกช้อยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ช้อยไม่เห็นถามฉันบ้างเลยว่าฉันบ้านแตกแสระรขาดอย่างไรมาถึงต้องมาอาศัยช้อยอยู่เออนั่นสิฉันก็ลืมไปมูต์แต่ตื่นเต้นดีใจว่าแม่พลอยจะมาอยู่ด้วยอ้าวว่าแต่แม่พลอยเป็นอะไรไปลูกเขาไล่ออกมาจากบ้านหรือ รอยยิ้มด้วยความขันในคำถามของชอยไม่ใช่หรอกช้อยลูกฉันเขาคงไม่ใจดาถึงเพียงนั้นแต่บ้านฉันถูกลูกระเบิดเมื่อวานนี้เองชอยยกมือตบอกผงแล้วก็ร้องว่าตายจริงทำไมถึงถูกหวยเบอร์อย่างนั้นล่ะฉันก็ไม่เคยเห็นพลอยทำบาปทำกรรมอะไรเลยไม่น่าจะโดนเขาถึงเพียงนั้นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละชอยแต่ใครจะไปรู้ได้ ว่าชาติก่อนฉันอาจจะเคยทำอะไรไว้กระมังเอ่อกรรมเวรจริงๆแล้วใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพลอยก็ตอบว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะคะชอยก็เลยถามว่าแล้วนี้พลอยจะทำยังไงต่อไปพลอยก็บอกว่าคงจะมาอาศัยช้อยอยู่ในวังสักสี่ห้าวันพอให้ลูกๆเนี่ยไปจัดบ้านครองบางหลวงเสร็จถึงจะข้ามไปอยู่ฟากคนน แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่นั่นจนตายฟังแผนการชีวิตพลอยแล้วนะคะชอยก็ปรารบบอกว่าชีวิตของพลอยนั้นยังดีกว่าชอยมากบ้านนี้พังก็ไปอยู่บ้านโน้นได้แต่กับช้อยนั้นถ้าใครเข้ามาไล่ออกจากตำหนักนี้ชอยเองก็ไม่มีที่จะไปบ้านฉันก็ยังมีนี่ชอยจะไปอยู่ได้กันเมื่อไหร่ก็ได้ ฉันพูดจริงๆนะช่างเถิดพลอยฉันรู้อยู่แล้วเต็มอกว่าถ้าฉันเไกขออยู่ด้วยคนพลอยก็ต้องดีใจเท่ากับฉันดีใจวันนี้แต่ไปอยู่ด้วยกันไม่มีกําหนดกลับฉันทําไม่ได้หรอกเรารักชอบกันมาตั้งแต่เด็กฉันก็อยากจะตายจากไปอย่างนั้นไปอยู่ด้วยกันโดนฉันทําใยแก่ป้๊มๆเป๋อๆเขาหน่อยพลอยก็จะเบื่อหรือว่าเกลียดที่หน้าฉันเสียเปเปล่า ต่อคำพูเช่นนี้นะคะพลอยก็ได้แต่หัวเราะแล้วชอยก็ชวนพลอยเนี่ยไปจัดที่ทางสำหรับที่จะอยู่ให้สบายระหว่างที่มาพักชอยยังอยู่ในห้องของคุณสายเดิมนั่นเองและเท่าที่พลอยสังเกตเห็นระยะเวลาที่ผ่านไปหลายสิบปีก็ไม่ได้ทำให้ห้องนั้นเปลี่ยนแปลงไปกี่มากน้อยคือข้าวของต่างๆก็ยังคงตั้งวางอยู่ในที่เดิมเป็นส่วนมาก และชอยก็รักษาความสะอาดในห้องนั้นไว้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งคุณสายยังอยู่ชอยฉันเห็นห้องนี้แล้วก็ใจหายเคยกินเคยนอนเคยเล่นมาเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปล้มหายตายจากกันไปบ้างก็มีฉันเองก็ออกไปอยู่ข้างนอกสนานรู้สึกเหมือนกับว่าตั้งโกรธปีแต่พอกลับเข้ามาในห้องนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูเหมือนกับว่าออกไปจากห้องครู่เดียวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พูดไปฉันก็คิดถึงคุณป้าสายนั่นน่ะสิพลอยระหว่างที่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ค่อยได้นึกถึงเธอเท่าไหรหรอกแต่พอมีพลอยกลับเข้ามานั่งด้วยอีกคนฉันก็เกิดคิดถึงเธอขึ้นมาทีเดียวดูเหมือนกับว่ายังอยู่พร้อมกันเมื่อวันซืนนี่เองที่ไหนได้ นมนานเต็มทีแล้วเออชอยเมื่อฉันเข้ามาอยู่ในวังทั้งเสด็จทั้งคุณอาสายอายุน้อยกว่าเราเดี๋ยวนี้อีกแต่ฉันช่างเห็นท่านแก่กันเสียจริงๆถึงตาเราแก่ลงบ้างถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้ตัวเห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละพลอยฉันเองเวลาอยู่คนเดียวก็พอทำเนา แต่พออยู่กับพลอยก็เผลอตัวว่าเป็นเด็กไปบ่อยๆแต่ความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่แต่ภายในห้องที่ช้อยอยู่เท่านั้นเองในส่วนอื่นของตําหนักนั้นพลอยได้เห็นว่าจํานวนปีที่ผ่านไปได้ทําให้มีอาการเก่าแก่ซุดโสมลงอย่างน่าเวทนาช้อยยังอาศาัยอยู่ที่ตําหนักกับผู้หญิงสองสามคนที่ช้อยบอกว่า ถึงจะเกี่ยวข้องเป็นญาติทางหา่างก็เป็นคนอาศัยมากกว่าเพราะว่าเขานึกจะอยู่ก็อยู่นึกจะไปก็ไประหว่างที่อยู่ด้วยกันก็พอจะอาศัยไหววานกันได้บ้างโดยเหตุที่ตําหนักมีคนอยู่เพียงสองสามคนตําหนักนั้นจึงเงียบเชียบราวกับตึกร้างห้องทุกห้องที่เคยเปิดแล้วก็มีคนคอยปัดกวาดให้สะอาดเรียบร้อย ตอนนี้ก็ปิดเงียบแล้วก็มีกลิ่นอับๆของความมืดและชื้นอยู่ทั่วไปตามบานหน้าต่างประตูมีหยักใยใยแมงมุมติดอยู่มากแล้วก็มีร่องรอยว่าติดสลับซับซ้อนกันมาหลายปีโดยไม่มีใครสนใจปัดกวาดทางเดินที่ทะลุกลางตำหนักนั้นตามปกติก็มีแสงสว่างน้อยอยู่แล้ว ทีนี้พอห้องต่างๆทั้งสองข้างถูกปิดลงทางเดินนั้นก็มืดน่ากลัวแล้วก็มีมูลค้างคาวตกอยู่ทั่วคือนอกจากจะมีมูลข้างคาวยังมีเสียงค้างคาวร้องนะคะถึงแม้จะเดินผ่านไปในเวลากลางวันข้างคาวที่มาอาศัยนอนอยู่ตามผนังชิดเพดานก็จะแตกตื่นพากันบินขวักไขว่ไปมาแล้วก็ส่งเสียงแหลมเล็กๆเรียกว่า เพิ่มความวงเวงขึ้นอีกส่วนด้านหลังตํนักที่เคยร่มรื่นด้วยต้นไม้แล้วก็กระถางบัวใส่น้ําใสสะอาดนั้นตอนนี้ก็ถูกปล่อยรครุงรังเป็นพงย่อมย่อมหินที่เคยปูอเอาไว้ราบเรียบตอนนี้ก็ถอนตัวกระเดิดขึ้นมาเป็นบางแผน่นในขณะที่บางแผ่นก็หายไปมีหญ้ารกรกต้นสูงสูงขึ้นมาแทนที่เศษกระดาษและใบตองแห้งใบไม้แห้งต่างๆก็ปลิวว่อนไป อ่างมังกรบางใบก็แตกออกเป็นเสียงเสียงน่ากลัวและเมื่อแตกแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจนะคะที่จะรืออร้อคนรื้อขนเอาไปไว้ที่อื่นก็คงทิ้งให้กองอยู่ที่เดิมมีเถาวตําลึงแล้วก็ไม้เลื้อยอื่นๆขึ้นปกคลุมเหมือนกับจะช่วยซ่อนเร้นบนฝาตําหนักด้านหนึ่งก็มีต้นไม้ไปเกาะขึ้นอยู่เหมือนกับว่า ถูกทิ้งให้ขึ้นมานานหลายปีขณะที่พลอยเห็นเนี่ยต้นก็โตเต็มที่แล้วรากต้นไม้ต้นนี้แล้วก็รากต้นโพต้นไทรที่มาขึ้นตามชัยคาขยายเหยียดออกมาตามผนังตําหนักราวกับว่าตําหนักนั้นกําลังถูกสัตว์มีชีวิตยื่นแขนยื่นนิ้วมือมาบีบรัดเพื่อที่จะให้สลายลงเห็นภาพเลยนะคะกับการบรรยายของท่านผู้ประพันธ์ชั้นบนของตําหนัก ซึงเคยเป็นที่ประทับของเสด็จก็ยิ่งเพิ่มความเศร้าใจให้กับพลอยมากขึ้นห้องบรรทมและก็ห้อ ง, งอื่นๆเนี่ยปิดเงียบในลักษณะเช่นเดียวกับห้องต่างๆข้างล่างฉเฉลียงที่เสด็จเคยประทับบัดนี้ก็ว่างเปล่ากระดานที่เคยเช็ดถูจนเป็นมันตอนนี้ก็ครุขระขาวซีดเป็นบางตอนด้วยความผุพังและด้วยน้ำฝนชะตรงไหนที่หลังคารั่ว ก็จะมีรอยตะไคร้น้ำขึ้นเขียวตามฝาผนังฉากอันนึงที่พลอยจําได้ดียังตั้งอยู่เสด็จได้ทรงเอาพระบรมรูปเจ้านายใส่ไว้ในนั้นหลายรูปจนเต็มฉากตอนนี้พระรูปต่างๆหลุดหายไปแล้วก็มากที่เหลือก็ซีดเซียวเห็นได้เพียงรางๆเพราะถูกแดดถูกอากาศแล้วก็เวลานั้นลอกน้ํายาให้หมดไปพระรูปของเสด็จยังเหลือตกค้างอยู่ในฉากนั้น พระรูปหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองด้วยความเก่าแก่ประพักที่ปรากฏในรูปนั้นก็ยังเห็นได้ชัดเจนพระเนต้ที่วาวามทั้งคู่จับตาพลอยที่ก้มลงดูพระโอดเพเยยิ้มน้อยๆเหมือนกับจะรับสั่งด้วยพลอยเห็นแล้วก็ต้องเบือนหน้าหนีไปโดยเร็วด้วยความเศร้าใจ ระหว่างที่พลอยอยู่กับช้อยในวังพลอยก็ใช้เวลาออกเดินไปดูตามที่ต่างๆนะคะไปในที่ที่เคยเห็นเคยไปถ้าในสมัยโน้นจะมีใครมาบอกว่าในชีวิตของพลอยพลอยจะได้เห็นวังหลวงมีสภาพเป็นอย่างทุกวันนี้พลอยก็คงจะไม่เชื่อทุกแห่งบอกให้เห็นชัดถึงความร่วงโรยความเสื่อมโทรมและก็ความตาย อำนาจระราชศักดิ์และความหรูหราโออาร์ R, หมดสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือให้เห็นอีกต่อไปตําหนักทุกตําหนักก็ปิดเงียบไม่มีใครอยู่คนที่เหลืออาศัยอยู่ก็อยู่อย่างแกนแกนคือไม่มีที่ไปไม่มีแก่ใจแล้วก็ไม่มีกําลังใจที่จะซ่อมแซมรักษาบางตําหนักก็หายไปทั้งหลังไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลย บางตำหนักก็มีแต่ก้อนอิดมีเถาวันแล้วก็ไม้เลื้อยต่างๆปกคลุมไปทั่วบางตำหนักก็ถูกทิ้งร้างเหมือนกับหีบไม้หรือว่าตะกร้าเก่าๆต้นกล้วยต้นตะขบก็ขึ้นเป็นดงในที่ที่แต่ก่อนเคยมีแต่ไม้ดอกแล้วก็ไม้ดัดเป็นที่รื่นรมเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเสียงหัวเราะระริกระรี ค่อยคำที่เคยโต้อตอบกันอย่างเฉียบแหลมมีปฏิพานแบบชาววังก็หายไปหมดหรือจะเสียงบ่นพึมพำรรแล้วก็เสียงไอหอบของผู้หญิงคนแก่ที่ไม่สามารถจะปรีตัวไปให้พ้นได้แล้วก็นานๆมีเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าฟังดูเหมือนกับเสียงของวิญญาณของคนที่เคยหัวเราะเคยรื่นเริงอยู่ในนั้นส่วนกลิ่นอบกลิ่นล่า ที่เคยหอมกลุ่นไปทั้งวังก็ดูเหมือนจะระเหยจืดจางไปตามสายลมที่พัดผ่านไปแล้วหลายสิบปีคงเหลือแต่กลิ่นอับกลิ่นสางของตึกเก่าๆกลิ่นใบไม้แห้งที่ผสมกับมูลค้างคาวในยามราตรีแต่ก่อนพรอยังนึกเห็นภาพในวังที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟแพรวันนานก็มีเสียงขับร้องเจ้ยแจ้ว และเสียงดนตรีที่หัดกันตามตำหนักแต่บัดนี้คงเหลือแต่ความมืดวังเวงกว่าในหลุมฝังศพเสียงที่ดังมากระทบผูเป็นครั้งคราวคือเสียงนกเข้าแมวที่ร้องเรียกหากันเพราะนกเข้าแมวในวังที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นบัดนี้ดูเหมือนจะออกลูกออกล้านอยู่ได้ด้วยความผาสุกยิ่งขึ้นเพราะมีคนน้อยถนนหนทางทุกแห่งก็ว่างเปล่า ไม่ค่อยจะมีใครเดินเพราะไม่รู้ว่าจะเดินไปหาใครเสียงทักทายเสียงร้องตะโกนทักถามทุกสุกันก็เงียบไปหมดแล้วประตูวังที่เคยมีคนเดินเข้าออกพลุกพล่านบัดนี้นานๆจะมีคนผ่านพวกโครนที่พลอยเคยรู้จักตอนนี้ก็แก่เท่าซุดโสมหมดฤทธิ์ไม่น่ากลัวเกรงอีกต่อไป เพราะที่นั่งหลายองค์ก็สุดโทมผุพังเพราะถูกทอดทิ้งมานานสวนสวรรค์ที่ยื่นออกมาจากที่บนมีสะพานยาวติดต่อถึงพระตำหนักนั้นก็ถูกกรื้อไปหมดแล้วแม้แต่ที่บนซึ่งเป็นที่ประทับนะคะของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชนีนาถก็ร่วแล้วก็ผุพังจนน่ากลัวอันตราย สำหรับผู้ที่ขึ้นไปเดินห้องทองก็คงเหลือแต่ผนังสามด้านอีกด้านหนึ่งระเบียงทลายหายไปเปิดโล่งรับแสงแดดและสายฝนที่สาดเข้ามาตามฤ ด, ดูกาลลวดลายปั้นด้วยปูนปิดทองก็ตกลงมากรองอยู่รอบเหมือนกับจะเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดร่วงจากราชบัลลังก์ของเจ้านายต่างประเทศหลายพระองค์ที่เคยเสด็จเข้ามาในห้องนี้ ท่ามกลางการรับรองอย่างสมพระเกียรติยศห้องเขียวอันเคยเป็นที่ประทับของหัวใจของแผ่นดินตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่คราบน้ำที่ไหลลงมาจับอยู่ตามฝาผนังพื้นบางแห่งก็ยุบยุบอย่างน่ากลัวห้องเหลืองห้องน้ำเงินคงมีแต่ตู้เก่าๆแล้วก็เข่งใส่ของวางเป็นประนาวคนที่เคยอยู่เคยใช้ห้องเหล่านั้นก็ตายไปเสียนานหนักหนาแล้ว พระรูปเจ้านายที่ติดอยู่ตามฝาผนังนั้นยังคงอยู่แต่ละพระองค์ยังมองดูโลกภายนอกด้วยแววพระเนตรแห่งยุคอื่นสมัยอื่นปราศจากความสนพระไทยหรือความเข้าพระไทยในสภาพปัจจุบันของสถานที่อันมีแต่ความผุพังพรอยเที่ยวเดินดูไปทั่ววังแล้วก็ได้แต่ปรงอนิจจงในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารสภาพในวัง เหมือนโครงกระดูกของสัตว์ใหญ่เมือหิมานอนกลิ้งอยู่สัตว์ที่เคยมีชีวิตแข็งแรงมีความมหึมาทั้งอำนาจขนาดและความงามแต่บัดนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครยั้งหยุดได้นั้นมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าการกรบฏจราจนหรือข่าศึกราชศัตว์ตรูเพราะสิ่งที่ถูกทําลายด้วยเวลา ย่อมถูกทำลายโดยสิ้นเชิงทั้งในวัตถุและวิญญาณพรอยพูดขึ้นกับช้อยในตอนเย็นวันหนึ่งว่าช้อยทนอยู่ในวังได้ยังไงกันฉันนึกไม่ออกเลยถ้าเป็นฉันฉันคงจะกรุ้มใจตายทำไมล่ะพรอย ชอยถามอย่างไม่รู้เรื่องก็มันมีแต่อะไรที่ผุพังซุดโทมไปรอบๆตัวน่าเศร้าใจออกถ้าฉันต้องอยู่ในนี้ฉันเห็นจะต้องตายเร็วแน่ๆชอยหัวเราะหึ่งึก็จริงอย่างพลอยพูดเพราะพลอยไปอยู่เสียนอกวังนานๆเข้ามาทีก็สังเกตเห็นแต่ฉันอยู่ในนี้ตลอดค่อยเห็นค่อยไป จนคุ้นไปเองเหมือนกับเราอยู่กับใครคนหนึ่งเห็นหน้ากันทุกวันก็ค่อยๆแก่ลงไปด้วยกันก็เลยไม่เห็นว่าแก่เท่าไหร่นะชชอยว่ามาก็จริงฉันดูดูช้อยไปแล้วก็เห็นแปลกความจริงเมื่อเด็กๆชอยเป็นคนผาดโผนกว่าฉันมากฉันนึงเคยคิดเลยว่าชอยคงจะเป็นไปอย่างแปลกๆผาดโผนในชีวิตนี้ แต่แล้วก็เปล่าชอยอยู่ในวังฉันมารู้จักช้อยก็ที่นี่แล้วฉันก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปทำอะไรมาร้อยสี่พันอย่างมีผัวมีลูกบ้านช่องถูกระเบิดปนปี้แต่พอกลับเข้ามาอยู่ในวังชอยก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่ในห้องเก่าที่เคยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กๆนั่นเอง ฉันไม่เข้าใจบางทีฉันกลับคิดไปว่าควรจะเป็นฉันมากกว่าที่เป็นคนนั่งอยู่ในนี้ชอยนั่งนิ่งอยู่นานมากเมื่อได้ยินคำพูดของพลอยคือในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นชอยกำลังนั่งจีบพลูอยู่ เมื่อพลอยพูดจบชอยก็นั่งก้มหน้าจีพลูไปเงียบๆไม่เงยหน้าขึ้นมองดูพลอยเลยแต่ในที่สุดชอยก็ถอนใจใหญ่เบาๆก่อนที่จะบอกว่านั่นสิพลอยบางทีฉันก็เห็นว่าแปลกเหมือนกันเกิดมากับเขาชาตินึงก็นั่งอยู่ที่เดียวเหมือนเก่าไม่มีผิดนั่งดูอะไรต่ออะไรผ่านไป เหมือนกับดูหนังดูละครดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของนอกกายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวชั้นทั้งนั้นว่าแต่พลอยเถิดออกจากวังไปแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรต่ออะไรร้อยสีพันอย่างอย่างที่พรอยว่าได้รู้ได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับโลกมามากแต่เดี๋ยวนี้พลอยก็กลับเข้ามานั่งอยู่ที่เก่า ที่เก่าแต่ก่อนหลายสิบปีมาแล้วที่เราเคยเป็นเด็กนั่งอยู่ด้วยกันในห้องนี้สองคนเราถูกเลี้ยงมาเหมือนกันมีอะไรเท่ากันทุกอย่างแล้วเราก็จากกันไปนานพลอยออกไปอยู่ข้างนอกฉันยังคงนั่งอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็กลับเข้ามานั่งอยู่ที่เดิมด้วยกันใหม่เป็นยายแก่ด้วยกันทั้งสองคนฉันถามพลอยจริงๆเถิด พลอยมีอะไรมากกว่าฉันบ้างเวลานี้ถึงตาพรอยที่จะต้องนิ่งเมื่อได้ยินคำถามของชอยและพลอยก็นิ่งอยู่นานพอๆพอกันชอยพูดจริงทีเดียวฉันคิดว่าฉันมีอะไรต่ออะไรมากแต่พอมาคิดดูเดี๋ยวนี้เองก็เห็นว่าไอ้อะไรต่ออะไรที่ฉันเห็นว่าเป็นของฉันนั้นเอาเขาจริงมันก็ไม่ใช่ของฉันสักอย่างเดียว เราสองคนก็ยังพอๆกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองแต่จะว่าไปจริงๆชอยก็ดูจะมีภาษีกว่าฉันตรงที่ไม่มีห่วงใ ย, ยอะไรมากเพราะตัวคนเดียวชอยหัวรบเบาๆอย่าเพิ่งพูดไปพลอยอย่าเพิ่งแน่ใจนะตัวคนเดียวนี่แหละยิ่งมีห่วงมากละเพราะคนเรามันต้องห่วงอะไรอย่างหนึ่งถ้าไม่มีใครคนอื่นจะต้องห่วงเลย ก็ต้องห่วงตัวเองแล้วก็เลยห่วงเสียเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างฉันต้องหนังทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องเป็นห่วงตัวเองนั่นแหละกลัวจะอดกลัวจะลำบากฉันนึกถึงช้อยอยู่เสมอในเรื่องนี้ฉันจะออกปากถามก็เกรงใจว่าเดี๋ยวนี้ช้อยอยู่ได้อย่างไรพอกินพอใช้บ้างไหม ฉันเห็นข้าวของมันแพงขึ้นทุกวันก็หนักใจแทนคือปกติพลอยนี่ก็ไม่เคยกล้าถามชอยเท่าไหร่เพราะเกรงว่าชอยเนี่ยจะหาว่าไปดูถูกนะคะเพราะชอยนี่ก็เป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีมากนะคะไม่ค่อยที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆเงิงงนทองเท่าที่มีมาแต่ก่อนมันก็ควรจะพอถ้าหากว่าของมันไม่แพงขึ้น อย่างแต่ก่อนเนี่ยเราพูดกันเป็นอักเป็นรถหรือเป็นภัยเป็นเฟืองก็เห็นว่าแพงเสียเต็มทีแล้วสเสด็จโปรดขึ้นมาประทานเงินตำลึงเดียวโอ้โหฉันเคยดีใจแทบตายเวลานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะใช้เท่าไหร่ก็คงไม่หมดแต่เดี๋ยวนี้ดูเอาเถิดพลอยอย่างคุณอาสายถ้ามีทางรู้ว่าเดี๋ยวนี้ฉันใช้เงินวันละเท่าไหร่ก็คงจะผีพริก แต่ก็นั่นหละที่ถามว่าพอหรือไม่พอนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าอย่างอื่นฉันเคยคิดค้าคิดขายหาอัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลิกเพราะมันไม่คุ้มเดี๋ยวก็ได้แต่รับจ้างเขาทำดอกไม้บ้างอะไรบ้างมันได้น้อยก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ให้มันพอพลอยฟังแล้วก็สงสารชอยนะคะ โช้อยฉันก็รู้ว่าช้อยลำบากแต่ก็ไม่รู้ว่าลาบากถึงเพียงนี้จะค้าขายก็ต้องลงทุนลงรอนฉันก็พอมีถ้าช้อยจะต้องการก็พอหยิบพอยืมกันได้ฉันพูดอย่างนี้เพราะฉันรู้ว่าถึงฉันจะให้ช้อยช้อยก็คงไม่เอาและโกรธขึ้นมาก็จะมาหาว่าฉันดูถูกฉันขี้เกียจฟัง พลอยก็รู้นิสัยช้อยดีนะคะก็พูดกันเอาไว้ก่อนช้อยหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าดีกว่าพลอยถึงให้ทุนรอนฉันมาค้าขายเท่าไหร่ฉันก็มีแต่ขาดทุนจนหมดอบน้ำอบขายก็แล้วทำหมัวก็แล้วจนถึงทำห่อหมกจ้างเด็กออกไปเดินขายแถวท้ายวังไปจนถึงท่าเตียนฉันก็ต้องเลิกเพราะขาดทุนพลอยก็ถามว่าทำไมถึงเลิกช้อยก็เลยบอกว่า ไอ้ที่เราเรียนมาแต่เด็กนะ่ะมันคนละอย่างผู้ใหญ่ที่สอนให้เราทำอะไรเป็นท่านสอนให้ทำเอาดีไม่เคสอนให้มาทำหาสตางทีนี่มันก็เลยติดเป็นนิสัยทำอะไรก็จะทำเอาดีวิเศษไปเสียทุกอย่างสตางก็เปลืองเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างฉันทำห่อหมกขายนั้อปรไรนั่งตัดไปตองเสียหลังขดหลังแข็งเพราะกะจะเอาให้สวย และทำห่อหมกก็ต้องเลือกปลาจะให้เขากินอร่อยเอาแต่เนื้อแต่พุงมีไข่ปลาวางหน้ากระดูกปลาก้างปลาก็โยนทิ้งใบยอใส่รองล่างก็ต้องเลือกใบอ่อนๆใส่แต่น้อยไม่ได้ใส่เป็นกรรมอย่างที่คนอื่นเขาทำกันแล้วมันจะเอาไปขายแข่งกับคนอื่นเขาได้ยังไงถ้าขายแพงกว่าคนเขาก็ไม่ซื้อขายราคาเท่าเขาเราก็ขาดทุนล่มจม จะทำอย่างเขาบ้างเราก็ทำไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เรียนมาหลอกคนทำอะไรก็ได้แต่ทำให้คนเขาชมว่าดีไม่เด้๋ยวหลอกทำหลอกให้คนเขาเชื่อมันพ้นการพ้นสมัยไปหมดแล้วละพลอยอยู่เฉยๆดีกว่ามีน้อยเราก็กินน้อยหมดเมื่อไหร่เราก็เลิกกินเถอะนะเนองอย่าไปคิดถึงมันให้วุ่นวายหัวใจไปเลยชอยนี่ มีอะไรดีอยู่ตรงนี้ถึงจะยากลาบากยังไงก็บ่นไม่เป็นใครที่ไม่รู้จักได้ยินชอยพูดเมื่อกี้คงจะนึกว่าชอยเป็นเศรษฐีถ้าจะว่าไปฉันก็นึกว่าฉันเป็นเศรษฐีจริงๆนะเศรษฐีกว่าพลอยที่มีเงินมีทองเป็นก่เป็นกองซะอีกโอ้ยฉันไม่กล้ามาแข่งมัง่งแข่งมีกับคุณหรอกพลอยพูดเย้าเข้าให้เอาฉันพูดจริงๆนะพลอย คนเราจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกนี่มันอยู่ที่ใจอย่างฉันมันเกิดมาเป็นเศรษฐีตลอดชาติถึงไม่ค่อยมีอัดแต่มีความสบายใจส่วนคนบางคนเขาร่ำรวยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอต้องนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดจะหาให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์เท่ากับคนจนอยู่นั่นเอง ชอยนี่พูดจาล้ําลึกเกินไปแล้วละ่ะพูดอุปมาอุปไมยเสียจนฉันฟังไม่เข้าใจเออหรือบางทีฉันจะอยู่คนเดียวมากไปเสียแล้วก็ไม่รู้นั่งอยู่คนเดียวทุกๆวันไม่มีใครจะพูดจะคุยก็เลยนั่งนึกอะไรต่ออะไรพอเจอคนที่จะพูดด้วยได้ก็เลยพูดอะไรที่เหมือนกับนึกไว้ในใจฟังดูก็เข้าใจยากจริงๆอย่างที่พลอยว่าพรอยอย่ามาฟังฉันเลยนะ นึกซะว่าฉันแก่จนหลงแล้วก็แล้วกันเด็กๆในนี่เขาก็หาว่าฉันหลงแล้วทั้งนั้นแหละแล้วช้อยก็ชวนพลอยพูดถึงเรื่องอื่นๆการที่พลอยได้เข้ามาอยู่ในวังกับช้อยคราวนี้ก็ทําให้พลอยได้รู้สึกว่าชีวิตของตนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นชีวิตคือเหมือนกับว่าชีวิตที่จะมีต่อไปนั้นจะต้องเป็นก้าวใหม่ขึ้นรอบใหม่ แต่จะก้าวไปสู่ทางไหนเพื่อที่จะให้ถึงอะไรนั้นพลอยรู้อยู่แต่คนเดียวแต่ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรนะักเพราะว่าก้าวสุดท้ายของชีวิตคนทุกคนก็ยอมจะย่างไปทางเดียวกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ระหว่างที่อยู่ในวังตราบใดที่พลอยนั่งอยู่ในห้องที่เคยอยู่มาแต่เล็กความรู้สึกเก่าๆที่เคยมีมาเมื่อก่อนก็กลับมาสู่ตัวได้บ่อยๆเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ต, ตลอดจนกลิ่นอาย ที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางเวลาขณะนั่งอยู่เฉยๆหูของพลอยก็จะยินเสียงต่างๆที่เคยได้ยินมาในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่ตําหนักนี้ยังรุ่งเรืองได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนหัวเราะต่อกระซิบ ก, กันเบาๆแม้แต่เสียงออดแอดเหมือนใครขัดพะนุ่งบางเวลา ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเสด็จยังคงประทับอยู่บนตําหนักทําให้เผลอตัวคิดจะขึ้นไปเฝ้าทุกครั้งและทุกครั้งที่เผลอไปเช่นนี้พลอยก็จะต้องกลับรู้สึกตัวด้วยความเศร้าใจความรู้สึกเช่นนี้พลอยมีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวแต่ทุกครั้งที่ออกมานอกห้องความรู้สึกนึกคิดที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีแต่อย่างเดียวคือความรู้สึกนึกคิด ถึงความสิ้นสุดทุกอย่างแห่งยุคสมัยแห่งสมัยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของตนพรอยเองก็มีได้ทราบว่าเมื่อตนกลับเข้ามาในวังตอนนี้ตนปรารถนาอะไรกันแน่แต่เมื่อได้เข้ามาแล้วก็รู้ว่าตนได้อะไรกลับไปสิ่งที่ได้นั้นก็คือคำลงเ อ, อยของบทกรรที่ค่อนข้างจะยืดยาว หรือจุดขโมดตอนท้ายของตะเข็บแห่งชีวิตที่พลอยได้นั่งสอยมาช้านานชีวิตที่จะดำเนินต่อไปนั้นพลอยไม่รู้สึกวิตกเพราะมองดูเหมือนกับชีวิตของคนอื่นซึ่งพลอยจะเป็นแต่เพียงผู้นั่งดูอยู่ห่งหางๆเท่า น, นั้นเองพลอยมาอยู่ในวังได้ราวๆห้าหกวันแต่อันก็ให้คนมาตามคือให้คนมาบอกกันนะคะ ว่าได้ไปจัดทางบ้านคลองบางหลวงเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดวันให้พลอยออกไปโดยที่ตะอั้นจะมารับไปลงเรือที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พอถึงวันนัดพลอยก็ร่ำลาช้อยแล้วก็ออกจากวังไปลงเรือที่ท่าพระซึ่งตอนนี้คนเรียกกันทั่วไปว่าท่าช้างวังหลวงเรือที่ตะอั้นจัดมาให้ก็เป็นเรือยนต์แล่นครูเดียว ก็มาจอดอยู่ที่ตีนท่าหน้าบ้านพลอยเดินขึ้นบันไดท่าน้ำแล้วก็เดินเข้าสู่บ้านเดิมด้วยความโล่งใจบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนถึงจะไปอยู่ที่ไหนไหนม่รู้จักกี่ร้อยย่านน้ำพอได้กลับคืนมาก็ต้องอุ่นใจทุกครั้งไปพลอยมองไปทางบันไดที่ลงมาจากตึก ก็ปรากฏว่าเห็นพ่อเพิ่มและคุณเชยเดินลงบันไดเดินยิ้มเข้ามาหาตนทั้งสองคนคุณหลวงคุณเชยไปไหนกันมาอันไม่ได้บอกเชนเลยว่ามารอกันอยู่ที่นี่คุณหลวงนี่แหละไปฉุดฉันมาจนได้พลอยบอกให้ฉันมาคอยรับแม่พลอยด้วยกันจะได้เหมือนเมื่อครั้งเก่าๆจำได้ไหมล่ะแม่พลอย แม่พลอยกลับจากวังหนแรกคราวนั้นฉันกับคุณเชยวิ่งมารับที่ท่าน้ําดีใจกันแทบตายคราวนี้แม่พลอยกลับบ้านฉันก็อยากให้เหมือนครั้งกระโน้นอีกฮ้ด right ัดเริตเราก็ว่าจะบีบตัวลงไปให้เป็นเด็กๆได้อีกฉันก็พลอยไปด้วยนี่เคราะยังดีนะที่คุณหลวงไม่จับฉันไว้จุกอย่างแต่กรอนเสียด้วยเท่านั้นเองว่าแล้วคุณเชยก็หัวเราะ อ, อย่างอารมณ์เย็น ขึ้นเรือนกันเถิดแม่พลอยอันเข้ามาจัดแจงไว้ก็น่าสบายอยู่หรอกเอบางทีฉันอาจจะทิ้งหลวงโอสดมาอาศัยอยู่ด้วยอีกสักคนก็ได้และจากนั้นมาพลอยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่คลองบางหลวงบ้านเกิดที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย พอยมาอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงได้ไม่นานก็ได้ข่าวจากตะ อ, อต๋ข่าวที่ว่าตะ อ, อ๋เจ็บโดยตะ อ, อ๋เป็นผู้เขียนมาบอกเองว่าแม่ทุนหัวของลูกลูกเจ็บเป็นไข้ไปเสียอีกแล้ว หมอบอกว่าเป็นโรคเก่าคือไข้ามาเรลเลียที่ลูกเป็นก่อนไปกรุงเทพคราวที่แล้วความจริงโรคนี้เคยใครเขาก็เป็นกันยิงลูกเองเกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต้องออกทำงานในเมืองที่อยู่ในป่าในเขาแม่ก็คงจะรู้ดีว่าโรคนี้มาจากยุงและยุงนั้นมันก็อาจจะมากัดเอาเราเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แม่อาจจะคิดว่าลูกไม่กางม้งนอน แต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าลูกกลางมุ้งนอนอยู่เสมอถ้าหากยุงมันจะแอบมากัดในตอนที่ลูกอยู่นอกมุ้งลูกก็ไม่รู้จะไปป้องกันมันได้อย่างไรเพราะตัวมันเล็กถ้าหากว่ายุงตัวโตวเท่าไก่หรืออย่างเล็กที่สุดเท่านกกระจอกลูกก็คงจะวิ่งหนีทันแต่นี่ตัวมันเล็กเหลือเกินกัดแล้วจิงจะรู้ฉะนั้นลูกจึงต้องคอยรักษาพิษยุงเอาเมื่อเจ็บแล้วรำคาญอย่างเดียว ที่มันเสียการงานแล้วก็หายายากเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นถึงจะแพงเท่าไหร่ลูกก็ไม่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่มันหาไม่ได้ยิ่งทางใต้นี้ยิ่งหายากใหญ่แม่ช่วยกระณูาเอาชื่อยาที่ลูกจดใส่ซองมาพร้อมกับจดหมายนี้ให้พี่อ้นลูกอยากหายเจ็บโดยด่วนจะได้รีบทำการงานให้เขาเสร็จไปเร็วๆแล้วจะได้กลับมาอยู่กรุงเทพกับแม่อย่างที่ได้พูดเอาไว้ นี่คือเนื้อหาใจความของจดหมายแตออสที่ทําให้พลอยเป็นห่วงมากนะคะรีเปรียตะอั้นมาหาส่งกระดาษจดชื่อยาที่แตออสส่งมาให้ยืนให้ด้วยมือไม้อันสั่นละคะ่ะกําชับแล้วกําชับอีกนะคะให้ซื้อส่งให้จงได้จะถูกแพงยังไงก็ไม่ว่าซึ่งตะอั้นก็รับคำว่าจะรีบทําให้โดยเร็วที่สุดแต่ คำพูดหนึ่งของตาอั้นก็ทำให้พลอยไม่สบายใจนะักเพราะตาอั้นบ่นว่าคุณแม่รู้หรือเปล่าว่ายาเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกินแล้วก็หาซื้อยากเป็นที่สุดอัน้นอย่าไปคิดเรื่องถูกแพงเลยอั้นต้องถือเอาความเจ็บไข้ของน้องเป็นใหญ่ถูกแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อส่งไปตาอั้นหัวเราะแล้วก็ตอบว่าคุณแม่พูดเหมือนกับว่า ผมจะมัวเสียดายสตังจนปล่อยให้น้องตายผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นยาที่ออสสั่งมานั้นถึงจะแพงก็ยังพอหาได้ไม่สู้อะไรผมวิตกถึงคนอื่นที่เขาไม่มีเงินจะซื้ อ, อยาคงจะต้องตายกันเสียมากโรคบางโรคแทบจะหายาแก้ไม่ได้เลยอะไรถึงเพียงนั้นจิวหรืออันแม่ก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยๆเลยไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆครับคุณแม่ ผมว่าสงครามคราวนี้คนไทยตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มียารักษามากกว่าด้วยอาวุธหรือว่าระเบิดซะอีกพลอยฟังแล้วก็ได้แต่นึกอนเนตอนาจใจนะคะถามตาอั้นว่าแล้วไม่มีวิธีอื่นใดที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างหรือตาอั้นก็บอกว่าถึงอยากจะช่วยก็คงช่วยลำบากละ่ะเพราะว่ายาต่าง นำเข้ามาจากเมืองนอกพอยาเหลือน้อยก็มีคนกว้านซื้อไปกักตุนคนค้าขายยาก็รวยกันเละละ่ะส่วนคนที่เจ็บไข้ก็ตายกันไปทุกวันวันนี้ก็เป็นความจริงที่โหดร้ายของมนุษย์นะคะคือในขณะที่ผู้คนกําลังเดือดร้อนก็มีคนบางคนหรือว่าบางกลุ่มที่ไม่อนาทรร้อนใจ กับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แต่กลับหากินบนความทุกข์นั้นได้อย่างน่าชื่นตาบานข่าวที่พลอยรู้เรื่อง อ, อยาขาดแคลนจากตาอั้นนั้นพลอยได้รับการยืนยันจากคุณเชยด้วยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งคุณเชยมาหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลวงโอสถงานเยอะเหลือเกินตอนแรกๆคุณเชยตั้งใจว่าจะอพยพหนีลูกระเบิดมาอยู่กับแม่พลอยที่บ้านบางหลวง แต่ก็ทําไม่ลงเพราะว่าเป็นห่วงหลวงโอสดพลอยก็ถามว่าคนเจ็บมากกว่าแต่ก่อนหรือคุณเชยคนเจ็บก็คงเท่าๆกับแต่ก่อนนั่นแหละแม่พลอยแต่สมัยหนึ่งเขานิยมไปใช้ยาฝรั่งหมอฝรั่งกันอยู่พักหนึ่งคุณหลวงของชันก็เลยว่างแต่เดี๋ยวนี้ยาฝรั่งมันขาดก็เลยต้องหันเข้าหาหมอไทยยาไทยกันใหม่ คุณหลวงก็เลยมีคนไข้ามากขึ้นต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนฉันพักเขาเขาก็บอกว่าอย่าพูดเลยเวลานี้ต้องช่วยกันเอาบุญอัดรถก็ไม่ได้อะไรกี่มากน้อยต้องเหนื่อยแรงเปล่าๆเท่านั้นเองหลวงโอสดนี่ก็เรียกว่าเป็นหมอที่มีหัวใจของหมอจริงๆนะคะใจดีแล้วก็คิดถึงความเดือดร้อนของคนไข้เป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตามคำบอกเล่าของคุณเชยก็ยิ่งทำให้พลอยรู้สึกเป็นห่วงตาออดมากขึ้นไปอีกแต่นอกจากจะส่งยาไปให้เท่าที่สามารถจะทำได้พลอยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรอื่นใดกับตาออดได้อี ก, ก น, นะคะเพราะว่าหนทางที่จะติดต่อถึงกันได้ในขณะนั้นก็ยากขึ้นทุกทีทางรถไฟสายใต้เริ่มถูกระเบิดทำลาย ขบวนรถไฟที่เคยเดินเป็นขบวนที่แน่นอนก็เริ่มจะขาดหายเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนานๆจะมีจดหมายจากตาอัสมาถึงสักครั้งหนึ่งและน้ำเสียงตาอัสที่พูดมาในจดหมายนั้นก็ดูจะอิดโรยลงไปจะเป็นเพราะความเจ็บไข้หรือว่าจะเป็นเพราะอะไรก็สุดที่พลอยจะคาดเดาสงครามยิ่งล่วงไป เหตุการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงเข้าทุกทีอาหารการกินและของใช้หลายอย่างก็ขาดแคลนลงทุกวันของที่เคยมีใช้เป็นประจำอย่างเช่นสบู่ถูตัวและซักผ้าก็กลับกลายเป็นของหายากคนไทยต้องใช้ความสามารถในทางค้นคว้าที่มีอยู่หาของแปลกๆมาใช้แทนเช่น ซักผ้าด้วยน้ำด่างขี้เถ้าหรือว่าเปลือกมันเทศผ้าทุชนิดก็กลายเป็นของหายากแม้แต่ผ้าทอพื้นเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครนิยมใช้ก็กลายเป็นของที่พึงปรารถนาเป็นที่ต้องการแล้วก็ซื้อขายกันด้วยราคาแพงพรอยเองก็รู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องหาเสื้อผ้าให้แก่คนในบ้านที่มีจำนวนหลายคนมีให้ขาดแคลนลงได้ ด้วยเหตุนี้นะคะผ้าผ่อนเก่าๆที่เก็บเอาไว้ก็ถูกระบายออกมาจนหมดสิ้นเพื่อดัดแปลงใช้ไปตามมีตามเกิดในที่สุดก็ถึงผ้าปูที่นอนและแม้ผ้าปูโต๊ะก็ถูกนำมาตัดเป็นเสื้อผ้าแจกจ่ายกันไปพ้อยมารู้เห็นจริงจังว่าราคาของขึ้นสูงไปอย่างไรเมื่อตอนย้ายบ้านนี่ละคะ่ะ ระยะเวลาหลายสิตปีที่พลอยตั้งครอบครัวมาก็ทำให้มีข้าวของสะสมกองพเนินทนทึกพอบ้านช่องยังไม่ได้พังลงพลอยก็มองไม่เห็นว่ามีข้าวของมากมายขนาดไหนแต่พอเกิดบ้านแตกสาแรกขาดนะคะตาอั้นก็ต้องขนข้าวของต่างๆที่ยังไม่ได้สูญหายไปด้วยแรงระเบิดเอามาที่บ้านคลองบางหลวง พรอยเห็นแล้วก็ต้องรูปอกไม่รู้ว่าข้าวของอะไรทำไมมันถึงได้ ม, มากถึงเพียงนั้นจริงๆนะคะเวลาที่เราย้ายบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเรามีสมบัติเยอะเหลือเกินเนาะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้พรอยก็เหมือนกันค่ะและยิ่งพรอยนี่ก็เป็นเศรษฐีเนาะเป็นคนมีตังค์พรอยก็ตกใจคือแต่ละอย่างถ้าดูจริงๆ ก็ต้องมานั่งคิดกันล่ะคะ่ะว่าเอ๊ะได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยใช้ทําอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญคือปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้คือเป็นของเก่าเก็บที่ไร้ประโยชน์พอเพิ่มก็เลยแนะนําบอกว่าให้เอาไปขายแม่พลอยแม่พลอยจะไปเก็บเอาไว้ทําไมของเหล่านี้โรกบ้านเปล่าๆ เ, เราไม่มีวันจะใช้มันได้อีกแล้ว ฉันก็หมดปัญญาเหมือนกันคุณหลวงจนฉันที่จะเก็บก็ไม่มีแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีก็ขายขายมันซะบ้างก็แล้วกันเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกอายเขาคนเขาจะว่าได้พ่อเพิ่มหัวเราะค่ะแม่พร้อยนี่เลื้อยเข้นจริงๆเป็นผู้ดีไม่รู้จบแม่พร้อยไม่รู้หรือว่าอาชีพสำคัญของผู้ดีสมัยนี้เนี่ยก็คือขายของเก่ากิน ใครไม่มีของเก่าขายก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้ดีเก่ายิ่งขายได้มากเท่าไหร่ยิ่งโก้ซะอีกว่าแล้วนะคะพอเพิ่มก็ไปเรียกเจ็าค้าของเก่ามาตรวจของแล้วก็ตีราคาของต่างๆที่พลอยไม่ต้องการใช้ให้เสร็จสับและนี่เองค่ะทาให้พลอยต้องอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าของบางอย่างที่เคยซื้อเอาไว้ในราคาไม่กี่บาทเก็บไว้ใช้ตั้งหลายปีจนเก่าบัด น, นี้ มีราคาเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าตัวก็มียิ่งของที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดมีราคาสูงอย่างไม่น่าเชื่อพ่อเพิ่มเองก็ตื่นเต้นสนุกสนานในการขายของและก็เป็นผู้ต่อรองราคากับจีนที่ซื้ออย่างเอิบกระริ่ส่วนพลอยนั้นได้แต่เป็นผู้นั่งดูนะคะของบางอย่างที่พลอยเห็นว่าจีนคนขายให้ราคาสมควรแล้วพอเอ่ยปากจะตกลงก็ถูกพ่อเพิ่มดุว่าหาว่าใจเร็วด่วนได้ ในที่สุดพลอยก็ได้แต่นั่งนิ่งไม่กล้าที่จะปริปากพูดว่าอะไรนะคะเพราะว่าเชื่อซะแล้วว่าความรู้ในเรื่องคุณค่าต่างๆที่เป็นของตนนั้นมันใช้การไม่ได้มันพ้นไปจากสมัยอย่าว่าแต่คุณค่าของขอ ง, ของต่างๆที่มีความสําคัญเลยแม้แต่ราคาของของเก่าถ้วยโถโอชามที่ร้าวหรือบินถาดทองเหลืองขันทองเหลืองเก่าๆผุผุพลอยก็ไม่รู้ราคาซะแล้ว พลอยคาดหมายไม่ถูกนะคะว่าภาวะสงครามและก็ข้อบังคับรัฐรึงตัวต่างๆเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไรแต่วันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเฉยๆโดยไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนภาวะเชื่อและตามผู้นำนั้นหยุดลงอย่างไม่น่าเชื่อพลอยได้ยินว่ารัฐบาลเก่าลาออกไปและรัฐบาลใหม่เข้ามาแทนที่ พลอยได้ยินเสียงนายกและทวนตรีคนใหม่ปราศัยทางวิทยุพอจบแล้วแทนที่จะมีเพลงปลุกใจแบบฝรั่งหรือที่เรียกกันว่าเพลงสากลก็กลับมีเสียงเพลงขเขมใส่โยกดังเยือกเย็นออกมาทางวิทยุทําให้พลอยต้องเลิกคิวด้วยความพิศวงเพราะไม่ได้ยินเพลงไทยแท้ๆมาเสียนานและตั้งแต่นั้นใครจะเดินศีศรษะเปล่าเท้าเปล่าก็คือไม่ใส่หมวกไม่ใส่รองเท้า หรือจะกินหมากหรือจะไม่กินหมากหรือจะเขียนหนังสือแบบเดิมหรือว่าจะพูดจากันด้วยภาษาแบบเดิมก็ไม่มีใครห้ามอีกต่อไปพอท่านผู้นำเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางด้านรัฐบาลก็ทำให้พลอยเกิดความหวังขึ้นมาบ้างนะคะว่าทุกอย่างจะดีขึ้น พ่อเพิ่มนั้นเป็นคนที่ตื่นเต้นดีใจแล้วก็แสดงความหวังมากกว่าใครๆอารมณ์ของพ่อเพิ่มอาจรุนแรงพอที่จะติดต่อไปถึงคนอื่นเพราะว่าตาอันเองบางครั้งก็ยอมรับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองบางอย่างอาจจะดีขึ้นได้แต่ในที่สุดความหวังต่างๆก็กลายเป็นของเลื่อนลอยเพราะว่าระเบิดยิ่งตกหนักขึ้นไปกว่าเดิมนะคะในอัตราที่น่าเกรงขามอย่างยิ่ง เครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะกลางคืนคือทั้งกลางวันกลางคืนฝั่งธนบุรีก็ถูกระเบิดอยู่หลายครั้งหลายหนจนพลอยคิดไปว่าแม้กระทั่งบ้านที่คลองบางหลวงที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็อาจจะไม่รอดพ้นจากอันตรายก็เป็นได้แต่ก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะต้องเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเพลงราคาของต่างๆก็ยังขึ้นสูงไปเรื่อยๆ จนไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าจะได้ที่ไหนมากินมาใช้ในเวลาต่อไปวันหนึ่งตาอั้นก็มาถามว่าคุณแม่มีธนบัตรใบละพันเก็บซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเอดูเหมือนแม่จะเก็บเอาไว้ในหีบใบหนึ่งหรือว่าสองใบก็ไม่แน่ต้องขอดูก่อนอั้นจะทำไมเหรอรัฐบาลสั่งเก็บใบละพันอา้าว ทำไมจะมาริบซับกันอย่างนั้นล่ะตาอันไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเก็บไปไว้ชั่วคราวแล้วจะใช้ให้ทีหลังคือคนมีใบละพันใช้ซื้อสินค้ากันมากแล้วก็ง่ายเกินไปของก็เลยแพงขึ้นทุกวันเคราะดีนะครับที่ผมเอาเงินคุณแม่ฝากแบงก์หมดมีแต่เงินของผมเองโดนใบละพันก็สองใบเหมือนกันสวยแท้ๆทีเดียวใบอื่นๆก็หาใช้ ย, ยากเสียด้วยคุณแม่ลองค้นของคุณแม่ดูให้ดีๆ เผือมีหลงอยู่บ้างได้เท่าไหร่ก็เอามาให้ผมผมจะได้ไปจดทะเบียนไว้แม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยฝั่งอั้นพูดมาตั้งนานก็ไม่เข้าใจล้าลึกเกินไปมีใบละพันก็ต้องเอาไปจดทะเบียนเรากับเป็นรถเป็นเรือเคราะดีนะที่มีไม่มากและเก็บไปแล้วจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ไม่รู้สาอั้นหัวเราะเห็นจะไม่ต้องกลัวศูนย์หรอกคุณแม่ ความคิดของเขาก็เข้าทีดีอยู่เข้าทียังไงเที่ยวเก็บของของคนอื่นเขาแม่ไม่เห็นว่าจะเข้าทีอะไรเลยเขาว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วของจะถูกลงโฮ้ยเขียวมาคุยหน่อยเลยแม่ไม่เชื่ออะไรซะแล้วเห็นมีต่ของแพงทุกวันไม่เห็นว่าเก็บใบละพันแล้วมันจะไปถูกลงอย่างไรได้คนสมัยนี้ ดีแต่หาเรื่องร้อนใจมาให้แปลกๆเท่านั้นเองพูดแล้วพลอยก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นคนแก่ขี้บ่นนะคะอีกเจ็ดหรือแปดวันต่อมาพอเพิ่มก็เดินยิ้มแตกขึ้นบันไดท่าน้ำน้าบ้านเข้ามาหาในมือเนี่ยถือห่อของกินพรุงพรังเป็นห่อโตๆหลายหอ่ออ้าวแม่พลอยวันนี้ฉันซื้อของมาเลี้ยงแม่พลอยต่างหลายอย่างเนี่ย เต๊ย่างก็มีไก่ตอนก็มีแล้วยังอะไรต่ออะไรอีกแยะตั้งใจจะมาชวนแม่พร้อยกินให้สนุกเชียวนึกครึมอะไรขึ้นมาล่ะคุณหลวงอยู่ๆก็เกิดเลี้ยงขึ้นมาเฉยๆอย่าเอะอะไปแม่พร้อยพูดดังไปเช่นอายเด็กมันวันนี้ฉันรวยโปบานตะไก่ไปเลยตายจริงดูคุณหลวงสิ ไปเที่ยวเล่นโปลเล่นทัวเดี๋ยวก็จับได้ายเขาตายไม่ใช่อย่างนั้นบอกแม่พลอยฉันแวะเข้าไปดูในคาสิโนที่เขาเปิดใหม่ลองแทงดูพ่อหอมปากหอมคอเพราะไอเราเนี่ยมันมือเก่าตั้งแต่ยังมีโรงบ่อนสมัยโน้นก็เลยแทงถูกได้อัดมาตั้งเป็นกองเดี๋ยวนี้น่ะรัฐบาลอนุญาตให้ติด บ, บ่อนได้อีกแล้วเรียกว่าคาสิโน มีหมดละถั่วโป้จับยีก่กีแล้วก็อื่นๆอีกสารพัดคนแน่นไปหมดทุกแห่งแทงกันเปิดทีเดียวอย่างนั้นเหรอคนเรานี่ก็แปลกนะคุณหลวงของอย่างเดียวกันสมัยหนึ่งไม่มีใครห้ามปรามแล้วก็สั่งเลิกกวดขันใครทําเป็นต้องจับตัวไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็ปล่อยให้มีขึ้นใหม่ฉันดูดูไปแล้วไม่เข้าใจเลยว่า อะไรถูกอะไรผิดแยกไม่ออกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้วัตโกโลโก้น่ะแม่พร้อยอย่าไปคิดให้มันมากไปเลยนะ่ะกินเป็ดย่างกันดีกว่าฉันรู้แต่ว่าเจ้ามือสมัยนี้นะ่ะมันไม่ได้ขี่ใสสมัยเหมือฉันยังหนุ่มๆล็อกถ้าเล่นกันแบบนี้ฉันเป็นเศรษฐีคราวนี้เองพอเพิ่มก็มีความสุขแล้วก็ครื้มอกครึ้มใจได้ทุกเรื่องนะคะ แต่การเปลี่ยนแปลงซึ่งพลอยยังมองไม่เห็นสาระในครั้งนั้นกลับกลายเป็นผลกระทบต่อหัวใจของพลอยโดยตรงค่ะแล้วก็ทำให้หัวใจของพลอยเต้นแรงด้วยความยินดีอย่างที่สุดทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นกว่าแต่ก่อนความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายดูจะเป็นของที่ไม่สำคัญพอทนทานได้ทั้งสิ้นนั่นก็คือวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งทอดอารมณ์อยู่ในตอนบ่าย อั้นกลับจากทำงานก็รีบเดินเข้ามาหาพลอยพอเดินมาถึงในระยะที่พูดกันได้ยินตอั้นก็เอ่ยขึ้นว่าคุณแม่ผมมีข่าวดีจะบอกรัฐบาลสั่งปล่อยนักโทษการเมืองหมดทุกรุ่นพอพลอยได้ฟังก็ต้องรีบเอามือคว้าแขนเก้าอี้ที่นั่งอยู่นั้นเอาไว้ทันทีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวกำลังลอยพุ่งขึ้นสู่เบื้องสูงด้วยความดีใจ เนื้อตัวร้อนผ่าบูบว่าไปทั่วมองดูตะอันเหมือนกับมีต่อันหลายคนมายืนอยู่เพราะว่าพลอยตาลายด้วยความยินดีนะคะอันอน้นพลอยร้องออกมาได้เท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรได้อีกถูกแล้วคุณแม่พี่อ้นได้กลับบ้านคราวนี้แต่อันตอบแล้วก็หัวเราะโถอันชิงหรือนี่ ชิงหรือนี่อันหลอกแม่หรือเปล่าอย่าหลอกให้แม่ดีใจเล่นเปล่าๆนะอันชิงหรือนี่โถเอ้ยป่านนี้โอนลูกแม่จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นหน้ากันไม่รู้ว่ากี่ปีเห็นหน้ากันก็คงแทบจํากันไม่ได้ชิงหรืออันอันไปได้กินมาจากไหนบอกให้แม่ฟังให้ชื่นใจอีกทีสิพุดโธคุณแม่ก็ ผมจะมาหลอกเล่นทําไมใครๆเขาก็รู้กันทั่วเมืองไปแล้วมะรืนนี้พี่อ้นก็จะมาถึงบ้านแต่แรกผมรู้ระแคะระคายแต่ผมก็ยังไม่กล้าบอกเดี๋ยวไม่จริงคุณแม่จะเสียใจเปล่าๆแต่คราวนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปพี่อ้นกลับมาแน่ๆคุณแม่เตรียมรับเอาไว้ให้ดีเถิดมรืนนี้อ้นจะถึงบ้านตายจริงมรืนนี้แล้ว แม่ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยถูกเขาเอาไปปล่อยเกาะเสียนานคงไม่มีสมผัติติดตัวแล้วก็คงจะอดอดอยากๆอาหารการกินแม่ก็ทําไว้ให้เสื้อผ้าอีกตายละพูดถึงเสื้อผ้าแม่จะไปหาเอามาจากไหนแพงยิ่งก็่กรดแล้วก็หายากด้วยแต่อันหัวเราะ อ, อย่างอารมณ์ดีคุณแม่ก็ช่างไปหาเรื่องจุกจิกอะไรมาวิตกจนได้พี่อ้นน่ะเขาโตแล้ว เข้ามาถึงบ้านเขาก็หาของเขาเองระหว่างนี้ขาดเหลืออะไรของผมก็ยังมีพอใส่ได้คุณแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยๆคอยรับพี่อ้นกลับบ้านก็แล้วกันห้องหับที่หลับที่นอนผมจะให้สมใจเขาจัดการเองจริงสิอัน้นสมใจสมใจลูกสะภ้ายลูกสะพ้ยของแม่ก็ยังมีที่แม่จะไหว้วานเขาได้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้ใดแค่นี้พลอยก็เต็มตื้นไปด้วยความปิติที่ท่วมท้นหัวใจความปิติที่ลูกคนหนึ่งซึ่งต้องประสบเคราะหกรรมนานหลายปีจะได้กลับบ้านบวกกับความปิติที่เห็นลูกอีกคนหนึ่งซึ่งเคยบาดหมางกันแสดงความยินดีมีน้ำใจ เพื่อแผ่สมากจะช่วยเหลือพี่ชายเมื่อมาถึงพร้อมกับรับปากว่าจะสั่งภรรยาของตนให้กระเตรียมห้องหับที่หลับนอนโดยปราศจากความรังเกยียจความทุกข์นั้นสามารถจะทับท่วมหัวใจคนได้ฉันใดความสุขความปิติอันเกิดจากการได้เห็นสิ่งที่ตนปรารถนาจะเห็นก็สามารถท่วมท้นหัวใจคนได้ฉันนั้น พลอยรู้สึกว่ามีก้อนอะไรมาจุกอยู่ในคอหอยน้ำตาอุ่นๆล้นไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างแล้วพลอยก็ซพหน้าลงกับฝ่ามือร้องไหเออ้เอาอีกแล้วคุณแม่คุณแม่เอาอีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้แต่คราวนี้คุณแม่ร้องไห้ให้สบายเถิดผมไม่ห้าม ระยะเวลาสามวันต่อมาเป็นเวลาที่พลอยบุนกับการเตรียมรับตะอ้นกลับบ้านเป็นการโกลาหนุละคะ่ะถึงแม้ว่าตาอ้านและสมใจจะห้ามปรามเพราะเกรงว่าจะเหน็ดเหนื่อยโดยใช่เหตุแต่พลอยก็ไม่ฟังนะคะเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็เป็นทางเดียวที่จะระงับความตื่นเต้นดีใจมิให้พลุกพล่านจนเกินไปก็คือต้องหาอะไรทาเรื่อยๆอย่าให้ว่าง พ่อเพิ่มเป็นคนมากําหนดเอาไว้ให้เสร็จสั์นะคะว่าในวันที่ตาอ้นมาถึงนั้นพ่อเพิ่มกับตาอั้นเนี่ยจะเป็นคนไปรับที่สถานีรถไฟแล้วก็จะพาตัวตาอ้นกลับมาบ้านพ่อเพิ่มออกคําสั่งเป็นเด็ดขาดนะคะห้ามพลอยไปรับที่สถานีด้วยเหตุผลที่ว่าแม่พลอยคอยรับลูกที่บ้านนี่แหละพอเจอการจะกอดจะจูบ จะทำเพลงโอดร้องไห้ร้องห่งมกันเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายไม่มีใครจะมาดูมาสนใจแล้วฉันก็ไม่อยากให้แม่พรอยไปสถานีด้วยเพราะอีกเหตุหนึ่งก็คือว่าถ้ากําลังอยู่ที่สถานีเกิดมีหวอขึ้นมาฉันก็ไม่รู้ว่าจะพาแม่พรอยวิ่งไปทั้งไหนพอเจ้าประคุณฝรั่งหมูน่นี้ก็ชอบทิ้งระเบิดทางรถไฟชอบทิ้งสถานีเฮ้อไอ้ลาพังฉันเองนี่ก็ไม่สู่อะไรหรอก เอะอะก็พอจะวิ่งซอกซอนเอาตัวรอดไปได้แต่ถ้ามีแม่พลอยไปเป็นติ่งห้อยท้ายอีกคนฉันก็ลำบากใจแย่เท่านั้นเองคุณหลวงก็พูดมากเรื่องไปได้ฉันยังไม่ได้เอ่ยปากเลยว่าฉันจะไปรับตะโอนที่สถานีคุณหลวงก็มานั่งพูดเอาคนเดียวเป็นคุ้งเป็นแควชักแม่น้ําทั้งห้าจนฉันน่ะอ่อนใจอา้าวงั้นดอกเหรอฉันไม่รู้นี่ ลึกว่าแม่พลอยเนี่ยอยากจะไปรับลูกถึงสถานีเอาเถอะคุณหลวงเป็นอันว่าฉันไม่ไปฉันจะนั่งรอตะอ้อนอยู่ที่บ้านอย่างที่คุณหลวงว่าขออย่างเดียวพอรับตัวลงมาจากรถไฟแล้วอย่าพาไปถลายเสียที่ไหนก็แล้วกันฮ้อแบบพลอยนี่เห็นฉันเป็นเด็กเข้าทุกวันสิ น, น่าคุณหลวงไอ้เอะ อ, อ่ะไปเลยฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาสักหน่อย ถ้าฉันเห็นคุณหลวงเป็นเด็กฉันก็คงจะไม่หารือหรอกเรื่องอะไรรึแม่พลอยพอเพิ่มถามพลางตีหน้าเอางานเรียกว่าเอางานเอาการขึ้นมาทันทีนะคะพลอยก็เลยบอกว่ากังวลเรื่องตาอ้นกับตาอัานเพราะว่าก่อนนี้สองคนเนี่ยเคยบาดหมางกันมาด้วยเรื่องออความเห็นทางการเมืองถึงกับไม่พูดไม่จากกันทีนี้พอตาอ้นกลับมาเนี่ยพลอยก็ไม่รู้นะคะ ว่าจะเป็นยังไงพรอยก็บอกว่าฉันดูทางตาอ้นก็ไม่เห็นมีอะไรตาอั้นเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนความคิดความเห็นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งกระโนนคราวนี้พอรู้ว่าพี่ชายจะได้กลับบ้านก็ดีใจอยู่แต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าตาอ้นจะเป็นยังไงถ้าเผื่อตาอ้นยังเหมือนเมื่อก่อนมาถึงแล้วก็ไม่กินบอยกับน้อง ฉันก็เห็นจะอกแตกตายเสียเป็นแน่เรื่องมันก็สิบกว่าปีมาแล้วนะแม่พ้อยทั้งพ่ออ้นแล้วก็พ่ออั้นก็มีอายุมากด้วยกันทั้งสองคนแล้วฉันคิดว่าคงจะลงรอยกันได้ไม่มีอะไรหรอกไอ้สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตอนเจอกันตอนแรกเพราะคิดอย่างนี้แหละฉันถึงได้ออกไปรับถึงที่สถานีไง เพราะฉันนเป็นคนกลางสองคนนั่นก็เป็นหลานถ้าฉันเห็นว่ายังมีอะไรคุนคุณอยู่ฉันก็จะได้จัดการให้เรียบร้อยเสียตั้งแต่แรกคุณหลวงพูดอย่างนี้ฉันก็เบ่าใจลงไปเป็นกองฉันขอฝากไว้ให้คุณหลวงด้วยเถิดช่วยดูแลพูดจาให้หลานปรองดองกันได้ฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยทีเดียวพูดกันอย่างนี้ก็คอยยังชัวหน่อยนะแม่พรอย เออแม่พลอยก็มีพี่ชายกับเขาอยู่คนหนึ่งก็ควรจะอาศัยไหววานให้ถูกเรื่องพอเพิ่มก็พูดอย่างภาคภูมิใจนะคะคือพ่อเพิ่มเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ค่อยจะเอาไหนเอาแต่สนุกเรื่อยๆเฉยๆพอแม่พลอยปรึกษาหารือแล้วก็ไหววานให้ช่วยเหลือโอ้โหพ่อเพิ่มนี่ก็จะภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องสาวคนเดียวจะว่าไป ก็เป็นพี่น้องที่น่ารักและพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักทีเดียวนะคะที่นี้พอถึงวันนัดพ่อเพิ่มกับตาอ้านเนี่ยก็ลงเรือออกจากบ้านไปแต่เช้าพลอยนี่ก็เรียกว่านั่งไม่ติดที่ละค่ะด้วยความตื่นเต้นยินดีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีนะคะพลอยก็เที่ยวเดินตรวจดูห้องหักที่เตรียมเอาไว้ให้ตาอน้นดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีมีอะไรผิดปกติไหม เดินลงไปในครัวดูแลกับข้าวกับปลาที่สั่งให้หาไว้สำหรับตะอ้นเนี่ยจะได้กินแบบอิ่มหนำสำราญนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านซ้อมความเข้าใจกับแม่ครัวซ้าๆซักๆจนแม่ครัวเนี่ยมองดูหนา้าอย่างสงสัยจนกระทั่งพลอยเองก็รู้สึกตัวว่าเอ๊ะตนเนี่ยชักจะวุ่นวายมากไปก็เดินออกจากครัวเดินวนเวียนไปมาอีกครู่หนึ่ง แล้วขาทั้งคู่ก็ดูเหมือนกับมีอะไรดึงดูดให้ก้าวพาตัวไปนั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้าเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านคลองบางหลวงนะคะอยู่ริมคลองใช่ไหพลอยก็นั่งอยู่ที่ศาลานานเท่าไหร่ก็จําไม่ได้รู้แต่ว่าหัวใจนั้นเต้นแรงสายตาทอดมองออกไปได้ทางเดียวคือทางปากคลองเพื่อจะคอยดูว่าจะมีเรือที่เต่า อ, อ้นนั่งอยู่ในนั้นแลนเข้ามาเทียบที่หัวบันได นึกถึงอารมณ์คนคอยนะคะเคยคอยใครบ้างไหมคะคอยที่จะได้พบใครบางคนมันจึงเป็นรสชาติที่ตื่นเต้นสุดจะบรรยายละคะ่ะแล้วนี่เป็นการคอยคนซึ่งไม่ได้พบกันมานับสิบปีนะคะในที่สุดหัวใจของพลอยก็เต้นแรงแทบไม่เป็นจังหวะเมื่อเรือเล็กๆลำหนึ่งแล่นหลีกเรืออื่นๆมุ่งตรงมาโดยมีพ่อเพิ่มเนี่ยนั่งอยู่ตอนหัวเรืออย่างแน่ชัดไม่มีผิดไปได้ พลอยก็ชะเง้อคอมองดูเพื่อให้เห็นเขาไปในเรืออยากจะได้เห็นตาอ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานพอจะโงอกออกไปถึงกลางลำซึ่งก็มองเห็นไม่ถนัดพลอยก็ชะโงกมองอีกทีนึกว่าคนคนนั้นจะเป็นตาอ้นปรากฏว่าเปล่าเป็นตาอ้าน อั้นไปกับพ่อเพิ่มสองคนแต่แล้วแทนที่จะกลับมาสามคนก็กลับมาเพียงแต่สองคนเท่าเดิมพรอยก็ถามตัวเองว่าอะไรกันอะไรกันอีกเล่าผีสางเทวดาฟ้าดินช่วยบอกลูกด้วยว่าเมื่อไหร่จะหมดเคราะห์กรรมสักทีพอเพิ่มและตาอัน้นเดินหน้าแห้งขึ้นจากเกลือมาที่ศาลาพรอยไม่ยอมถามอะไรทั้งสิ้น โชคชะตาจะเป็นอย่างไรก็ขอให้คนอื่นพูดออกมาก่อนแต่อันเดินเข้ามาลูบมือพลอยเบาๆเป็นเชิงปลอบใจผีอ้นเขาฝากจดหมายนี้มากับคนอื่นแล้วต่อันก็ส่งกระดาษแผ่นเล็กๆที่ยับยุยยให้กับพลอยในกระดาษนั้นมีข้อความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ พอลูกข้ามจากเกาะมาถึงฝั่งมีเวลาอยู่วันหนึ่งลูกก็รีบไปหาออสพอพบจิงได้รู้ว่าออเจ็บมากเหลือเกินลูกต้องขออยู่พยาบาลเข้าไปก่อนเพราะออสเป็นผู้มีพระคุณลูกทิ้งออเข้ามาในยามนี้ไม่ได้ลูกไม่อยากจะปิดบังคุณแม่จึงขอกราบเรียนเข้ามาคราวนี้ว่าออเจ็บมากจนน่ากลัวอันตรายกราบเท้าด้วยความรัก จากลูกอน้นนอกจากตาอ้นจะไม่ได้กลับมาแล้วนะคะยังมีข่าวร้ายแถมมาอีกว่าตาออดเจ็บมากจนน่ากลัวอันตรายพรอยก็คงพอจะเดาออกแล้วค่ะว่าถ้าไม่เจ็บหนักจริงๆแต่อ้นก็คงจะไม่บอกมาแบบนี้ให้กังวลพรอยเดินกลับขึ้นปึก ด, ด้วยใจที่เลื่อนลอยคิดอะไรไม่ออก ตานั้นก็มองไม่เห็นอะไรความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมากระซิบอยู่ข้างๆหูตลอดเวลาว่าตาอ๋อเจ็บหนักอ๋อเจ็บหนักจะน่ากลัวอันตรายอ้นก็ยังไม่กลับบ้านอ้นไม่กลับบ้านพอเพิ่มเดินขึ้นมาเคียงข้างแล้วก็พูดกับน้องเบาๆว่า ทำใจดีๆไว้แม่พ้อยทำใจดีๆไว้เรื่องมันยังไม่หนักหนาอะไรถึงเพียงนั้นพ่อออสแก้ก็เจ็บเจ็บห้หายมาหลายหนแล้วบังเอิญพออ้นออกมาพบข่าตอนกำลังเจ็บที่นี้พออ้นเขาก็รักน้องเขาก็เลยอยู่รักษาพยาบาลกันก่อนฉันว่าไม่เป็นไรหรอกคอยดูไปเถอะอีกหน่อยก็คงจะกลับมาบ้านทั้งสองคนเองวน่ะน่า สมพรปากเถิดคุณหลวงสมพรปากเถอะพลอยพูดเบาๆฟังเหมือนกับเสียงหายใจมากกว่าเสียงพูดวันนี้บันไดที่ขึ้นตึกแต่ละขั้นดูมันช่างสูงใหญ่เสียจริงๆกว่าจะก้าวพ้นไปแต่ละขั้นก็ต้องออกแรงมากเหนื่อยจนเจียนจะขาดใจเสียให้ได้ พลอยเพิ่งสังเกตเห็นความสูงใหญ่ของบันไดบ้านครองบางหลวงวันนี้ที่กว่าจะขึ้นถึงชั้นบนก็หมดแรงไม่อยากจะเห็นหน้าใครไม่อยากจะพบไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากได้ยินใครมาพูดมาปลอบโยนหรือเอาใจใส่น้ำตาของพลอยดูเหมือนจะเคยชินกับความทุกข์เสียแล้วในชาตินี้เพราะน้ำตาจะหลั่งไหลออกมาได้แต่ในยามที่ปิติยินดี พอถึงเวลาที่มีทุกแสนสาหัสปานหัวใจจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงน้ำตาก็มีรู้ว่าหายไปไหนหมดไม่หลั่งไหลออกมารถหัวใจที่แห้งจนแตกกระแหงนั้นให้ชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างเลยพลอยเดินเข้าไปในห้องนอนทอดตัวลงบนเตียงอย่างอ่อนประโหยใจวิวๆิเหมือนกับจะหลุดลอยออกจากร่าง นอนหงายดูเพดานมุ้งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเพดานมุ้งนั้นลอยสูงขึ้นทุกทีทุกทีทำให้ใจวิวยิ่งขึ้นต้องรีบหลับตาและแตะแขงตัวหันหน้าเข้าฝาตั้งใจว่าจะนอนอยู่เช่นนั้นให้นานที่สุดที่จะนานได้ไม่อยากออกมาพบเห็นโลกภายนอกอีกเลย และจากนั้นเป็นต้นมาพลอยก็เริ่มเจ็บกระสอะกระแสะเริ่มโดยอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารมีอาการเหนื่อยอ่อนไปต่างๆแต่พลอยนั้นก็ไม่ได้คิดถึงตัวหรือว่าคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บจิตใจห่วงอยู่แต่ลูกสองคนที่อยู่ทางปากักใต้จดหมายที่มีมาในระยะนั้น ก็เป็นจดหมายที่ตาอ้อนเขียนแทนตาออสทั้งสิ้นนานๆก็มีถ้อยคำของตาออสฝากมาในจดหมายบ้างแต่อาการของตาออสมีแต่ทรงกับสุดตามที่ตาอ้อนบอกมาเป็นระยะๆะะโดยมิได้ปิดบงังพอเพิ่มพรอยและตาอัาน้นตลอดจนคุณเชยและหลวงโอสถได้พบปะประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้และตกลงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะให้ตา อ, อน้นพยายามประคับประคองตัวตาอดัดเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพให้ได้แต่ก็ได้รับคำตอบจากตา อ, อ้นว่าไม่สามารถจะทำได้ในระหว่างนี้เพราะว่าช่วงนั้นการคมนาคมระหว่างปักใต้กับกรุงเทพด้วยทางรถไฟก็ถูกระเบิดเสียหายหลายแห่งถ้าจะมาให้ได้ก็ต้องกินเวลานานต้องขนถ่ายกันแบบทุลักทุเลและที่สาคัญก็คือ อาการของตาอ๊อดเนี่ยหนักเกินที่จะเดินทางในลักษณะเช่นนั้นได้ตาอ้อนก็ได้แต่ผัดผ่อนว่าถ้าตาอ๊อดมีอาการดีขึ้นทุเลาลงแข็งแรงพอที่จะเดินทางได้ตาอ้อนก็จะพาตัวเข้ามาทันทีแต่ในระหว่างนั้นความสังหอนในใจของพลอยก็เริ่มมีขึ้นว่า บางทีตาออดอาจไม่ได้กลับบ้านอีกต่อไปพรอยพยายามระงับความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนี้เพียงใดก็ไม่สาเร็จความรู้สึกเช่นนี้บางคนอาจถือว่าเกิดจากยานอันใดอันหนึ่งหรือกระแสจิตที่คนเราส่งถึงกันได้ในยามทุกข์หนักหรือป่วยหนักแต่บางทีความรู้สึกเช่นนี้ อาจเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติอันเครือบคลุมอยู่เหนือชีวิตมนุษย์บอกสัญญาณอันตรายไว้ให้มนุษย์ได้ทราบล่วงหน้าว่าทุกอันหนักกำลังจะมาถึงและเมื่อมนุษย์ได้รับสัญญาณเช่นนี้หรือที่เรียกกันว่าสังหรณ์บ่อยครั้งเข้ามนุษย์ก็พอจะสามารถทนทานทุกข์นั้นได้ เมื่อทุ์นั้นมาถึงตัวเข้าจริงๆคืนวันหนึ่งพลอยนอนคิดถึงตาออดอยู่จนหลับไปด้วยความอ่อนใจแล้วพลอยก็ฝันไปว่าตนเองนั่งเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านในตอนบ่ายแต่แรกก็นั่งอยู่คนเดียวแต่แล้วตาออด มาจากไหนก็ไม่รู้มานอนเอาหัวหนุนตักตะออดหน้าตาสบายดีไม่เจ็บไข้แล้วก็ยิ้มกับพลอยด้วยวิธีที่ตะออดจะยิ้มกับแม่ได้คนเดียวแล้วตะออดก็พูดว่า ทูหัวของลูกแม่บนเสมอว่าไม่อยากให้ลูกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ลูกก็กลับมาแล้วและตั้งแต่นี้ไปลูกจะไม่ไปไหนอีกลูกจะอยู่กับแม่ตลอดไปเพียงเท่านั้นเองพลอยก็รู้สึกตัวตกใจตื่นเมื่อใกล้รุ่งพลอยไม่ได้เล่าฝันนี้ให้ใครฟังเลยนะคะแต่พลอยรู้สึกแน่ใจว่าคราวนี้ ตออต้องตายแน่ๆอีกสี่ห้าวันต่อมาขณะที่พลอยนั่งอยู่บนบ้านคนเดียวในตอนกลางวันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นบันไดามาชายคนนั้นรูปร่างผอมดําแก้มตอบตาลึกกรวงในตาเป็นสีเรื่อแดง เหมือนกับคนอดนอนผมบนศีรษะก็หงอกประปรายแลเห็นได้ถนัดพลอยเพ่งมองดูด้วยความสงสัยคิดว่าใครมาติดต่อเรื่องธุระแต่ก็รู้สึกว่าจำหน้าได้คลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับจะเคยเห็นที่ไหนชายคนนั้นเดินใกล้เข้ามาอีก และพอพลอยมองให้แน่ใจอีกทีเมื่อจำได้พลอยก็ใจหายวา่าตาอ้นนั่นเองตาอ้นกลับมาเพียงคนเดียวตาอ้นกราบเข้ามากราบที่เท้าพลอยแล้วก็ฟุบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรงนั้น พลอยลดตัวลงจากเก้าอี้กอดตาอ้อนไว้แล้วพูดด้วยเสียงที่ตัวเองก็เหมือนจะจำไม่ได้ว่าอ้นอ้นลูกแม่อ้นไม่ต้องบอกแม่รู้แล้วออดเข้ามาบอกแม่แล้วคุณแม่คุณแม่ผมพยายามทุกทางแล้วแต่ไม่เป็นผลออดเจ็บหนักเกินไป เพ้อถึงคุณแม่จนหมดลมพูดแล้วตาอ้นก็กอดพลอยแล้วก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆ ไปได้หลายเดือนแล้วศพตะออที่ฝากไว้ปักใต้ก็เผาเสร็จสิ้นไปโดยพี่น้องลงไปดำเนินการแล้วก็ตออดกลับบ้านโดยเหลือเพียงแค่กระดูกไม่กี่ชิ้นในส่วนของพลอย ก็พยายามทำใจกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพยายามที่จะโปรงให้ตกว่าความตายเป็นของธรรมดายอมเกิดขึ้นได้แก่ทุกรูปทุกนามไม่จำกัดวัยจำกัดบุคคลแต่พลอยก็ทำใจไม่ได้ปรงไม่ตกเมื่อตอนที่เสด็จสิ้นพระชน์เมื่อเจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรม จนแม้เมื่อคุณเปรมตายลงโดยกระทันหันอันนั้นพลอยก็พอจะทำใจได้และยอมให้เวลาที่ล่วงเลยไปนั้นลบล้างบาดแผลที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่ถึงคราวที่ตาออดตายพลอยไม่สามารถที่จะทำใจให้ถูกไม่สามารถจะปรงได้ว่าความตายเป็นของธรรมดาของตะออดซึ่งเกิดมาจากกายของพลอยแท้ แล้วก็มีชีวิตเติบโตมาเป็นของตนเองตะออสผู้ช่างพูดช่างเล่นช่างหัวเราะเอาใจแม่แล้วก็เป็นเพื่อนแม่ได้ดีกว่าคนอื่นๆแต่กลับต้องมาจากกันไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งใดก็ตามที่มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจคุ้มครองโลกนี้ ดูเหมือนจะมีเจตนาปองร้ายพรอยเป็นการส่วนตัวไม่ยอมให้พลอยมีความสุขสมบูรณ์ได้แม้แต่สักครั้งเดียวพรอยนึกไปว่าถ้าหากตนเป็นผู้ที่เจ็บไข้ถึงแก่ความตายความยุติธรรมในโลกนี้ดูเหมือนจะมีมากกว่าเพราะว่าตนเป็นผู้มีอายุได้อยู่ได้เห็นโลก มามากจนเกินพอเสียแล้วแต่ว่าตะอออทซึ่งยังเป็นหนุ่มแน่นยังอยู่ในวัยที่ควรจะเจริญเติบโตไปได้อีกไกลกลับเป็นผู้ต้องมาตายลงก่อนพลอยจึงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเข้าใจและสิ่งที่น่าเบื่อห น, น่ายที่สุดในขณะนั้นก็คือคำปลอบประโลของคนอื่นที่ไร้ความหมายไร้ความจริง คือในขณะที่เรามีความทุกข์ผู้คนรวมทั้งเราด้วยนะคะก็ชอบปลอบกันประมาณว่าเข้าไปดีแล้วปร่งซะเถอะปล่อยวางซะบ้างอย่าเสียใจไปเลยนะอะไรทำนองนี้ซึ่งผู้พูดก็พูดด้วยความปรารถนาดีพูดตามประเพณีที่พูดพูดกันมา แต่ในความรู้สึกของคนที่สูญเสียเนี่ยบางทีคําพูดเหล่านี้นี่มันน่ารําพานจริงๆนะคะคือเหมือนกับพูดพูดไปอย่างนั้นแหละพลอยก็คงจะรู้สึกทํานองนั้นนะคะชอยเนี่ยดูเหมือนจะเข้าใจพลอยได้ดีกว่าคนอื่นพอ ร, รู้ว่าตาอ๋อตายก็รีบข้ามฟากมาเยี่ยมพอเห็นหน้าพลอยชอยซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยทุกข์เคยโศกแล้วก็เห็นทุกข์เป็นเรื่องขบขันไปหมดเนี่ย ก็ร้องไห้โดยไม่ปิดบงังคนอื่นนั้นถึงแม้จะรักแล้วก็อาลัยตะ อ, อัดแค่ไหนก็พยายามซ่อนน้ำตาต่อหน้าพลอยเพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่พลอยยิ่งขึ้นไปแต่ชอยไม่มีอะไรจะปิดบงังเห็นพลอยนั่งอยู่ชอยก็ร้องไห้หูและพลอยก็รู้สึกขอบใจเหมือนกับว่า ความทุกข์ของชอยนั้นมาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ไปจากตนแม่พลอยแม่พลอยฉันไม่นึกเลยว่าพ่อออจะอายุสั้นถึงเพียงนี้ในกระบวนลูกของแม่พลอยฉันก็รักคนนี้แหละมากกว่าใครทั้งหมดรักเหมือนกับหลานในไส้จริงๆไม่น่านเลยไม่น่าหเลยจริงๆขอบคุณ ยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าเลยและชอยก็ร้องไห้ต่อไปอย่างไม่สนใจต่อคนหลายคนที่นั่งอยู่ด้วยกันที่นั่นบางทีภาพที่ชอยมาร้องไห้คร่ำครวญจะมีประโยชน์สําหรับพลอยที่นั่งอยู่ด้วยใบหน้าที่เกรียมและในตาอันแห้งผากอยู่ไม่น้อยเพราะว่าพลอยเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาได้บ้าง น้ำตาที่กลัดอยู่ข้างในจนขุ่นข้นจนเหมือนกับจะกลายเป็นหนองเป็นพิษในหัวใจก็เริ่มจะไลหลรินออกมาเป็นครั้งแรกและการร้องไ ห, ห้นั้นเมื่อได้เริ่มแล้วก็เป็นไปในขนาดหนักสมควรแก่เหตุคือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่พลอยร้องไม่ออกเหมือนกับมึนชาไปหมดแต่พอพลอยมาเจอกับช้อยช้อยร้องออกมาก่อน ก็เหมือนกับว่ามาบิวอารมณ์นะฮะทำให้พลอยเนี่ยคล้ายๆกับว่าได้ร้องเอาน้ําตาที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในเนี่ยออกมาได้สําเร็จซึ่งจะว่าไปก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะเหมือนกับเป็นการประบายความเครียดความอัดอั้นตามใจด้วยการร้องไห้ซึ่งก็เป็นกลไกของมนุษย์ในการที่จะปลดปล่อยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ แต่คุณเชยก็รีบดุดชอยนะะว่าดูไม่ช้อยสิมาถึงก็ทำพิธีแตกหมดพวกฉันช่วยกันนั่งปลอบแม่พลอยมาแต่เมื่อวานจนสงบลงได้บ้างแล้วพอแม่ช้อยมานีออ่ทีนี้เลยร้องไห้ใหญ่เดี๋ยวก็กลับเจ็บไข้ไปหรอกในขณะที่ช้อยก็ตอบว่าก็จะให้ฉันทำอย่างไรเล่าไม่เชย ลูกใครตายใครก็ต้องร้องไห้แม่พ้อยแกก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมจะได้ไปนั่งกลั้นน้ำตาอยู่ได้นี่นาะแล้วช้อยก็ร้องไห้ดังๆต่อไปพอเพิ่มก็เลยบอกว่าปัดช้อยนี่ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุแม่พลอยยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่เอ้ยจะมาช่วยร้องไห้กันเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่หรอกแต่ช้อยก็ ไม่สนใจล้วค่ะชอยก็ยังร้องไห้โฮโฮโฮือฮือนะคะควักผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่จากกระเป๋าถือออกมาสั่งน้ำมูกเป็นการเอิบกระเลิกแล้วก็พนานาต่อไปว่าเพราะคุณเอ้ยยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าจะมาตายเร็วเลยคนแก่ๆถมไปไม่รู้จักตายกันเสบ้างไม่รู้จะอยู่ไปทําไมกันปล่อยให้หลานฉันตายแต่คนเดียวฉันจะร้องไห้ก็มาห้ามเอาแล้วกัน ไอ้ช้อยนี่เสียงพ่อเพิ่มกระซิบแล้วก็ลุกเดินหนีไปนั่งที่อื่นช้อยร้องไห้พนานาขุ่นงามความดีของตาอ๊อดไปอีกมากนะคะทําให้พลอยเนี่ยทั้งเห็นใจแล้วก็ตื้นตันในน้ําใจของช้อยในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลังจากที่ได้ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรแล้วช้อยก็บอกว่าแม่พลอยฉันมากคราวนี้ตั้งใจจะมาอยู่ด้วยหลายๆวัน คนที่รู้จักกันมานานอย่างเราจะเห็นใจกันก็ในยามทุกอย่างนี้ฉันได้เห็นใจแม่พลอยจริงๆคำพูดของช้อยทำให้คุณเชยถอนหายใจอย่างโล่งอกพระรู้ดีว่าในยามเช่นนี้ช้อยเป็นคนคนเดียวที่จะช่วยให้พลอยเนี่ยคลายทุกข์ลงได้ นึกแล้วก็แปลกแม่พลอยนี่ดูจะมีเคราะห์มีกรรมไม่รู้จะจบจากสิน้นแต่ละครั้งก็ดูหนักเหลือเกินฉันซะอีกไม่เห็นค่อยจะมีอะไรจนบางเวลาฉันนึกๆึกไปรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเอาเปรียบแม่พลอยเต็มทีคุณเฉยปลารบขึ้นซึ่งก็จริงๆนะคะชีวิตของคุณเฉยนั้นถึงแม้ว่าโดยภาพรวม ดูเหมือนว่าตกต่ำนะเพราะว่าเป็นคุณหนูเป็นลูกพระน้ำพระยาแต่ต้องมาตกยากแต่งงานกับหมอจนๆไม่มีค่าทาบริวารเหมือนเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเล็กๆแล้วก็ต้องทำมาหากินตัวเป็นเกลียวแต่ชีวิตของคุณเชยกับหลวงโอสถสามีนั้นก็จัดว่าราบรื่นถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกแต่ก็เท่ากับว่าไม่มีเหตุอันจะทาให้เกิดความทุกข์นะคะคือไม่มีสุขมาก แต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีทุกข์มากเช่นเดียวกันชีวิตของคุณเชยก็ดาเนินไปอย่างราบเรียบในขณะที่ชีวิตของพลอยเป็นชีวิตที่ได้อะไรเยอะมีฐานะการเงินที่ดีได้ผัวดีได้ลูกดีมีความพรั่งพร้อมแต่อีกด้านหนึ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นสูญเสียไปพลอยก็ทุกข์มากเช่นเดียวกัน ก็ดูเหมือนว่าจะยุติธรรมเสมอนะคะระหว่างที่ลูกๆเดินทางไปปักใต้พร้อมกับพ่อเพิ่มเพื่อที่จะปร่งศพตาอ๊อดนั้นคุณเฉยและช้อยก็อยู่เป็นเพื่อนพลอยมาตลอดซึ่งคุณเชยเนี่ยก็สมกับเป็นมียหมอะละค่ะสังเกตเห็นอาการป่วยไข้ของพลอยก็ไปเรียกหลวงโอสดมาตรวจดูอาการนะคะ หลวงโอสดตรวจดูแล้วก็หายาหอมแบบไทยๆมาทิ้งไว้ให้พลอยหลายขนาดแล้วก็บอกว่าแม่พลอยเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บมากแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะว่าหลวงโอสดเองก็เป็นหมอโบราณรักษาได้แต่โรคพื้นๆแล้วก็แนะนำว่า เมื่อตาอ้นกลับมาจะบอกตาอน้นหรือว่าตาอั้นนะคะให้ไปรับหมอแผนปัจจุบันมาตรวจแม่พลอยให้แน่นอนเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ในระหว่างนั้นหลวงโอสถก็ขอให้พลอยเนี่ยกินยาไว้ก่อนคือกินยาที่ที่หลวงโอสถให้ไว้ไป พ, าพรางเพื่อคุมอาการเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนให้มากๆอย่าทาอะไรให้เหนื่อย ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยพลอยก็ได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งอยู่เพราะว่ากำลังใจที่จะดมรงชีวิตอยู่ต่อไปนั้นมันเหลือน้อยเต็มทีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทาไมไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วเนี่ยชีวิตมันก็แย่เหมือนกันนะคะเมื่อใจไม่เอาด้วยร่างกายมันจะดีไปนี่ก็คงลาบาก ในระยะนั้นพลอยเพิ่งจะมาสังเกตตาอ้อนได้อย่างถนัดทนีเมื่อตอนที่ตาอ้อนกลับมาจากเผาศตอออสก็มีโอกาสที่จะได้พินิจพิเคราะห์กันอย่างจริงจังจั ง, จงตาอ้อนติดคุกอยู่สิบกว่าปีตอนแรกก็ติดอยู่ที่บางขวางตอนหลังๆก็ถูกปล่อยเกาะนะคะ เกาะตะรุเตาแล้วก็ไปเกาะเตาทำให้ตะอ้อนนี่เปลี่ยนไปแบบที่เรียกว่าเป็นคนละคนตะอ้อนผอมดำผิดรูปร่างคือถ้าคุณฟังจำได้เนี่ยผู้ประพันธ์บอกว่าตะอ้อนนั้นสมัยเด็กๆ เ, เป็นเด็กที่อ้วนขาวน่ารักนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่ที่ผอมดำมีผมงอประปรายซึ่งทำให้ดูแก่เกินวัย มีหนามซ้ำตามเนื้อตามตัวก็มีรอยแผลเป็นใหญ่ๆที่แสดงให้เห็นว่าเกิดจากแผลเน่าเปื่อยบางชนิดและตะอ้นก็ไม่ยอมเอ่ยปากถึงเรื่องกิจการบ้านเมืองที่แล้วๆมาเลยคือไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนะคะและที่พลอยรู้สึกเบาใจอย่างมากก็คือตะอ้นกับตาอ้นนั้นกลับมามีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องเป็นปกติไม่มีอาการสงสัยหรือว่ากินใจกันเหมือนเมื่อก่อน และตะ อ, อ้นก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่กับพรอยเหมือนกับจะแสดงความจำนงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตาออดพร้อมๆกันคือคงรู้ว่าแม่เหงาเศร้าที่ตะออดจากไปแต่ถึงแม้ว่าพรอยนั้นจะเห็นใจและก็เมตตาปรานีตะอ้นสักเท่าไหร่แต่ตะอ้นก็ยังคงเป็นตะอ้นมิใช่ตะออด คือแทนกันไม่ได้พรอยนึกน้อยใจในโชคชะตาเสมอว่าตนไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกทุกคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนั่นก็คือเมื่อตาอออยู่ตาอ้นก็ต้องมีอันติดคุกแต่พอตาอ้นกลับตาออสนึกถึงเพียงเท่านี้พรอยก็ต้องจูงใจตัวเองให้วิ่งพปรหนีจากข้อเท็จจริง ที่หัวใจไม่อยากจะยอมรับนึกถึงว่าตะอ๊อดตายครั้งใดแสงสว่างในโลกนี้ก็ดูเหมือนจะมืดมิดไปทั่ววันหนึ่งพรอยนั่งพิจารณาดูสังขารที่สุดโทมเกินวัยของตะอน้นแล้วก็กล่าวขึ้นว่า อ้นแม่ไม่นึกเลยว่าอ้านจะเปลี่ยนไปมากถึงเพียงนี้ในนั้นลำบากมากหรือลูกแต่อ้นหัวเราะก่อนจะตอบแม่ว่าเมื่ออยู่บางขวางก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณแม่ถ้าถูกขังอยู่ที่นั่นตลอดออกมาผมคงจะอ้วนแต่ที่ผอมไปนี่เห็นจะเป็นเพราะเกาะเต่ามากกว่าที่อื่นทำไมลูกก็เมื่ออยู่ที่เกาะตรูเตา่า ก็อย่างนั้นถึงจะเจ็บไข้ก็ไม่สู้อะไรเพราะว่าที่นั่นเขายังไม่ใช้ให้ทำงานหนักพอมาถึงเกาะเต่าก็ต้องถางป่าตัดถนนผมเริ่มเป็นไข้มาแต่ตะรูเต่าพอมาโดนเกาะเต่าเข้าก็จวนตายเหมือนกันดีที่ออดเขาส่งยาไปให้ยังพอซุกซ่อนไว้พอช่วยชีวิตรอดมาได้อยาแก้ไข้ ผมก็ต้องใส่กระป๋องฝังไว้ในปา่าไม่ให้ใครเห็นถึงเพียงนั้นที่หรืออน้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นคนอื่นก็กินหมดเพราะเจ็บด้วยกันทุกคนและยาก็ไม่พอที่จะแจกกันไปถ้าใจดีแจกไปก็ตายเท่ากันแต่ถ้าเก็บไว้ผมเจ็บไข้กินคนเดียวก็พอมีหวังรอดมาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าใจดําเหลือเกิน ผมไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังแต่เวลาอยู่ที่นั่นชีวิตดูเหมือนจะสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นแล้วคนอื่นที่ไม่มียาทำยังไงที่ตายไปบ้างก็มีแต่อ้นตอบเบาๆพลอยก็จะแต่นิ่งถอนใจคนที่ตายอาจจะเป็นลูกใครหรือผัวใครก็ได้และเมื่อตายแล้ว ก็จะต้องมีคนเศร้าโศกเสียใจเหมือนอย่างที่พลอยเป็นอยู่ในบัดนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่แล้วแล้วมาเลยอน้นอะไรที่แล้วแล้วไปก็ขอให้แล้วไปเสียทีแม่เห็นว่าอ้นควรจะคิดถึงการข้างหน้ามากกว่า ระหว่างนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้หายเจ็บไข้เพราะแม่เห็นอ้นยังยผ่ายผอมอยู่มากผมก็อยากจะทำอย่างที่คุณแม่ว่าอยากจะเริ่มชีวิตใหม่ผมอยากจะลืมเรื่องที่แล้วแล้วมาให้หมดผมนั่งคิดนอนคิดมาหลายวันว่าจะหาจุดเริ่มชีวิตใหม่ตรงไหนดีเพราะเท่าที่เป็นมาแล้วชีวิตมันต่อเนื่องมาตลอด ไม่มีอะไรมาแบ่งแยกเก่ากับใหม่ให้เด็ดขาดออกไปเมื่อมันแบ่งออกจากกันไม่ได้ผมก็เริ่มไม่ถูกผมคิดมานานแล้วคุณแม่คิดมาตั้งแต่อยู่เกาะแต่ผมก็คิดไม่ค่อยออกเพิ่งไม่เห็นทางแจมแจ้งเมื่อคืนนี้ผมรู้วิธีที่จะทิ้งเบื้องหลังให้หมดสิ้นแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วแต่โอนพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความมั่นใจเหมือนกับ คิดนึกอะไรได้ดีแล้วล่ะลูกแม่ดีใจด้วยแต่อ้นจะทำอะไรผมขออนุญาตคุณแม่บวชสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะพลอยก็ยืดตัวตรงหัวใจที่เศร้าหมองค่อยเบิกบานขึ้นมาแม่ดีจริง อ, อ้นลูกแม่แม่ก็มีลูกผู้ชายหลายคนยังไม่มีใครเคยบวช เ, เรียน ให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองเลยแม่อนุโมทนาด้วยอ้นทำให้แม่ปลื้มใจมากในวันนี้แต่ออนยิ้มผมนึกแล้วว่าคุณแม่จะต้องดีใจเพียงเท่านั้นก็พอแล้วที่จะทำให้ผมตัดสินใจออกบวชแต่มันก็ยังมีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างผมอยากจะทิ้งโลกพักหนึ่งก่อนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่อย่างที่ได้บอกไว้แล้วเมื่อกี้ แล้วก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าผมควรจะบวชเสียทีอะไรอีกอ้นออผมอยากบวชให้อสอทั้งที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคนเราตายแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าบุญกุศลที่ได้จากการบวชนั้นจะส่งถึงกันได้หรือไม่ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําความดีต่อใครคนหนึ่งที่เป็นคนดีและทําความดีต่อเรามากความดีที่เราทํานั้นหากเขารับรู้ก็คงพอใจวันอย่าสงสัยไปเลยลูกบุญกุศลนั้นต้องถึงกันแน่ๆไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนถึงใครเขาจะไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่แม่เชื่อ และเพราะแม่เชื่ออย่างนี้จึงได้อยู่มาได้เมื่อเจ้าขุณพ่อสิ้นบุญเมื่อเสด็จของแม่สิ้นพระชนแม่ก็ทุกข์ร้อนเหลือเกินร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาแต่อาสัยความเชื่อที่ว่าพอจะทำบุญสนองพระเดชพระคุณท่านได้ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็บรรเทาลงไป เมื่อตอนที่คุณพ่อของอ้นตายอ้นก็เห็นอยู่ว่าแม่ทุกเพียงใดและออสมาตายลงอีกคนหนึ่งแม่ก็แทบจะทนไม่ไหวแต่ที่ยังครองตัวอยู่ได้ก็เพราะแม่เชื่อเรื่องบุญกรรมนี่แหละแล้วก็ยังเชื่อว่าบุญกุศล น, นั้นส่งให้กันถึงกันได้พรอ ย, ยกมมือขึ้นเช็ดน้ำตา น้ำตาซึ่งไหลออกมาเพราะความปิติที่ลูกคนหนึ่งจะบวชหรือว่าเพราะลูกอีกคนหนึ่งที่ตายไปแล้วพรอยก็ไม่แน่ใจนะคือไม่แน่ใจนะว่าน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยเพราะอะไรแต่พรอยก็พูดต่อไปว่าแม่พูดอย่างนี้อ้นอาจจะเห็นว่าแม่เป็นคนโบราณเชื่อถืออะไรเลอะเทอะไปก็ได้แม่ก็อาจจะเป็นจริงๆ แต่ชีวิตแม่ได้เห็นทุกมามากเห็นมามากเหลือเกินไม่เคยมีความสุขอะไรที่จะยั่งยืนได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอย่างหนึ่งทุกครั้งไปบางทีก็เสียมากกว่าได้แต่แม่ก็ครองตัวมาด้วยความเชื่อถืออย่างนี้แหละอนเป็นคนสมัยใหม่ก็เป็นธรรมดารู้อะไรก็อยากจะรู้จริงต้องหาเหตุผลให้เป็นเรื่องเป็นราว จะเชื่ออะไรก็ต้องดูแล้วดูอีกจนหมดเปลือกไม่มีที่สงสัยแต่แม่ไม่มีเวลาจะทำอย่างอ้นได้เพราะความทุกมาถึงตัวแม่บ่อยเหลือเกินได้อะไรที่จะช่วยทำให้ความทุกขเบาบางลงได้แม่ก็ต้องคว้าไว้ก่อนหมัวแตสงสัยอยู่แม่ก็อาจจะตายเสียก่อนด้วยความทุกข์อ้นคิดไว้ว่าจะบวชเมื่อไหร่แม่ดีใจเหลือเกิน ผมเพิ่งตกลงใจเมื่อคืนนี้เองเมื่อตกลงใจแล้วก็มาขออนุญาตคุณแม่ต่อไปนี้เตรียมตัวเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะบวช ด, ดีแล้วอ้นแม่จะจัดให้เองไม่ให้ขาดเหลือก็มีเรื่องนี้ลคะค่ะที่เป็นเหมือนกับพลังทําให้พลอยเนี่ยมีกระจิดกระใจแล้วก็มีความเบิกบาน ในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่องานบวชของตาอน้นงานอุปสมบทตาอน้นทำให้พลอยมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างประหลาดถ้าหากตาอน้นมีได้แสดงความปรารถนาในวันนั้นว่าจะบวชพลอยเองก็ยังนึกไม่ออกว่าความเศร้าโศกอันเกิดจากความตายของตาอัดนั้นจะทำให้ตนเป็นอย่างไรขณะนั้นพลอยไม่ต้องการอะไรมากต้องการแต่จะให้มีอะไรทา ที่ตนเห็นว่าสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ขอเพียงอย่าให้ต้องนั่งเฉยๆให้ความทุกข์เผาหัวใจไปจนกว่าจะมอดพอมีข่าวต่ออ้นจะบวชพวกพ้องและญาติมิตรทุกคนก็ดูเหมือนจะรู้ใจพรอยต่างคนต่างอนุโมทนาแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่างานอุปสมบทต่ออ้นนั้นจะต้องช่วยทำให้เป็นการใหญ่ต่างคนต่างมีความเห็นต่างๆว่า ควรจะทำอย่างไรบ้างเพราะเพิ่มลงความเห็นให้มีพิธีทำขวันนาคแบบโบราณแต่ต่ออ้นก็ยับยั้งความเห็นนั้นด้วยคำพูดที่ว่าผมขอเสถิดคุณลุงอย่าให้เออ ก, กระเิกนักเลยผมก็ไม่ใช่ว่าจะบวชตอนเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ใช่นากหนุ่มๆที่อายุเพิ่งครบจะทำเออ ก, กระเิกไปก็อายเขาระหว่างนี้ข้าวของก็ยังแพง ทำให้มากเรื่องไปก็หมดเปลืองเปล่ า, ลาเอา้างั้นก็หมดสนุกสิพ่ออน้นพอจะบวชจะเรียนทั้งทีก็ควรจะให้ญาติโยมได้ฉลองให้เต็มศรัทธาแต่อ้นเหลียวดูหน้าพรอยเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าก็แล้วแต่คุณแม่ตามใจอ้นเถิดแม่ไม่ว่าอ้นจะบวชจะเรียนก็ดีถมไปอยู่แล้ว ไม่ต้องทำขวัญหน้าก็ได้ลูกบวชแล้วก็ค่อยทำบุญฉลองพระก็แล้วกันพรอยรีบพูดช่วยลูกเพราะเห็นว่าต่อ้นนั้นอยากจะบวชอย่างเงียบที่สุดถ่ายอย่างนั้นก็จัดกระบวนแ ห, ให่ให้มันคลึกครื้นเอาอีกแล้วคุณหลวงคุณหลวงก็รู้แล้วว่าหลานอยากบวชเงียบๆจะมาแห่แหนอะไรอีกอ้นจะเอาอย่างไรลูกผมไม่อยากมีพิธีรีตองอะไรเลยเป็นความสัตย์จริง เพราะว่าบวชคราวนี้ผมบวช ด, ด้วยความสมัครใจบวช ด, ด้วยความเชื่อถือเลื่อมใสถึงเวลาก็อยากจะนุ่งขาวห่มขาวไปขอบรรพชาแล้วก็อยากจะให้มีแต่พิธีสงฆ์เรื่องทำขวัญแห่แหนตลอดจนนุ่งยกใส่เสื้อคลุยอะไรเหล่านั้นผมอยากจะขอให้ยกเสียเพราะว่าผิดเทศกาลและผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วดูๆไปเหมือนเล่นละครกระดากใจยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณแม่จะให้มีอะไรก็ แล้วแต่แม่เขาว่าอย่างนั้นแหละอน้อนอ้นผู้ตรงใจดําของแม่ทีเดียวน้องก็เพิ่งตายไปใหม่ๆแม่ไม่อยากให้มีงานเออกระเริกเพราะไม่มีใจที่อ้นจะบวชคราวนี้แม่ก็ปลื้มใจนักหนาแล้วพอเพิ่มโดนคนไม่เห็นด้วยถึงสองแรงเช่นนี้ก็ต้องเงียบไปและได้แต่บ่นตุบตับว่าจะบวชจะเรียนทั้งทีไอเราก็อยากจะช่วยเหตุเต็มแรงแต่เขาไม่เอาทั้งแม่ทั้งลูกโทษ คุณลุงอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคุณหลวงอย่าทำใจน้อยไปหน่อยเลยแกชวนจะตาอยู่แล้วฉันรู้หรอกว่าคุณหลวงหาเรื่องจะสนุกเท่านั้นเองหาอะไรไม่ได้เข้าก็จะมาสนุกตรงบวชหลานจริงไหมพ่อเพิ่มหัวเราะแม่พร้อยนี่แกรู้ใจฉันไปเสียทุกอย่างเอาอย่างนี้ก่อนลวกันขึ้นวันก่อนบวชเรามาชุมนุมญาติพี่น้องกันสักทีจะดีไหม ฉันจะเป็นคนรับเลี้ยงเองถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ยากหรอกเพราะคืนนั้นใครๆก็คงจะมาอยู่ที่นี่กันหมดฉันนัดไว้ให้มาช่วยกันทําดอกไม้ถ้าคุณหลวงจะเลี้ยงก็คงจะได้ว่าแต่ไปรวยโปมาอีกหรื อ, อยังไงเปล่าหรอกแม่พรอยอยูยูเขาก็เลิกคาสินโนเสฉย ๆ, ๆแต่หมู่นี้ฉันก็รวยอีกฉันลองเซงลีดูกับเขาบ้างโซดาไฟกระปุกเดียวฉันซื้อมาแล้วก็ขายไป แล้วก็ตามไปซื้อกลับมาอีกแล้วก็ขายไปอีกต้องหลายสิบผลได้กำไรทุกทีมีอัดรถพอจะเลี้ยงดูผีน้องแต่เป็นครั้งเป็นคราวกระมังอย่างนี้หรอที่เรียกกันว่าเซงลีนั่นละแม่พร้อยแล้วก็เซงลีฮอเสียด้วยนาะตั้งแต่นั้นมา ก็เป็นอันตกลงกันได้ว่างานบวชต่ออ้นนั้นจะทำอย่างเงียบที่สุดต่ออ้นเลือกวัดเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองเพราะต้องการความสงบจริงๆไม่อยากจะให้ใครไปรบกวนในระหว่าง 2-3 อาทิตย์ก่อนบวชต่ออ้นก็ไปวัดแทบทุกวันเพื่อซักซ้อมขานนาฏแล้วก็ทำตนให้คุ้นเคยต่อสมณเพศ ซึ่งระหว่างนั้นพลอยก็ได้แต่เตรียมข้าวของเครื่องอัดถะบริฐานต่างๆเอาไว้ให้พร้อมสิ่งใดที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนอย่างเช่นที่นอนหมอนมุง้งพลอยก็ทำให้เสร็จไปแต่เนื่นๆของบางอย่างก็แพงจนพลอยต้องสะท้อนถอนใจอย่างเช่นผ้าไตรไตรหนึ่งมีราคาร่วมพันบาทพลอยก็ต้องจาใจซื้อทั้งที่พอเอามือจับดูเนื้อผ้าแล้วก็ใจหายด้วยความเลวของผ้า มุ้งผ้าโปรง่งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็หาไม่ได้ได้แต่มุ้งหยาบๆที่ถอขึ้นใช้แทนผ้าโปรง่งส่วนเครื่องใช้อื่นๆก็แพงขึ้นไปตามส่วนคุณเชยผู้ซึ่งมาช่วยซื้อของแล้วแล้วก็เตรียมของอยู่ตลอดถึงกับถอนใจแล้วก็อุทานว่าแม่พลอยเอ้ยสมัยนี้อะไรๆมันก็แพงไปหมดแม้แต่บุญกุศลนี่หาใช้ใจ่ายบวชพ่ะ อ, อ้นคราวนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะบวชพระได้สักสิบองค์และยังจะมีเงินเหลือปวารณาเป็นอุปถาดไปได้อีกตลอดพรรษาแต่เดี๋ยวนี้ดูเอาเถอะเมื่อบุญกุศลแพงเสียแล้วคนเราก็เห็นจะใกล้นรกเข้าไปทุกวันอย่าไปเสียดมเสียดายเลยคุณเชยจะทำบุญทั้งทีฉันไม่อยากคิดหรอกเรื่องเงินเงินทองๆองแมพรอยแมพรอยเคราะห์ดีมีเงินใช้ แม่พลอยก็ไม่ต้องคิดถึงมันได้ไอเรื่องเงินเงินทองทองบุญกุศลใครๆก็อยากทำํำทานรกสวรรค์มีจริงใครจะอยากไปตกนรกถ้าชาติหน้ามีจริงใครก็ต้องอยากให้ชาติหน้าดีกว่าชาตินี้แต่ก็นั่นแหละแม่พลอยเอ้ยเดี๋ยวนี้คนที่จนถึงกับทําบุญไม่ไหวมันมีมากขึ้นทุกวันเพราะแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเข้าไปก็ยากซะแล้วแม่พลอยอยู่ไกลแม่พลอยไม่เห็นหรอก แต่พี่อยู่ใกล้บ้านพี่มีแต่คนจนล้อมรอบเขาก็คนอย่างเรานั่นแหละไม่ได้ผิดอะไรกันเลยพี่บอกคนพวกนี้เขาอยากจะทําบุญมากกว่าคนมั่งมีเสียอีกเพราะว่าชาตินี้เขาต้องมีทุกข์ยากลำบากเขาก็อยากจะพบชาติหน้าที่ดีกว่านี้แต่ก่อนพี่ไปอยู่กับคนจนใหม่ๆก็ยังนึกแปลกใจว่าเขาทําบุญกันทุกวี่ทุกวันมากกว่าเราที่เป็นลูกพระน้าพระยาเอีก ดูๆไปก็รู้ว่าออย่างเรามันไม่มีทุกข์เคยแต่สบายก็เลยไม่ต้องพะวงเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่คนที่เขาตกอยู่ในห่วงทุกข์แล้วก็ห่วงของความจนในชาตินี้เขาดูจักมากกว่าเราตั้งแต่นั้นมาที่ก็นับถือคนจนเพราะว่าเห็นใจเขาแต่เดี๋ยวนี้เฮ้อข่าวของมันแพงเหลือเกิน คนจนอยู่แล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกเหมือนกับวันนรกมันมาถึงตัวซะแล้วในชาตินี้ครั้นจะไปหวังเอาสวรรค์วิมานหาความสุขในชาติหน้าประตูสวรรค์ก็ปิดซะแล้วเพราะของมันแพงทำบุญก็ไม่ได้เมื่อรู้ตัวว่าไหนๆก็ต้องตกนรกแน่แล้วไม่มีทางแก้เป็นใจใครก็ต้องปล่อยเลยตามเลยหาความสนุกเอาแต่ใจตัวไปชาติหนึ่งต่อไปจะเป็นอะไรก็ช่างมัน อย่างนี้เองคนที่มีสันดานกระเดียดไปข้างชั่วอยู่แล้วก็ยิ่งจมลงไปแม้แต่คนที่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นคนชั่วไปได้พี่ดูๆไปแล้วก็ขนลุกพอได้ยิงคุณเชยพูดก็ขนลุกตามเพราะเห็นจริงนั่นสิคุณเชยแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปพี่ก็ไม่รู้คุณเชยตอบแล้วก็เรียกตัวเองว่าพี่ทุกครั้ง ที่คุณเฉยเรียกตัวเองว่าพี่ก็มักจะเป็นเวลาที่คุณเฉยเนี่ยพูดเรื่องสำคัญหรือว่ามีความเห็นอย่างจริงใจในบางเรื่องคือเรียกว่าอยู่ในอารมณ์จริงจังนะคะเพราะปกติแล้วจะไม่ได้ใช้คำว่าพี่แทนตัวพี่รู้แต่ว่าของอะไรที่เคยพบเคยเห็นมาแต่ก่อนนั้นมันหมดไปแล้ว ผ่านไปแล้วไม่มีวันจะกลับมาให้เห็นได้อีกเพราะคนสมัยนี้เปลี่ยนไปทุกวันเปลี่ยนไปวันละมากๆที่เราเห็นคนรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไว้ใจกันที่คิดว่าจะได้เห็นน้อยลงไปทุกทีต่อไปก็จะมีแต่แก่งแย่งคดโกงระแวงสงสัยกันเพราะความจำเป็นมันบังคับอยู่คิดแล้ว ก็ไม่สบายใจเลยคุณเชยพูดจนฉันแทบไม่อยากจะอยู่ต่อไปแม่พลอยอย่ามาฟังฉันเลยล้วงโอสถก็ยังบอกอยู่เมื่อสองสามวันนี้เองว่าฉันยิ่งแก่ยิงเละพูดอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นปรดฉันดูดูไปแล้วก็เห็นจริงแม่พลอยก็อย่าเก็บเอาไปคิดเลยนะว่าแต่เครื่องอัฐบริหารที่จะถวายพระนะ่ะครบร้อยหรือยัง คุณเฉยก็ถามถึงข้าวของที่จําเป็นต่างๆพรอยก็บอกว่าครบหมดเรียบร้อยแล้วคุณเฉยก็เลยบอกว่าก็น่าปลื้มใจอยู่แม่พรอยทําบุญได้ครบเครื่องเหมือนกับเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีฉันขออนุโมทนาด้วยก่อนจะถึงวันบวชตะโอนวันหนึ่ง คุณเชยช้อยประภัยพร้อมด้วยพวกพ้องผู้หญิงอื่นๆ อ, อ, อีกสองสาคนก็มาชุมนุมกันที่บ้านเพื่อช่วยกันทำดอกไม้ซึ่งก็มีหลายอย่างตั้งแต่ดอกไม้คลุมไตรไปจนถึงเอ่อกลวยคู่สวดอุปชาชอยเนี่ยก็รับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนี้นะคะชาววังมาเองเลยก็เป็นผู้บงการสั่งให้คนโน้นคนนี้ทำดอกไม้เท่าที่เห็นว่าจะทาได้เรื่องนี้ต้องปล่อยเช้นบ้างละแม่พลอย เรื่องทำดอกไม้ฉันทํามาตั้งแต่สาวจนแก่ใครอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าฉันสั่งอะไรก็ทําตามก็แล้วกันฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละช้อยฉันเองก็เรื้อรังไม่ได้ทําเสียนานหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นเฮอดดจริต right นะสิไม่ว่าชอยย้อนให้ทันทีตัวจะมาทําแก่เกินกว่าเขาไปได้ยังไงกันเป็นคุณนายคุณหญิงมาเสียนานจนลืมวิชาความรู้ก็ว่ามาเถิดเอ้า ร้อยตะข่ายไปชอยพูดพรางยื่นชามใส่ดอกพุทธที่ตัดก้านเท่ากันแล้วให้พรอยพร้อมกับเข็มแล้วก็ได้ยังทําเป็นอยู่ไม่ใช่หรือดอกไม้ประดับข้างบนเนี่ยฉันทําเองคนที่ฉันเอามาช่วยเขาก็เก่งไม่เป็นไรหรอกแล้วฉันเล่าแม่ช้อยจะให้ทําอะไรบ้างคุณเชยถามขึ้นบ้างก็ทําอะไรเป็นบ้างเล่าไม่เชยร้อยตะข่ายก็คงพอได้กระมัง แต่ถ้าไม่ไว้ใจฉันช่วยเด็กดอกไม้ก็ยังได้นะคุณเฉยก็ตอบอย่างเกรงใจลังเลลองร้อยตะขายอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามกับแม่พร้อยเขานั่นแหละชอยพูดอย่างเป็นงานเป็นการแล้วก็สั่งคนโน้นคนนี้ให้ทํางานไม่หยุดปากการทํางานที่บ้านก็เป็นโอกาสที่พี่น้องพวกพ้อง ม, มาชุมนุมกันอย่างพรั่งพร้อมได้พบปะพูดจากันแล้วก็ร่วมมือทํางานอันเป็นการกุศล ก็ทำให้พลอยลืมทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวและในคืนนั้นพ่อเพิ่มก็จัดหาของมาเลี้ยงแบบมากมายหลายอย่างในคืนวันนั้นก็ได้ชุมนุมญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงที่สนิทและลูกทุกคนที่ยังอยู่ก็ร่วมวงกินข้าวกันอย่างพร้อมเพรียงพลอยนั่งเปิบข้าวอยู่เงียบๆฟังพ่อเพิ่มคุยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง บางทีคุณเชยและช้อยก็ช่วยกันขัดคอจนพ่อเพิ่มเนี่ยต้องนิ่งหยุดพูดลงไปพลอยกวาดตาไป ร, บรอบๆดูหน้าคนที่รู้จักที่ตนรักทีละคนจำนวนปีที่ผ่านไปนำความเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาให้แก่คนที่เป็นเด็กกว่าแล้วก็นำความชรามาให้แก่คนที่เคยเป็นเด็กมาด้วยกันแต่ทุกคนก็ยังเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองในสายตาของพลอย เสียงคุณเชยพูดขึ้นเบาๆว่ามานั่งพร้อมกันอยู่อย่างนี้ฉันอดคิดถึงเจ้าคุณพ่อไม่ได้เลยท่านเห็นลูกๆมานั่งอยู่พร้อมเพรียงกันท่านคงดีใจพี่ลึกก็พร้อมกันเท่าที่เหลือคุณชิดของฉันก็ออกป่าออกโดงไปไม่เด็ยคราวๆเลยคือลูกเจ้าคุณพ่อของพลอยนี่ก็ขาดไปสองคนนะคะ จริงๆก็ขาดหลายคนนะคือขาดคุณอุ่นที่ตายไปแล้วขาดคุณชิดนะคะแล้วก็ยังมีลูกจากเมียคนสุดท้องอีกนะคะแม่หวานแล้วก็อะไรอีกคนหนึ่งมีอีกอแต่เท่าที่มีเนี่ยก็รวมกันได้สามก็คือคุณเชยพลอยแล้วก็พ่อเพิ่มนะคะพ่อเพิ่มพูดถึงคุณชิด พลอยก็เหลียวมาดูพวงซึ่งนั่งทําดอกไม้อยู่อีกทางหนึง่งไม่ยอมเข้ามาร่วมวงกินข้าวด้วยคือพวงได้เป็นเมียคุณชิดแล้วก็สำนึกตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่บ่าวถึงแม้ว่าจะมีศักดิ์เป็นพี่สะั้ยของพลอยนะคะแต่ก็เจียมเนื้อเจียมตัวและเดี๋ยวนี้ก็แก่ชาราลงไปพอๆกันได้ข่าวคุณบ้างไหมแม่พวงพอเพิ่มมองตามสายตาของพลอยไปพบพวงก็เลยถามขึ้น เมือ่อสองสามเดือนนี้ลูกเข้ามาหาบ่าวจากเมืองการบอกว่าคุณเธอเป็นอมพาสลุกไม่ขึ้นอา้าวแล้วเดี๋ยวนี้เธออยู่กับใครแล้วแม่พ่วงคุณเฉยถามบ้างเธออยู่กับเมียนนนบ่าวได้ข่าวว่าเขามีอันจะกินเลี้ยงดูเธอดีไม่ต้องลำบากว่าไปแล้วคุณชิดี่เธอกับเคราะดีกว่าชั้นซสอีกนะ่ะ เกิดมา ก, กับเผ่าชาติหนึ่งมีคนเลี้ยงไหสบายอยู่เสมอถ้าจะว่าไปเราก็เคราะดีด้วยกันทุกคนนั่นแหละที่ยังได้มานั่งกินข้าวกันอยู่ที่นี่ฉันคิดถึงแต่คุณใหญ่ถ้าเธอยังไม่ตายแล้วมานั่งอยู่ด้วยวันนี้ฉันว่าคุณหลวงเนี่ยคงไม่กล้ามาวางกล้ามอย่างนี้หรอกคุณเฉยพูดขึ้นเฮยคุณเฉยเองก็เถอะน่ะดีแต่เก่งลับหลังเท่านั้นแหละ ต่อหน้าคุณใหญ่ฉันก็เห็นจ่องๆเราก็เป็นคนละคนเมื่อการสนทนาโบกเข้าหาคนที่ตายไปแล้วทั้งที่จริงๆคุณเชยกับพ่อเพิ่มเนี่ยเจตนาที่จะทำให้คลึกครืนด้วยการแซวเรื่องของความหลังครั้งเด็กๆนะคะแต่ก็ทำให้พลอยเนี่ยก้มหน้ามองจานข้าวด้วยใจที่ระริกระรวัวนึกถึงตาออดขึ้นมาทันทีว่าโธเอ้ยออดลูกแม่ ถ้าหากยังอยู่ป่านนี้ก็คงจะมานั่งร่วมวงกินข้าวช่วยพูดช่วยจาให้ทุกคนได้เป็นสุขใครจะเข้าพี่เข้าน้องได้ดีเท่าอ๊อดเป็นไม่มีตาอ้อนนั้นถึงจะสนใจในพี่น้องแต่ตาอ้อนก็เป็นคนสำรวมพูดน้อยส่วนตาอัาน้นถ้าหากจะพูดออกมาก็ใช้ถ้อยคำแข็งๆไม่เป็นกันเองไม่มีที่จะจูงใจพี่น้องให้ร่วมสามคัคคีส่วนประภัยนั้น ก็ได้แต่หมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องของตัวเองจนแทบจะมองไม่เห็นพี่น้องจะหาใครที่รู้จักใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนเป็นสุขใจเกิดความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มองดูโลกด้วยแววตาอันแจ่มใสเรื่อนเริงเท่าออสเห็นจะไม่มีอีกแล้วแต่ออสก็ต้องตายไปก่อนคนอื่นทำไมออสจึงต้องตายแม่มองไม่เห็นเลยว่าทาไมออ ถ, ถึงต้องตาย หรือว่าในโลกเรานี้คนดีๆจะต้องตายไปก่อนหรือว่าเป็นกรรมอันใดกรรมของแม่แต่ชาติบางก่อนที่ได้สร้างสมไว้ทำให้แม่ต้องเสียคนรักอยู่ร่ำไปรักสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ยั่งยืนรักใครคนคนนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปจากไปไม่มีวันกลับพล่อยนั่งก้มหน้าเอาช้อนเขี่ยข้าวในจานเล่นอย่างไม่สนใจข้าวทุกเม็ด ดูเหมือนจะแห้งผากแล้วก็แข็งราวกับกรวดพรอยจะมีปัญญากลืนข้าวเข้าไปอย่างไรลงจะนึกตัดใจไม่ให้นึกถึงตาอ๊อฟซึ่งควรจะอยู่ด้วยในวันนี้ก็ตัดใจไม่ได้วันชุมนุมญาติพี่น้องซึ่งควรแก่การยินดีกลับกลายเป็นสิ่งเตือนใจให้คิดถึงคนที่หายไปอย่างไม่มีวันกลับพรอยรู้สึกว่ามือและเท้าของตนเริ่มเย็นชาไม่มีความรู้สึกเวียนศีรษะ น, นั้นก็พราพรางจนแทบจะมองของที่วางอยู่ใกล้ๆตัวไม่เห็นเสียงคุณเชยที่นั่งอยู่ข้างๆกระซิบถามว่าแม่พลอยเป็นอะไรไปหรือดูหน้าเผือดเหมือนกับจะเป็นลมคุณเชยรีบเปิดกระเป๋าส่งยาดมให้เปล่าคุณเชยไม่เป็นอะไรหรอกฉันแ้าจะเหนื่อยเท่านั้นเองวันนี้ร้อยดอกไม้ทั้งวัน เลยตาลายไปหน่อยพรอยพูดแล้วก็รับยาดมจากคุณเชยมาสูตรแรงๆพอมันเทาอาการวิงเวียนลงไปได้บ้างถ้าอย่างนั้นก็เข้านอนเสถิดแม่พรอยวันพรุ่งนี้จะต้องเหนื่อยอีกทั้งวันนอนเอาแรงซะก่อนเสร็จงานบวชพ่ออ้นนี้แล้วฉันเห็นจะต้องเข้าอานวยการกับแม่พลอยเสียทีไม่ปล่อยตามใจอีกต่อไปละมีอย่างหรือเจ็บไข้ไม่สบายก็ทาเฉยเมย จะออกปากเกียกมดเกียกหมอก็ไม่มีหมออย่างหลวงโอสถแกก็มีแต่ยาหอมกินเล่นเพลินๆแกจะไปรักษาอะไรได้เสียงหลวงโอสถที่นั่งกินข้าวอยู่กระแอมขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแม่เชยแม่เชยพูดจาอะไรก็ไวหน้าฉันบ้างสิไม่ไว้กันละคุณเชยหันขวับไปคู่สามีน้องฉันเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แม่จับประคุณพรอยนี่ก็อมพนามไว ไม่เห็นตั้งใจรักษาตัวกันบ้างเลยจนหน้ารำคาญว่าแล้วคุณเชยก็พาพลอยเข้าไปนอนเหมือนกับเด็กๆนั่งอยู่ในห้องเป็นเพื่อนพลอยอยู่นานจนเห็นว่าพลอยม้อยหลับไปแล้วคุณเชยจึงเดินเบาๆกลับไปนอนเช้า ว, วันรุ่งขึ้นพลอยรู้สึกสบายมากกว่าที่เคยรู้สึกมานับตั้งแต่ได้ทราบข่าวว่าตาอ้อตายพลอยตื่นแต่เช้ามืด ดูแลการตระเตรียมข้าวของต่างๆจนเสร็จก็พอดีได้เวลาที่ตาอ้นเนี่ยปรงผมเรียบร้อยพ่อยเรียกตาอ้นมานั่งริมสึกด้านหลังที่ได้ให้เด็กตักน้ำเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วแล้วก็ให้ตาอน้นผลัดผ้าลงนั่งบนม้าตัวเล็กๆแล้วพ่อยก็เริ่มตักน้ำรดตัวตาอน้นประจงขัดสีฉวีวันเจ้านา ซึ่งกำลังจะเข้าสู่พิกขุภาวะในเวลาไม่ช้าพรอยอาบน้ำตาอน้นด้วยความรักความเมตตาทั้งหมดที่มีอยู่น้ำต่ละขันที่ค่อยๆรดลงไปนั้นเป็นประดุลน้ำใจของมารดาที่รักบุตรน้ำใจที่สะอาดเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ ปราศจากความหวงแหนความเห็นแก่ตัวหรือการเรียกร้องใดๆตอบแทนน้ำใจของแม่ที่ปัสศจากราคีประดุดน้ำที่ใสสะอาดมีแต่จะทําให้ผู้ที่ได้รับชุ่มเย็นอยู่เป็นนิดตาอ้นเองก็รู้สึกในความรักและความเมตตาปราณีของพลอยเป็นอย่างมากตาอ้นนั่งนิ่งให้พลอยอาบน้ํา แต่พลอยก็รู้ดีว่าตาอน้นจะต้องมีความรู้สึกตื้นตันเช่นเดียวกับตนในยามนี้อีกครู่หนึ่งตาอ้นก็พูดขึ้นว่าคุณแม่ผมอดนึกถึงเมื่อครั้งที่คุณแม่เคยอาบน้ำให้ผมไม่ยังเด็กๆไม่ได้เลยแต่วันนี้ ผมคงนั่งให้อาบได้เรียบร้อยดีกว่าเมื่อยังเป็นเด็กแม่ก็ยังจำได้ดีเหมือนกันอ้นดูเหมือนกับวันซืนนี้เองอ้นลูกแม่ก็โตเป็นผู้ใหญ่ไปซะแล้วแต่อ้นเรียบร้อยกว่าลูกคนอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ้นวาง่ายแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำแต่อันเสอีกหัวรัน้นประภัยก็ไม่ใช่เล่นบทพยศขึ้นมา ก็ต้องปราบกันแย่เห็นพ่อพูดกันได้ง่ายหน่อยอีกคนก็คืออพอสพรอยพูดถึงตาออสแล้วก็หยุดนิ่งลงเฉยๆแต่มือนั้นยังถูหลังตาอ้อนอยู่เรื่อยไปคุณแม่เห็น้าไม่มีวันลืมออสได้ลืมได้อย่างไรเล่าอ้อนลูกเกิดจากตัวแม่แท้ๆ แล้วก็มามีอันเป็นไปแม่ไม่รู้จะทําใจอย่างไรถูกผมก็เห็นใจคุณแม่เห็นใจจริงๆแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดจาปลอบโยนให้เหมือนคนอื่นเขาทาได้อย่างไรถูกผมถูกเขาปล่อยมาจากเกาะอย่างดีใจริงโลดนึกดีใจว่าสิ้นเวนสิ้นกรรมจะได้พบคุณแม่พบน้องๆ แต่พอพบออสเข้าเป็นคนแรกเขาก็เจ็บหนักแต่ก็แล้วก็จากไปผมเองรู้สึกเหมือนใครมาทุบหัวจนสลบตั้งแต่นั้นมาโลกภายนอกที่ผมคอยมาสิบกว่าปีก็เลยหมดสนุกดูมันจืดชืดไม่ที่ยังแพ้ ถ้าบุญกุศลมีจริงอย่างคุณแม่ว่าออสเขาควรจะได้บุญมากเพราะเขาเป็นต้นเหตุสำคัญที่ผมได้บวชในวันนี้พรอยไม่ได้พูดจาต่อไปว่าอะไรได้กันเม้มริมฝีปากแน่นเพื่อกลั้นน้ำตาไว้แล้วก็อาบน้ำต่ออ้นต่อไปจนเสร็จในเวลาอีกไม่ช้า ตอน้นซึ่งนุ่มขาวห่มขาวเป็นหน้าพร้อมด้วยพลอยแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็ลงเรือที่บรรจุข้าวของไว้แล้วหมายหน้าออกจากท่าน้ำหน้าบ้านเล่นเข้าไปยังวัดที่อยู่ท้ายคลองวัดที่ตาอ้นได้เลือกเอาเองว่าจะใช้เป็นที่บาเพ็ญชีวิตในระหว่างสมณะเพศพอมาถึงวัดพลอยก็ชวนช้อยแล้วก็คุณเชย ก็ไปนั่งในโบสถ์เพื่อจัดของถวายพระแล้วก็ปล่อยพ่อเพิ่มแล้วก็คนหนุ่มๆสาวๆให้เดินถือของตามเจ้านาคโดยการเดินประทักษิณรอบโบสถ์ตามธรรมเนียมที่พ่อเพิ่มยืนยันว่าขาดเสียไม่ได้ปล่อยก้มลงกราบพระประธานในโบสถ์พลางนึกอุทิตต่ออ้นซึ่งถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ก็ได้เลี้ยงมา และก็รักอย่างลูกถวายไว้ในพระศาสนาในขณะที่นึกอุทิศอยู่ในใจพรอยก็ก้มลงกราบพระอีกครั้งหนึ่งและในใจก็เกิดปิติอิ่มเอิบในผลบุญที่ได้กระทาตาอน้นผู้ซึ่งกำลังจะย่างเข้าสู่ภิกขุภาวะเป็นผู้สืบพระศาสนา ตา อ, อ้นลูกคุณเปรมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พรอยไม่รู้จักแต่ก็ได้รักอย่างลูกตัวเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ด้วยน้ำมือของตนเองบัดนี้ตา อ, อ้นกำลังจะได้บาเพ็ญบุญกิริยาอันสูงสุดสละตัวเข้าถวายในพระศาสนาในฐานที่พรอยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูตา อ, อ้นมาพ้อยก็นึกมอบตัวตา อ, อ้น ถวายขาดในพระศาสนาเหมือนกับว่าได้นำของมีค่าอย่างหนึ่งที่ตนรักแล้วก็หวงแหนมาถวายไว้เรื่องต่อไปคือเรื่องจะศึกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของตาอ้นเองพ่อยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องหรือว่าพูดจาชักจูงอย่างไรได้ทั้งสิ้น พรอยเหลียวดูไปทางอาสนะสงฆ์ที่จัดไว้หน้าพระประธานเห็นพระเริ่มทยอยลงบทแล้วหลายองค์แต่และองค์แสดงอาการสงบสัมรวมแสดงว่าเป็นผู้หยุดนิ่งตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกประเดี๋ยวตาอ้นก็จะเป็นสงฆ์อีกรูปหนึ่งเป็นคนดีที่จะเข้าไปอยู่ในสมาคมของคนดีไม่มีอะไร พี่พลอยจะต้องวิตกห่วงใยถึงแม้ว่าพี่ขุภาวะจะทําให้ตาอ้นต้องห่างเหินไปแต่พลอยก็รู้ว่าตาอ้นไปในทางที่ดีอยู่ในที่ที่ดีไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแก่ตาอ้นได้นอกจากความดีความดีที่จีรังยั่งยืนพลอยนั่งจัดของอยู่สักครู่พอเพิ่มก็พาตาอ้นเข้ามาในโบสถ์ให้นั่งอยู่ในที่อันควรรอการอุปสมบท ่กลังจะเริมขึ้นพลอยนั่งดูตะออนที่นั่งรออุปสมบทอยู่นั้นด้วยความอิ่มใจยิ่งมองไปก็ยิ่งเห็นว่าตะอ้นซึ่งปรงผมแล้วนุ่งขาวห่มขาวอยู่นั้นมีราศีสมกับที่จะได้เข้าบวชเรียนเสียงช้อยพูดอยู่ข้างหลังใกล้ๆกับตัวว่าพ่ออ้นนี่พอเป็นเจ้าหน้าเข้าค่อยหน้าดูขึ้นเป็นกอง เมื่อออกมาจากคุกใหม่ๆนั้นดูไม่ได้ทีเดียวเขาเมาคุกมันจับหรืออย่างไรก็ไม่รู้พอคุณสิ่งเคราะห์ไปทีขอให้พ่อบวชนานๆเถิดฉันจะได้เกาะชายกระเบนแม่พร้อยเขาขึ้นสวรรค์บ้างทําไมจะต้องมาเกาะชายกระเบนฉันขึ้นสวรรค์นะแปลกแท้ๆ ท, ทีเดียวเอาแม่พร้อยก็ฉันมันมีลูกมีต้าไว้บวชเรียนเสียเมื่อไหร่ล่ะ แม่พลอยเกาะชายจีวรพระได้ฉันก็อาศัยเกาะแม่พลอยนิดเดียวเจ้าหวงด้วยหรือฉันก็เหมือนกันคุณเชืยื่นหน้าเข้ามากระซิบด้วยคนไม่มีลูกไม่มีเต้าเห็นจะต้องเกาะชายกระเบนแม่ช้อยอีกต่อหนึ่งฮ่คงสนุกกันพี่ลึกละ่ะเกาะกันต่อต่อไปเป็นพรวนทีเดียวเทวดาคงจะตกใจกันแย่ yeah! เอาแน่ได้เวลาแล้วแม่พลอยคอยส่งไตรให้หน้าเธอะ ตะ อ, อน้นคลานเข้ามาตรงหน้าพลอยแล้วก็ลงหมอบกราบพลอยอุ้มไตรส่งให้ตะ อ, อ้นด้วยใจปิติจนแทบจะบอกไม่ถูกพอตะ อ, อ้นรับไตรแล้วก็เข้าไปคุกเขา่าอยู่หน้าอุปชาแล้วพลอยก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาที่ซึมซึมออกมาบ้างด้วยความปลื้มใจแม่พลอยเขาดี เสียงช้อยกอระซิบกับคุณเชย อ, อยู่ข้างหลังเขามีน้ำหูน้ำตาไว้แตะนิดรับหน่อยได้ถูกกาละเทศะทุกครั้งไปธรรมดาปวดนากอย่างนี้ถ้าไม่มีโยมผู้หญิงมาร้องไหก้กระซิกระซี้อิ่มอกอิ่มใจฉันหวาดก็ดูจะขาดขาดไปเหมือนกับไม่ครบพิธีแม่ช้อยช่างหาอะไรมาพูดแม่พรอยอะ่ะเขาทำตัวถูกกาละเทศะเสมอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเราเรา ถ้าไปตกที่นั่งเขาบ้างคงไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกก็นั่นนะสิอย่างฉันถ้ามีลูกและได้มาบวชวันนี้ฉันคงทำตัวไม่ถูกแน่แม่ช้อยจะทำยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่ร้องหายโฮหฮาเห้ขายหน้าคนก็คงนั่งโหรเร่ะร่วนไปเหมือนอีบ้าอะไรกระมัง ที่อุปสมบทได้เริ่มขึ้นและเดิมเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้สองพันกว่าปีตาอ้นรับโอวาจากอุปชาแล้วก็ออกไปคลองผ้าพอคลองผ้าเหลืองเสร็จก็กลับมายืนซ้อมขานหน้าคู่กับ อ, อ, อยู่กับคู่สวดที่ตรงประตูอุโบสถพรอยได้แต่แลดูด้วยความพอใจแทบว่า จะไม่มีตาไว้ดูอื่นต่อ้อนครองชีวรแล้วดูงดงามมีราศีเกินกว่าที่คาดหมายไว้พรอยได้เคยเห็นผู้ชายแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายหลายหลากมาในชีวิตของตนตั้งแต่นุ่งผ้าลายใส่เสื้อกระบอกนุ่งผม่วงใส่เสื้อราดตะแตนแต่งเครื่องแบบต่างๆติดเหรียญตราตลอดจนแต่งสากลผูกเน็กไทแบบฝรั่ง เครื่องแต่งตัวของผู้ชายที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยสุดแต่ใจคนจะเห็นงามแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองสามผือนอันเป็นเครื่องแต่งกายของผู้มีศีลยังไม่ได้มีใครมั่งอาจมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยังคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นผ้าเหลืองเพียงสามผืนนั้นสามารถประดับคนให้งดงามมีสง่าราศีได้ยิ่งกว่าอาภรรษ์อันล้ำค่าใดๆทั้งสิ้นผู้ที่นุง่งหอม ด้วยผ้าเหลืองสามผืนนั้นมีความงามอันเลิศล้ำมนุษย์ใดๆเพราะความงามที่เกิดขึ้นนั้นมีได้เกิดจากรูปสมบัติอันมีแต่จะเสื่อมโทมสลายไปมิใช่ความงามอันเกิดจากการตกแต่งประดับประดาอันเป็นการพรางที่หลอกลวงได้แต่เพียงจากสูบประสาทแต่เป็นความงามอันเกิดจากศีลจากความสํารวมจากความสงบและความนอบน้อมความงามอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้หรือรู้สึกได้ด้วยสัมผัสต่างๆอันเป็นของลวงโลกก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่เป็นนิดแต่เห็นได้ด้วยดวงจิตบริสุทธิ์ซึ่งยอมจะต้องเป็นความงานที่แน่แท้ปราศจากความเคลือบคลุมแอบแฝงหรือการหลอกลวงใดๆ เจ้านาคผ่านการซ้อมขานนาที่ประตูอุโบสถแล้วก็เข้าไปขานหน้าต่อหน้าสงศ์พิธีดำเนินไปเรื่อยๆจนสงรับนาคเป็นพิขุเข้าร่วมอยู่เป็นสมาชิกอันสมบูรณ์พรอยขานเข้าไปประเคนของพระอ้นที่บวชใหม่แล้วก้มตัวลงกราบพระกราบด้วยชีวิตด้วยความเป็นอยู่และด้วยวิญญาณทั้งหมด คุณเปรมคุณเปมฉันพยายามทำหน้าที่ของฉันให้ครบทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วฉันเหนื่อยเต็มทีคุณเปรมรุง่งคืนอีกวันหนึ่งหลังจากงานบวชพระอ้นพลอยก็ล้มเจ็บหนแพทย์ที่ตาอันรับมาตรวจบอกว่าพลอยเป็นโรคหัวใจอย่างหนักต้องพักผ่อนมากที่สุดและต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัดที่สุด เพราะเจ็บอยู่หลายเดือนเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่นั้นก็ค่อยๆถดถอยลงไปทุกทีแม้ว่าบุตรและญาติจะช่วยกันให้การรักษาพยาบาลอย่างแข็งแรงเพียงใดแต่สิ่งสำคัญก็คือความรู้สึกของตัวคนไข้เองนั้นเหมือนกับไม่ร่วมมือในการที่จะมีชีวิตอยู่และนี่เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะเพราะว่านายาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือ แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ต่อไปหมอเก่งแค่ไหนก็คงลำบากละคะ่ะพรอยไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะอยู่มิได้วิตกห่วงใยในการป่วยไข้ของตนทำตัวเหมือนกับคนที่ปล่อยให้ตัวล่องลอยไปตามกระแสแห่งโชคชะตาไม่พยายามฝืน้นแล้วก็ไม่มีมานะที่จะสู้อุปสรรคใดๆนะคะนอกจากนี้คะ่ะ ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพลอยก็คือการขาดแคลนยาโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นหยูกยาก็หาได้ยากแล้วก็มีราคาแพงโรคของพลอยซึ่งเป็นโรคพิเศษเกี่ยวกับหัวใจต้องการยาพิเศษหลายอย่างที่หาได้ยากเพราะว่าปริมาณของยาชนิดนั้นๆที่มีอยู่เมื่อก่อนสงคราม ไม่ได้มีอยู่มากเช่นยารักษาโรคอื่นๆที่คนเป็นกันเป็นพื้นนะคะคือไม่ใช่โรคดื่นๆที่เจอได้ทั่วไปในเมื่อเป็นยาชนิดพิเศษอยู่ในสถานการณ์พิเศษก็เลยหายากเป็นพิเศษที่ยังมีเหลือก็ถูกกักตุนเอาไว้ขายในราคาที่สูงจนแทบไม่น่าเชื่อไหนแพทย์ผู้มารักษาพลอยเองก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าจะไปหายาที่ไหนมารักษาคนไข้ได้ ได้แต่จดชื่อยาบางชนิดที่จำเป็นให้กับเจ้าของไข้แล้วก็บอกให้ลองออกเที่ยวหาดูถ้าได้มาก็จะเป็นประโยชน์มากปัญหาเรื่องยาขาดแคลนก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องปรึกษาหารือกันอยู่เป็นนิดนะคะวันหนึ่งคุณเสวีมาเยี่ยมที่บ้านคองบางหลวงเพื่อเยี่ยมทั้งพลอยที่เป็นคนไข้แล้วก็ประไพ ซึ่งมาอยู่พยาบาลพลอยขณะที่นั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแต่อันก็เอากระดาษจดชื่อยาขนาดหนึ่งออกมาให้คุณเสวีดูแล้วก็บอกว่าเสวีรู้จักคนมากลองช่วยถามหาซื้อยาขนาดนี้ให้คุณแม่หน่อยเถอะเราเองวิ่งหาซะจนอ่อนใจแล้วแต่ก็ยังหาซื้อไม่ได้คุณเสวีก็รับกระดาษไปดูหยิบสมุดพกจากกระเป๋ามาจดชื่อยาหันมายิ้มกับพลอย แล้วก็พูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำอย่างที่เคยทำให้พลอยไม่สบายใจมาเสมอคือคุณเสวีนี่เป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะสุภาพเรียบร้อยนะคะแต่วิธีการพูดและสายตาของคุณเสวีที่มันสุภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พลอยไม่เคยสบายใจเลยเมื่อได้เห็นคราวนี้คุณเสวีก็ยังเป็นเช่นนั้นนะคะไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมยินดีสนองพระเดชพวกคุณเต็มที่ยาขนาดนี้ ถึงคนอื่นจะหาไม่ได้ผมว่าผมคงหาได้คุณแม่อย่าวิตกเลยครับเพราะรุ่งขึ้นอีกวันคุณเสวีก็มาหาที่บ้านในตอนบ่ายตาอัน้นผู้ซึ่งร้อนใจด้วยเรื่องยาก็ถามถึงยาขึ้นทันทีที่ได้เห็นหน้าคุณเสวีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า ของทุกอย่างในเมืองไทยเ่านี้ถ้าใครรู้ที่หาก็มีทั้งนั้นข้อสำคัญอยู่ที่เราจะให้เขาตามราคาหรือไม่อัลตนาเซวีถูกแพงยังไงก็ว่ามาเถอะขอแต่ให้คุณแม่หายเจ็บก็แล้วกันยาที่อันให้หาในเป็นยาฉีดหายากเพราะมีอยู่น้อยคนที่เขามีอยู่เขาเป็นเพื่อนกับเราเพราะรู้ว่าคุณแม่เจ็บเขาก็ยินดียินดีที่จะขายให้ถูกกว่าราคาตลาด ต่อันก ร, รีบถามทันทีว่าเขาจะขายยังไงด้วยความตื่นเต้นนะคะคำตอบก็คือเขาขอหลอดละ 4,500 บาทคุณเสวีตอบอย่างหน้าตาเฉยที่สุดพลอยใจหายว่าเมื่อได้ยินราคา 4,500 บาทนะคะสมัยสงครามโลก ค, ครั้งที่สองนะคะกี่สิบปีมาแล้วล่ะคะ ปัจจุบันนี้ทายาหลอดละ 4,500 บาทนี่ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีนะคะและสมัยนั้นนี่โอ้โหต้องบอกว่าแพงยิ่งกว่าทองอีกมั้งคะพลอยใจหายว่าบเลยตกใจนะคะแทบจะทำให้หัวใจของพลอยหยุดนิ่งลงไปทีเดียวฝ่ายตาอั้นก็สะดุ้งจนเห็นได้ชัดแล้วก็ตอบออมแ อ, อมว่าดีแล้วเซวีแต่ละวันคนอื่น เขาหาไว้ให้อีกทางหนึง่งจะขอฟังเขาก่อนถ้ายังไงจะบอกให้เสวีรู้ทีหลังคุณเสวีก็บอกว่าก็ได้แต่อย่าใช้เวลาให้มากนะเพราะถ้าช้าไปอีกสองสาวันราคาอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เดี๋ยวนี้ราคาก็ขึ้นอยู่ทุกวันแล้วแต่อันกัดกรามแน่นไม่ตอบแล้วก็นั่งครืมๆมอยู่ จนคุณเสวีลากลับไปเองพอคุณเสวีไปพ้นตัวพลอยซึ่งนอนฟังเรื่องราวนิ่ ง, งๆอยู่บนเตียงก็เรียกแต่อั้นเบาๆให้เข้ามานั่งใกล้ตัวพอแต่อั้นเข้ามานั่งที่ริมเตียงพลอยก็พูดขึ้นว่าอัน้นอย่าซื้อเลยยาขนาด น, นั้นแพงเหลือทนโถคุณแม่ จะไปเสียด้เงินอยู่ทำไมตอนนี้แม่ไม่เสียด้เงินหรอกอ้นแต่แม่เคยใช้เงินให้เป็นประโยชน์ยาขนาดนี้ใช่ว่าฉีดแม่เพียงเข็มเดียวแล้วก็จะหายแต่จะต้องฉีดไปหลายเข็มยาหลอดละสี่พันสองสิบหลอดก็สี่0 0สองพันนานเข้าราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นเผลอไปหน่อย ค่ายาขนาดเดียวก็จะเป็นเงินเรือนแสนพรอยหยุดพูดพักเหนื่อยประเดี๋ยวหนึง่งแล้วก็ถอนใจใหญ่พูดต่อไปเบาๆว่าเงินเป็นหมื่นเป็นแสนอันคิดดูให้ดีๆชีวิตของแม่เห็นจะไม่แพงถึงเพียงนั้นคุณแม่แต่อันพูดออกมาได้คำเดียวแล้วก็รบหน้าลงร้องไห้ใกล้ๆตัวพรอยด้วยความรู้สึก ที่ไม่สามารถจะกลั้นไว้ได้อันอย่าเป็นห่วงแม่ให้มากนักเลยจะว่าเจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นก็มิถึงและยากขนาด น, นั้นถึงหากว่าจะได้มาจะทําให้หายลงทันทีก็เปล่าการเจ็บไข้ก็ต้องแล้วแต่บุญต่กรรมอยู่มากเหมือนกัน บางคนมีอยู่ยาสารพัดแต่ก็แก้ไม่ได้ถึงตายก็มีอยู่บ่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นหร <uh <บ>อกคุณแม่ผมเสียใจมากเพราะเห็นใจคนอย่างชัดในคราวนี้เองเห็นใจใครอัน้นแม่ไม่รู้เรื่องเลยคือพลอยนี่ก็ยังคงเป็นคนดีจนบาระสุดท้ายนะคะเสวี <that> ผมรู้ดีว่าจเจกเซวีเข้าหุ้นกับพวกพ้องตุนยาและยาขนาดนี้ของมันก็มีแต่ทั้งที่มันรู้แล้วว่าคุณแม่เจ็บมากต้องใช้ยาขนาดนี้มันยังมีหน้ามาบอกขายได้ถึงหลอดละสี่พันก็เข้าค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกพ้องบางทีจะหุ้นส่วนเกี่ยวข้องเขาจะให้เปล่าก็เกรงใจกระมังพลอยก็ยังช่วยพูดแก้ให้นะคะ ถึงอย่างนั้นมันจะขายแต่เพียงเท่าทุนก็ยังได้เพราะมันรวยมามากแล้วแต่นี้มันยังมาบวกเอากำไรช่างมันเถอะคุณแม่แ ล, name, แล้วผมจะไปหาที่อื่นมาให้บางทีจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปผมถามลองใจมันเล่นเท <|hi|> ่าน <partially. S 2> ั้นเองเมื่อได้ยินคำบอกเล่าจากตาอั้นพลอยก็ได้แต่ถอนใจความน้อยใจ ในน้ำใจอันคับแคบของลูกเขยนั้นมีได้เกิดขึ้นเลยแต่รู้สึกหนักใจในความเสื่อมในน้ำใจของคนโดยทั่วไปความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาดูเหมือนจะหมดไปเสียแล้วจากโลกนี้แม้แต่ตัวพลอยเองซึ่งอยู่ในฐานะดียังต้องรู้สึกอัตคัดในยามเจ็บไข้นี่ขนาดพลอยเป็นคนรวยนะคะแล้วคนที่อาภัพกว่าเนี่ยจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่างานนี้แต่อันโกรธแล้วก็น้อยใจคุณเสวีมากวันรุ่งขึ้นแต่อันก็ไปซื้อยาขนาดเดียวกันมาจากที่อื่นจนได้ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบาตามที่หมอสั่งแต่เมื่อพ่อเพิ่มมาเยี่ยมในวันเดียวกันแต่อันก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนต่อั้นเนี่ยเข้ากับคุณเสวีเป็นปีเป็นขรุยแล้วก็เป็นคนที่ชักจูงให้มาขอน้องสาวแล้วก็ถึงกับผิดใจกับแตออสด้วยแตออดนี่จัดได้ว่าเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูคนเพราะสามารถจะมองออกตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่ต่อั้นเนี่ยเป็นคนเก่งแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคนฉลาดในการที่จะดูคนมารู้ตัวรู้นิสัย ก็ทอะไรไม่ได้เสียแล้วพอเพิ่มสายหน้าอย่างอ่อนใจก่อนจะบอกว่าช่างมันเถิดพ่ออัน้นคนพันอย่างนั้นมันจะร่ำรวยได้ดิบได้ดีไปถึงเพียงไหนหลุงว่าในโลกนี้มันมีบุญมีกรรมคนทิ่ใจดำใจบาปถึงคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นคอยดูไปเถิดพ่ออัน้นอีกหน่อยมันจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่า ผมกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับคุณลุงเอ้าทําไมล่ะพ่ออัน้นผมดูดูแล้วโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรทั้งนั้นคนที่ซื่อสัตย์คนที่มีความจริงใจคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นซะอีกกลับกลายเป็นคนเลวไม่มีวันที่จะได้ดีแต่คนที่เป็นหัวประจบกลับกรอกคดโกงเขานั่นแหละได้ดีทุกสมัย เพราะเขาเกริ่งเกลือกไปทันอย่างนั้นก็แย่สิพ่อคุณพอเพิ่มร้องก็แย่นะสิครับคุณลุงแต่แย่สำหรับคนอย่างเราเราคนอย่างเขาไม่มีแย่หรอกมีแต่จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อันตอบขรึมๆแบบโปรงๆพ่ออ่านหมายความว่าโลกมนุษย์เราไม่มีความยุติธรรมอย่างนั้นรืเป็นอันว่าทำชั่วแล้วผลที่เกิดไม่ชั่วอย่างนั้นหรอือ พอเพิ่มถามอย่างสงสัยจะว่าถึงเพียงนั้นก็ไม่ถูกหรอกครับความชั่วมันก็ต้องเกิดผลในทางชั่วแต่ผลที่เกิดมันไม่จำเป็นต้องเกิดแก่ผู้ที่ทำชั่วมันไปตกกับคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยอย่างคนโกงถ้าจับได้ผลก็เกิดแก่ตัวแต่ส่วนมากถ้าจะโกงใครจะไปปล่อยให้ใครจับได้ ผนเสียหายจากการโกงมันเกิดเหมือนกันแต่มันไปเกิดกับคนอื่นๆที่เขาไม่โกงหรือไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยลําบากจริงลําบากจริงลุงยังปร่งใจเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เลยสองลุงหลานนี่ก็คุยกันถูกคอมากขึ้นในช่วงหลังนะคะเพราะแต่ก่อนนี้พ่อเพิ่มเนี่ยก็จะสนิทกับตาออสแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกกับตา อ, อ้าน แต่พอตอนที่ตาออไม่อยู่หลังๆตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับพี่กับน้องกับญาติพี่น้องได้ดียิ่งขึ้นนะคะพรอยที่นอนฟัง ส, งสองคนพูดกันอยู่ครู่หนึ่งก็พูดแทรกขึ้นมาว่างว่าอัน้นแม่ก็คิดอย่างอั้นพูดเหมือนกันคิดมานานแล้วเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่ยอมทําชั่วไม่ยอมทําบาป พอเพิ่มเดี๋ยวมาดูพรอยแล้วก็บอกว่าเออแม่ลูกขู่นี้เข้าไปไหนกันเป็นปีเป็นขุยทีเดียวพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะคุณหลวงถ้าฉันทำชั่วแล้วรู้ว่าความชั่วจะต้องตกแก่ฉันคนเดียวไม่ไปตกแก่คนอื่นฉันก็คงไม่กลัวความชั่วนะกรอบ และบางทีอาจจะลงมือทำบาปกับเขาบ้างก็ได้เพราะความชั่วดีก็เป็นเรื่องของฉันคนเดียวถึงจะตกนรกหมกไหมฉันก็เป็นคนตกจะเป็นไรไปเราอยากทำชั่วเราก็ต้องรับกรรมเอาเองเหมือนกับอยากได้ของเราก็เสียสตางซื้อแต่เท่าที่เห็นมาคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องมักจะต้องเข้ามารับบาปเสียเสมอไป ก็เลยทำบาปไม่ลงเพราะกลัวคนอื่นเขาจะต้องลำบากาคุยกันเรื่องอื่นเถิดแม่พรอยนึกกว่าสงสารแก่ฉันก่อนแล้วกันพอเพิ่มพูดอย่างอ่อนใจอาการป่วยของพรอยมีแต่สุดกับทรงไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาก่อนสงครามจะเสร็จสิ้นลงความขาดแคลนในเรื่องยารักษาโรคก็ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเต็มที่และพลอยเองก็โปรงใจปล่อยให้สังขารร่างกายเป็นไปตามบุญตามกรรมความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าตนเป็นคนพิการจะทำอะไรก็ไม่สะดวกยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าตนนั้นอยู่ด้วยคนอื่นแท้ ความรู้สึกเช่นนี้ยิ่งทำให้พลอยท้อถอยหนักขึ้นไปอีกวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยและหลังจากที่คุยเรื่องอื่นๆตามเคยแล้วพ่อเพิ่มก็บอกว่าแม่พลอยสงครามเห็นจะไปไม่ได้อีกนานแล้วฉันว่าคงจะเสร็จในเร็วๆนี้ลหละเวลานี้เยอรมันก็แพ้ราบไปแล้วยังเหลือแต่ญี่ปุ่น เมือ่อสองสาวันนี้อเมริกาก็เอาลูกระเบิดแบบใหม่ไปทิ้งที่ญี่ปุ่นลูกหนึ่งคนตายกันนับแสนชนะเหมือนไฟประลลยกันพลอยนึกในใจทันทีที่ได้ยินมนุษย์เราจะฆ่าฟันกันไปถึงไหนอันนี้คือสิ่งที่พลอยนึกในใจนะคะในขณะที่ปากนั้นก็ถามพ่อเพิ่มไปว่า ลูกระเบิดอะไรหรือถึงได้ร้ายแรงถึงเพียงนั้นคุณหลวงน่ากลัวจริงเขาเรียกกันว่าลูกระเบิดปรามาณูมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าลูกระเบิดที่เขาเอามาทิ้งบ้านแม่พลอยมากมายนะทิ้งลูกเดียวเมืองพังกันทั้งเมืองคนตายทั้งเมืองอย่างนี้ฉันว่าญี่ปุ่นสู้ไปได้อีกไม่นานก็ต้องแพ้แน่ะนะ แม่พ้อยคิดดูเอาเองเถิดถ้าขืนสู้ไปเขาเอาทิ้งอีกสักสิบลูกมีพากันตายทั้งเกาะญี่ปุ่นหรือพู้โธเอ้ยแล้วคนที่ตายทั้งเมืองเขาก็คงจะเป็นคนอย่างเราๆนี่เองคนแก่ก็มีเด็กก็มีไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาสักนิดทำยังไงได้ล่ะแม่พ้อย ยิงรบกันไปมันก็ยิ่งลำบากเริกรบกันก็ดีนะใครเหลือตายก็จะได้สบายกันบ้างว่าแต่ไอ้ลูกระเบิดลูกนี้ฉันอดคิดถึงมันไม่ได้เลยเพื่อนฉันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งจะค้นพบกันได้ใหม่ที่อเมริกาน่ากลัวเหลือเกินลูกมันจะโตสักเพียงไหนนะคุณหลวง ถึงได้มีวทธิเดชมากถึงเพียงนี้อีตรงนี้นะสิที่มันสําคัญพอเพิ่มพูดอย่างภูมิใจเรากับว่าตนเองเนี่ยคิดลูกระเบิดปรมาณูขึ้นมาได้นะคะเข้าว่าลูกบันเท่าระเบิดธรรมดานี่เองหรือว่าจะเล็กกว่าเสียด้วยซ้ําไปนะแต่ฤทธิ์ของมันนี่มากกว่าหลายหมื่นเท่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ก็นั่นแหละ คุณหลวงต้องรู้เรื่องอย่างนี้ดีกว่าฉันจริงๆนะแม่พร้อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกกันเล่นสำคัญนักทีเดียวเรียกได้ว่าโลกมนุษย์เราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แม่พร้อยลองคิดดูสิเราเกิดมาในสมัยคนรบกันด้วยมีดตว้ยไม้เอาปืนคาบศิลาปืนปัดสตันไล่ยิงกันมีเหอะเฮินเดินอากาศได้ ก็แต่ในหนังสือวงวงจักจักแล้วเราก็จะอยู่มาจนเห็นคนเหาะได้เอาระเบิดแบบใหม่มาทิ้งตูมเดียวตายกันทั้งเมืองยังก็สอนพรมมาดในเรื่องรามเกียรติเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดบอกนะฉันว่าแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเล่าคุณหลวงพลอยอดถามไม่ได้ทั้งที่ใจนั้นไม่อยากจะพูดนะคะ ฉันเห็นแต่รบปาฆ่าฟันกันให้ตายมากกว่าสมัยก่อนใครที่ไม่ตายก็ต้องลำบากอดอยากจนผ้าจะไม่มีนุ่งกันอยู่แล้วอดใจรอไปก่อนเถิดแม่พลอยคงไม่นานบล์อีกหน่อยก็เสร็จสงครามเราคงสบายกันทุกคนคอยดูไปเถอะนี่คุณหลวงสังหอนไปเสียอีกแล้วกระมังพรอยถามยิ้มยิ้มขณะที่ในใจนั้น นึกถึงคำพยากรณ์เหตุการณ์ผิดผิดพลาดพลาดที่พ่อเพิ่มชอบทําอยู่เสมอนะคะเปล่าหน้าฉันพูดแต่เหตุผลจริงๆใครๆเขาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่สำหรับครั้งนี้นะคะในที่สุดเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พ่อเพิ่มพยากรณ์ไว้คะ่ะเพราะหลังจากที่กรุงเทพถูกระเบิดอย่างหนักโรงไฟฟ้าทั้งสองโรงถูกทาลาย ทำให้เกิดขาดแคลนทั้งน้ำและไฟไปได้ไม่นานนักสงครามก็จบสิ้นลงอย่างเงียบๆและโดยกระทันหันโดยไม่ได้มีใครคาดหมายเอาไว้ก่อนเลยเหมือนกับในวันที่สงครามเกิดขึ้นเช้าตรู่วันหนึ่งคนก็รู้กันทั่วเมืองว่าสงครามเสร็จลงแล้วโดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายยอมแพ้ต่อพันธมิตร พอเพิ่มรีบมาหาพลอยถึงบ้านทันทีเมื่อได้ทราบข่าวในตอนเชา้าเดินอมยิ้มขึ้นมาบนเรือนพอเห็นหน้าพลอยก็พูดขึ้นว่าคราวนี้สนุกละแม่พลอยเยอรมันยอมแพ้ไปก่อนแล้วญี่ปุ่นก็มายอมแพ้ในวันนี้เหลือแต่ไทยเป็นมาหาอำนาจรบกับอังกฤษอเมริกาแต่คนเดียวเท่านั้นเอง หลวงคงดีใจมากคราวนี้ใครบ้างจะไม่ดีใจคราวนี้จะได้หมดทุกหมดปร้อนกันสถทีข่าวของก็คงจะถูกลงคราวนี้ละข้อนี้แหละที่ฉันยังปรงใจเชื่อไม่สนิทคนเราตกทุกข์ได้ยากมาหลายปีรบราฆ่าฟันกันตายเสียงหนักตอนนกแล้วอยู่ๆพอเลิกรบกันจะให้กลับสบายเหมือนเก่าทันที ฉันยังเชื่อไม่ได้ดอกคุณหลวงความเห็นของพลอยในเรื่องนี้เป็นความเห็นที่ออกจะถูกต้องนะคะแม้พ่อเพิ่มและคนอีกหลายคนที่เคยมีความเห็นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและกลับคืนดีเมื่อเสร็จสงครามนั้นก็ยอมรับว่าความเห็นของพลอยถูกกว่าของตนในภายหลังเพราะถึงแม้ว่าสงครามจะเสร็จไปแล้วก็ตามและส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในสงครามนั้น เป็นต้นว่าได้เคยทำสัญญาร่วมรุกร่วมรบกับญี่ปุ่นตลอดจนได้ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาก็ได้กลายเป็นโมฆะไปหมดแล้วก็ตามแต่สภาพการต่างๆก็ไม่ได้มีร่องรอยว่าจะคืนดีเหมือนเมื่อก่อนตรงกันข้ามกลับมีทีท่าสุดลงไปกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในระหว่างสงครามซะอีก ข่าวของทุกชนิดยังหายากแล้วก็ยังแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นในอัตราที่น่าพิศวงและก็น่าวิตกทหารต่างประเทศที่เคยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตลอดระยะเวลาแห่งสงครามหายไปหมดในเวลาไม่ช้าแต่มีทหารต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือทหารของฝ่ายผู้ชนะและเมื่อทหารเหล่านี้เข้ามาอยู่ได้ไม่นานนะักข่าวลือก็ว่อนไปหมด เรื่องของความหยาบคายและก็ความโลดโผนต่างๆของทหารต่างประเทศยุคใหม่คือจากทหารญี่ปุ่นก็เป็นทหารฝรั่งนะคะทาให้มีความะหนกตกใจกลัวกันขึ้นบ้างเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ข้างถนนหนทางในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกคนก็เลิกร้องทักทายทหารด้วยภาษา ญ, ญี่ปุ่นเลิกร้องอาริกโตหรือบันไซแต่เริ่มร้องโอเคแทน ซึ่งเมื่อพลอยได้ยินก็เข้าใจว่าเป็นภาษาฝรัง่งแต่แรกก็มีผู้ที่เกลียดชังญี่ปุ่นในฐานที่เป็นข้าศึกเข้ามาลุกรานนั้นเห็นว่าทหารต่างด้าวชุดใหม่เป็นมิตรเข้ามาขับไล่ญี่ปุ่นให้ออกไปหมดจากประเทศไทยแต่พนานวันเข้าความรู้สึกเช่นนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นความสงสัยไม่รู้ว่าทหารเหล่านั้นจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่พอเพิ่ม ผู้ซึ่งมาเยี่ยมอาการไข้ของพลอยแทบทุกวันก็ปรารบขึ้นในวันหนึ่งว่าแม่พลอยฉันนี่เป็นคนแปลกเสียแล้วเมื่อญี่ปุ่นยังอยู่ฉันก็เกลียดญี่ปุ่นเข้ากระดูกดำแต่พอเสร็จสงครามฉันเกิดสงสารญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเพราะเห็นมันจ๋องจองหน้าสมเพชยิ่งเดี๋ยวนี้หายไปหมดไม่มีเที่ยวเดินตามถนนหนทางก็ถึงกับคิดถึงเอาตซ้าไป แต่เบื่อนายเจ้าพวกทหารแขกทหารฝรั่งเต็มทีตาอันผู้ซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็หัวเราะนะคะก่อนจะพูดว่าคุณลุงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเดียวหรอกครับผมว่าคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแทบทั้งเมืองเมื่อทหารฝรั่งถูกญี่ปุ่นจับมาเป็นเฉลยแถวบ้านโปง่งเราก็พากาันสงสารอยากช่วยเหลือเขาเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านแถวนั้น เคยเห็นคนโยนบุหรี่โยนผลไม้แล้วก็ของเงินอื่นให้แกเฉลยฝรั่งกันทั้งกระบวนลรถไฟแต่พอญี่ปุ่นแพ้ถูกฝรั่งเข้ามาจับเป็นเฉลยเราก็หันไปสงสารทหารญี่ปุ่นพอเห็นเข้าก็ต้องแอบให้ขนมให้บุหรี่อีกเห็นจะเป็นเพราะนิสัยเราชอบเมตตาแล้วก็เห็นใจผู้แพ้อันนี้เป็นนิสัยประจาชาติของคนไทยโดยแท้ทีเดียวนะคะ แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใ่แม่เองก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแชร์ราวอะไรของเรามันเรื่องของคนอื่นเคารพกันใครพลาดท่าตกรกรรมลําบากแม่ก็สงสารเวทนาทั้งนั้นพอเพิ่มหัวเราะแม่พลอยนี่แกเป็นโมคะเอาจริงๆทีเดียวรบกันมาเกือบตายเดี๋ยวนี่แกบอกว่าไม่ใช่เรื่องแชร์เราเอาเฉยๆอย่างนั้นละ่ะ สำหรับคนไทยนั้นพลอยรู้ว่าผู้มีบุญวัสนาชุดระหว่างสงครามก็พากันหมดบุญวัสนาไปตามคำทํานายของพ่อเพิ่มแล้วก็มีผู้มีบุญวัสนาชุดใหม่เข้ามาแทนที่แต่พลอยก็แก่เกินไปแล้วที่จะสนใจและขณะนั้นก็มีข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของพลอยด้วยกำลังแรงยิ่งกว่าเรื่องใดๆ ข่าวนั้นคือข่าวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ปดจะเสด็จนิวัดกลับพระนครข่านี้เปรียบเสมือนยารักษาโรคให้แก่พลอยอย่างสำคัญเพราะว่าโรคของพลอยนั้นมีอาการอย่างหนึ่งที่ไม่มียาใดๆแก้ไขได้อาการนั้นก็คือขาดความสนใจต่อสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวอยู่ในโลก คือหมดกําลังใจสั่งกะตายเฉาหงอยนะคะแต่ข่าวที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับทำให้พลอยบังเกิดความสนใจมากขึ้นทันทีหวนคิดถึงครั้งที่เคยไปเฝ้าชมพระบรมีเมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรกสมัยยังทรงพระเยาว์เวลาก็ล่วงเลยไปหลายปีนักหนาแล้วปจาจนีบจะต้องทรงพระเจริญเป็นหนุ่ม รูปโฉมจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่พรอยเก็บเอาไปใคร่ครวนไตร่ตรองด้วยความกระยินใจความรู้สึกนั้นเต็มไปได้วยความปิติอิ่นใจไม่ผิดอะไรกับความรู้สึกเมื่อครั้งลูกของตนจะกลับจากเมืองนอกเพราะความรู้สึกของพลอยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกับที่ช้อยได้เคยว่าไว้ครั้งหนึ่งคือมีความรักดูดดื่มอย่างลึกซึ้ง ไม่ชั่วแต่มีความจงรักภักดีเท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นของตนแท้เป็นคนในครอบครัวมีสายสัมพันธ์ทางโลหิตเป็นบุตรหลานที่รักปานแก้วตาที่ตนได้เฝ้าคอยดูความเจริญเติบโตด้วยความรักและมีเจตนาดีพร้อมด้วยความหวังในอนาคตที่จะรุ่งเรืองต่อไป ด้วยความรู้สึกเช่นนี้พลอยจึงมีอาการกระเตื้องขึ้นเมื่อได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับผิดใจที่เคยแห้งแล้งเพราะรปราศจากความหวังและความสนใจเนื่องโดยถูกกระทบกระเทือนด้วยความทุกข์และความผิดหวังมาม า, มากนั้นก็กลับเบิกบานมีผลสะท้อนถึงโรภคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนทางกายทำให้มีอาการดีขึ้นตามลาดับ ดีขึ้นจนกระทั่งบุตรแล้วก็พี่น้องเนี่ยพากันแปลกใจเพราะว่าพลอยในระยะนี้ดูเหมือนจะหายวันหายคืนจนลุกนั่งแล้วก็เดินเหินได้คล่องแคล่วเหมือนคนปกติอาหารและการหลับนอนก็ถือว่าอยู่ในระดับดีทีเดียวจนกระทั่งคนอื่นๆที่พากันเป็นห่วงในอาการไข้ของพลอยนั้นก็พากันเชื่อสนิทว่าพลอยเนี่ยได้ผ่านพ้นจากโรคแล้ว แล้วก็คงจะหายเป็นปกติได้ในเวลาไม่ช้าทีนี้พอเหลือเวลาอีกสองสาวันที่จะถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพ่อยก็ไปพูดกับตาอั้นนะคะด้วยท้อยคาที่ตาอั้นเนี่ยต้องมองดูพลอยอย่างสงสัยเพราะพรอยบอกว่าพรอยอยากจะไปรับเสด็จด้วยอัน้นวันเสด็จกลับแม่อยากจะไปรับเสด็จอั้นไปรับป้าชอยมาด้วย เพราะคราวที่แล้วก็ไปรับเสด็จด้วยกันแต่คุณแม่แะอันพูดอย่างงงๆนะคะคุณแม่ยังไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บมานานแล้วก็เพิ่งจะค่อยยิงชั่วจะไปไหวหรอแม่ไม่เคยขออะไรที่เกินกําลังเลยอันธรรมดาแม่ก็เป็นคนไม่ชอบไปไหนแต่คราวนี้แม่ขอเถิดอันอย่าขัดใจแม่เลย แม่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ไปรับเสด็จแล้วแม่จะไม่เป็นอันกินอันนอนอีกต่อไปแม่ก็แก่แล้วอันขอให้อันช่วยจัดการให้แม่ได้เห็นในหลวงให้เต็มตาสักครั้งเถอะชั่วเวลาเสด็จผ่านไปเท่านั้นแม่ไม่ขออะไรมากแต่อันคิดอยู่ครู่หนึ่งอืม เห็นจะไม่เป็นไรกระมังเพื่อนผมเขาเช่าอาคารเอาไว้ที่ราชดำเนินอยู่ริมทางเสด็จผ่านพอดีถ้าคุณแม่ไปนั่งคอยดูอยู่ที่นั่นหาอยู่ยาน้ําท่าไปเตรียมไว้คุณแม่ก็คงจะได้เห็นในหลวงได้แล้วผมจะไปจัดการให้ขอบใจอัน้นไม่กลัวสงเคราะห์แม่เอาบุญเถิดแล้วอย่าลืมไปรับประช้อยนะปล่อยตอบอย่างดีใจนะคะ จากนั้พอถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพรอยก็พาสมใจและห ล, ลานๆพร้อมด้วยเด็กในบ้านอีกหลายคนที่อยากไปรับเสด็จมีพวงภรรยาคุณชิดหอมอาหารกลางวันน้ำกินตลอดยาบางอย่างใส่กระเช้าใบโตลงเรือออกจากบ้านพร้อมด้วยตาอันอ้นตาอั้น พอเห็นข้าวของที่เตรียมไปก็หัวเราะคุณน่าเตรียมตัวเสียเรากับจะไปทอดกรถินพรอยมองดูสัมภาระต่างๆแล้วก็หัวเราะอย่างร่าเริงแม่ก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ของที่เตรียมไปนี่ไม่ใช่สําหรับแม่คนเดียวหรอกนะเด็กๆไปตั้งหลายคนต้องเอาไปเผื่อพอข้ามฟากมาถึงฝั่งพระนครตาันก็พาพรอยและคนอื่นที่มาด้วยกันไปนั่งรอรับเสด็จ อยู่ที่อาคารราชดำเนินอย่างที่ได้นัดกันไว้แล้วแต่อันก็เอารถไปรับช้อยผู้ซึ่งจะออกมาจากในวังเวลานั้นยังเช้าอยู่มากแต่พลอยก็สังเกตเห็นได้แล้วว่าผู้คนที่มาคอยรับเสด็จในวันนั้นมากมายผิดปกติและก็มากกว่าวันที่ได้เห็นเมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรกคนทุกอายุทุกวัยและก็ทุกฐานะ ดูเหมือนจะมารวมกันอยู่ในวันนั้นด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันนั่นก็คือคอยรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นประมุขของชาติอันแท้จริงซึ่งทุกคนรู้สึกว่าขาดไปเสียนานตลอดระยะเวลาแห่งสงครามวันเสด็จกลับวันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันสำคัญในความรู้สึกของคนทั้งหลายเป็นวันสิ้นสุดแห่งยุคทมินของสงครามที่ผ่านไปแล้วก็เป็นวันเริ่ม แห่งยุคใหม่ที่ทุกคนจะได้เริ่มทำการแก้ตัวสร้างชีวิตใหม่ด้วยความแจ่มใสหลังจากที่เสียโอกาสต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างสงคราม อา จ, จะว่ากันไปแล้วความเชื่อถือและความหวังหวังที่จะได้สร้างชีวิตใหม่และก็ได้เริ่มทำการแก้ตัวทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะกว่าช่วงสงครามความหวังเช่นนี้ก็อาจจะเป็นของผิดพลาด ปราศจากหลักเกณฑ์ในสายตาและก็ความเห็นของคนหลายคนที่เห็นว่าพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นเพียงมนุษย์ปุตุชนธรรมดาย่อมจะไม่มีบารมีใดๆนอกเหนือไปกว่าคนธรรมดาแต่ว่าในสายตาของพลอยและคนเป็นส่วนมากที่ไปรับเสด็จด้วยความปิติโสมนัสและความจงรักภักดีในวันนั้นผลแห่งพระบารมีได้เกิดขึ้นแล้วในใจของตน คือความชุ่มชื่นในหัวใจความรู้สึกอุ่นหนาฝาข้างปราศจากความว้าเหวความหวังดีเจตนาดีต่อคนทั้งปวงที่มีความจงรักภักดีร่วมกันต่างคนต่างมองดูกันในฐานะเป็นคนร่วมครอบครัวอันใหญ่ปราศจากฉันทาคติมีความรักร่วมกัน และมีเจตนาดีร่วมกันในบุคคลอันเป็นศูนย์รวมแห่งความคารพ บ, บูชาบุคคลอันเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงในความเป็นไทยและความรู้สึกอันดีต่อกันถูกแล้วพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ในวัยเยาว์เป็นแต่เพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นเด็กหนุ่ม ที่เป็นของคนทั้งชาติเป็นลูกหลานของคนที่มีอายุสูงเป็นน้องของคนที่มีอายุต่ำกว่านั้นและเป็นพี่เป็นเพื่อนของคนในวัยเดียวกับพระองค์ความรู้สึกอย่างสนิทสนมนี้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ถ้าจะอธิบายด้วยความคิดของพลอยซึ่งเป็นคนโบราณก็จะต้องว่าเป็นไปได้ด้วยพระบารมี ในวันนั้นผู้คนจํานวนแสนรายทางจากดอนเมืองถึงพระบรมมหาราชวงังเพื่อรอต้อนรับคนที่ตนรักกลับบ้านทุกคนเต็มไปได้วยความรักความมั่นใจและความยินดีในจํานวนคนเป็นแสนแสนนั้นจะหาใบหน้าที่โศกสลดเศร้าหมองหรือใบหน้าที่ขึ้งโกรธเครียดแค้นสักใบหน้าเดียวก็ไม่มี พลอยเลียวดูบรรยากาศรอบๆตัวแล้วก็ขนลุกคอหอยตีบตันไปได้วยความปิติที่ดูเหมือนว่าจะให้ความปวดร้าวได้เช่นเดียวกับความทุกข์ช้อยกระหืดกระหอบเดินฝ่าฝูงคนมานั่งข้างๆตัวพลอยแล้วก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซัดเหนือแล้วก็เอาโบกที่ตัวอย่างแรงๆเพื่อระบายความร้อน พางพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าแม่พลอยมีน้ำเย็นๆขอกินสักอดึดเถิดฉันกระหายน้ำจะขาดใจพลอยเปิดกระติกน้ำแข็งรินน้ำเย็นส่งให้ช้อยผู้ซึ่งรับไปดื่มแล้วก็รินใส่มือลูบตามหน้าตามแขนตั้งแต่ฉันเกิดมาจนป่านนี้อายุห0สิบกว่าแล้วโอ้ยยังไม่เคยพบเคยเห็นคนมากทวันนี้เลย พอฉันออกจากวังเห็นคนมืดฟ้ามัวฝนเต็มถนนหนทางไปหมดเต็มทุ่งพระเมนฉันก็ขาอ่อนแทบจะเป็นลมพออัน้นเขาจะพามารถก็ไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามรถเสียแล้วก็เลยต้องเดินแหวกคนมาจนถึงที่นี่เจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้ว่ามา ก, กันจากไหนมากมายเหลือเกินนั่นสิชอยฉันเองก็อัศจรรย์ใจ ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยแล้วนี่แม่มาอย่างนี้ทั้งเจ็บทั้งไข้แม่ไม่กลัวมาเป็นลมเป็นแรงตายเสียกลางทางบ้างหรือแม่พลอยชอยถามอย่างครึ่งสงสัยครึ่งเป็นห่วงเพราะว่าใครๆก็รู้นะคะว่าอาการป่วยของพลอยนั้นก้อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่ไม่เป็นไรหรอกฉันมาแต่เช้าคนยังไม่มากนักแต่ถึงยังไงวันนี้ฉันก็ต้องมาต้องมารับเสด็จต้องมาให้ได้ ต้องเห็นให้ได้ฉันก็เห็นใจเป็นฉันเองเป็นตายก็ต้องมาเหมือนกันเพราะฉันรักของฉันในหลวงองค์นี้เกิดมาเป็นตัวฉันกำพึงรักในหลวงองค์นี้เท่านั้นองค์ก่อนๆฉันไม่เคยกล้าไปรักท่านหรอกฉันกลัวท่านมากกว่าแต่องค์นี้ไม่เหมือนองค์ก่อนๆฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียวจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ บางทีจะเป็นเพราะท่านอย่างทรงพระยาหรือจะเป็นเพราะฉันเป็นประชาที่ประตายไปกับเขาด้วยแล้วก็ไม่รู้เสียงตาอั้นหัวเราะอยู่ข้างหลังเบาๆในลาคอทำให้ชอยต้องหันไปค้อนเชิงสัพยอดูพออันสิพอฉันพูดว่าเป็นประชาที่ประตายกับเขามั่งก็หัวเราะเยาะย่ยแก่อย่างฉันจะเป็นประชาที่ประตายบ้างไม่ได้หรือฉันอยากรู้นะัก หลังจากที่ได้คุยกันอยู่สักครู่ในบรรยากาศที่ชื่นมืน่นะคะก็บังเกิดอาการตื่นเต้นในหมู่ฝูงชนนั้นอย่างผิดสังเกตเป็นอาการบอกให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวกำลังจะเสด็จพระราชดาเนินผ่านมาด้วยรถพระที่นั่งแล้วทุกคนต่างเดินหรือว่าวิ่งไปมาสับสนต่างคนต่างตั้งใจจะหาที่ที่ตนนึกว่า จะได้ชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะบังเอิญอาคารที่พลอยไปนั่งอ า, อาศัยนั่งรออยู่นั้นเนี่ยอยู่ริมทางเสด็จพระราชดําเนินพอดีถึงแม้ว่าหน้าอาคารจะมีคนมายืนมืดมิดไปหมดแต่พลอยก็ลองยืนเชิงเนื้อทดลองดูแล้วก็เบาใจว่าตนอาจจะมองข้ามหัวคน เห็นองค์พระเจ้าอยู่หัวได้โดยไม่ต้องออกไปเบียดคนข้างนอกเสียงชโยดังมาแต่ไกลมากแล้วเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกคนยิ่งสับสนอนลามานยิ่งขึ้นพรอยืดอตัวตรงนึกในใจว่าเมื่อรถพระที่นั่งผ่านก็จะต้อง คืออาจจะต้องถึงกับยืนปลายเท้านะคะคือเคียงละ่ะเพื่อให้แลเห็นได้ชัดที่สุดตาทั้งคู่จ้องมองออกไปข้างหน้าเพ่งคอยจับภาพอยู่แต่ภาพเดียวไม่ยอมเหลียวไปทางอื่นไม่ยอมให้สิ่งอื่นมาแบ่งแยกเอาความสนใจไปจากตัวเลยเสียงชโยดังขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็ดังกรบก้องแก้วหูปานแผ่นดินจะถล่มทลาย รถพระที่นั่งสีงาช้างแล่นผ่านมาอย่างช้าๆทงมหาราชปลิวสะบัดพัดมาหน้ารถทันใดนั้นพลอยก็ต้องยกมือทั้งสองกลุ่มที่หน้าอกเหมือนกับจะป้องกันไม่ให้หัวใจเต้นแรงจนหลุดลอยออกมาข้างนอกพลอยได้เห็นพระองค์พระเจ้าอยู่หัวถนัดชัดเจนประทับอยู่บนรถพระที่นั่ง มีสมเด็จพระอนุชาประทับอยู่เคียงข้างทรงบกพระหัตถ์กับพระสงนิกรยทรงยิ้มน้อยๆและในแววพระเนตรเปลี่ยนไปด้วยพระมหากรุณาอย่างที่คนไทยยุคนี้ไม่ได้เคยประสบพบเห็นมาแต่ก่อนพลอยยืนนิ่งน้ำตาไหลพราก ค, ความปิติอิ่มเอิบ เหมือนกับว่าเป็นของแข็งที่เข้าไปกดดันหัวใจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญเป็นหนุ่มใหญ่ดูช่างรวด เ, เร็วเสียนิกระไรหลังจากวันที่มารับเสด็จคราวโ น, น้นพระรูปโฉมงดงามเป็นสง่าราศีสุดที่จะหาอันใดเปรียบเทียบได้ทรงเป็นทุกอย่างและมีลักษณะทุกอย่างครบถ้วน ตามที่พลอยได้เคยนึกได้เคยฝันว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินควรจะทรงเป็นและทรงมีพอรถพระที่นั่งคล้อยไปพลอยก็เหลียวหาช้อยซึ่งพลอยนึกว่ายืนอยู่ข้างตัวเผื่อที่จะพูดจาแสดงความในใจของตนแต่ปรากฏว่าช้อยไม่ได้อยู่ที่นั่นคนอื่นๆที่มาด้วยกันก็หายไป คงเหลือแต่ตาอั้นยืนอยู่คนเดียวด้วยความเป็นห่วงพลอยพลอยก็เลยหันไปถามตาอั้นว่าอันน้นนี่เขาไปไหนกันหมดเขาวิ่งออกไปข้างนอกตอนในหลวงเสด็จมาถึงอยู่ข้างนอกนั่นทั้งหมดครับอะไรปาช้อยละ่ะหายไปไหนตาอั้นหัวเราะชี้มือไปข้างหน้าปลาช้อยเป็นคนวิ่งออกไปก่อนเด็กๆ ก, ก็เลยตามไปอยู่นั่นอะไรคุณแม่เห็นไหม เต้นตรงนั้นนั่นแน่โบกมือร้องชยโยกับเขาซะด้วยพลอยมองไปทางมือชี้แล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นึกชมความแข็งแรงของชอยอยู่ในใจนะคะพรางบอกว่าว่าชอยนี่แกเก่งไม่หายอ่านดูสิทำท่าเรากับสาวๆก็ไม่ปาลพอรถพระที่นั่งผ่านไปไกลแล้ว อีกครู่หนึ่งช้อยก็เดินแหวกคนกลับเข้ามาหาโอ้ยเหนื่อยจะขาดใจไม่พร้อยไม่ทูนหัวขอน้ำเย็นๆกินเอาบุญอีกอึกหนึ่งเถอะพลอยรินน้ำส่งให้แล้วก็ยาวว่าสมน้ำหน้าแก่แล้วยังไม่เจียมสังขารเคราะดีที่เขาไม่เหยียบตายนั่นมันเรื่องอะไรจะต้องออกไปเต้นอยู่กลางแปลงดูแต่บนนี้ก็แลเห็นถมไป อ ย, อย่ามาทำเป็นคนแก่ดุฉันหน่อยเลยฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันแพ่นออกไปได้อย่างไงชอยพูดพรางก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่องามจริงจริงเจ้าประคูลงามอะไรอย่างนี้ถ้าลูกยังสาวๆลูกจะวิ่งตามไปดูให้ถึงประตูวางเลยดูชอยสิเดี๋ยวเด็กๆมันได้ยินมันจะหัวเราะย่อเอารอก ช่างมันวันนี้ใครจะทำอะไรก็ไม่โกรธแต่ท่านช่างงามเหลือเกินนะพลอยฉันเคยอ่านหนังสือว่าใครต่อใครงามอย่างไรมากก็มากเพิ่งไม่เห็นด้วยตาว่าเป็นจริงไปได้วันนี้เองพวกผู้หญิงสาวๆที่เขาวิ่งไปยืนกับฉันเมื่อกี้เขากระโดดโลดเต้นกันราวกับอะไรดีแล้วตัวละ่ะฉันเห็นเต้นไปกับเขาเหมือนกันร้องเชโย เรากระสาวรุ่นๆแน่ไอ้ถึงอย่างนั้นเชีวหรือชอยร้องอย่างไม่เชื่อนะคะนี่แหละนะแม่พลอยเหมือนกับที่คนแต่ก่อนท่านว่าไว้ละอย่าว่าแต่รุ่นราวสาวแท่ถึงเท่าแกก็ยังคิดพิสวงยังไงละ่ะชอยก็ยังไม่หยุดในการที่จะรำพึงรำพันนะคะถึงความงดงามสง่าราศีของในหลวง เรื่องนี้พลอยก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่นะคะท่านงามจริงๆนะชอยสง่าราศีก็เท่านั้นฉันไม่เคยพบเห็นเลยเจ้านายแต่ก่อนว่างามก็จริงหรอกแต่ทำไมฉันไม่เคยนึกว่าจะงามถึงเพียงนี้นั่นนะสิงามจริงงามเหลือเกินงามเหลือเกินจนฉันพูดอะไรไม่ถูกฉันเคราะห์ดีอยู่หน่อยหนึ่งนะคราวนี้ที่ท่านประทับในวงัง อยู่ที่บรมพิมานพร้อยก็รู้ว่าในวังมันเงียบเหนาแค่ไหนคราวนี้ท่านจะประทับในวังในวังคงจะคลึกคลื้นขึ้นบ้างกระมังฉันว่าไม่ชั่วแต่ในวังเท่านั้นหรอกช้อยเสด็จกลับคราวนี้ที่ไหนก็คงจะคลึกคลื่นขึ้นทั้งนั้นทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ฉันได้ยินว่าจะเสด็จกลับมาชั่วคราวแล้วก็จะไปนอกอีกตรงนี้แหละที่ฉันไม่ชอบ ฉันอยากให้ท่านประทับอยู่ตลอดไปฉันก็เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละจะทำยังไงได้แต่อย่าเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นเลยพลอยยังเสด็จอยู่อีกนานบล็อกถึงจะเสด็จไปนอกอีกจริงก็ไม่เห็นจะแปลกเสด็จกลับอีกทีเราก็มารับเสด็จท่านอีกสนุกดีออกจะตายไปคือชอยนี่ก็หาเรื่องสนุกได้ตลอดเลยนะคะพอกระบวนเสด็จผ่านไปได้สักครู่ ตาอั้นก็ออกไปเอารถมารับพรอยนั่งคอยรถแล้วก็คุยกับช้อยเรื่อยไปจนเวลาล่วงเลยไปอีกนานตาอั้นจึงได้เอารถมาจอดที่หน้าอาคารพรอยพาลูกหลานและเด็กๆรวมทั้งช้อยขึ้นรถแล้วก็แวะไปส่งช้อยที่ประตูวังก่อนที่จะลงเรือข้ามฟ้า ก, กลับบ้านระหว่างที่นั่งมาในรถช้อยก็พูดขึ้นเบาๆว่า พลอยเราสองคนนี่รับเสด็จในหลวงกลับจากนอกกันมากี่หนแล้วพลอยนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งสามขนและกระมังช้อยขนแรกตอนพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกลับจากยุโรปอีกสองขนก็แผ่นดินนี้สนุกกันทุกขนจริงไหมพลอยสนุกเต็มที่ช้อยสนุกทุกขน ชอยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเราสองคนนี่ก็ได้สนุกมาด้วยกันมากแล้วไม่ใช่หรือมากทีเดียวชอยบางอย่างคิดดูแล้วก็เหมือนกับเมื่อวันซืนี้เองนั่นนะสิเราสองคนนี่ถ้าจะว่าไปก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกชอยพูดอย่างพอใจ พอรถถึงประตูวังชอยก็ลงจากรถรำลาแล้วก็กลับเข้าวังอย่างกระปรี้กระเป่าฝ่ายพรอยก็พาลูกหลานข้ามฟากกลับบ้านด้วยความอิ่มใจตั้งแต่นั้นมาคนไทยส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะพูดกันแต่เรื่องในหลวงเรื่องอื่นๆหลายเรื่อง ที่เคยเห็นว่าสำคัญก็ดูจะหมดความสำคัญลงไปเพราะเรื่องเหล่านั้นเมื่อพูดกันไปแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากใจมากกว่าความตื่นเต้นยินดีส่วนเรื่องในหลวงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังยิ่งในระหว่างหมู่คนที่ชอบตื่นเต้นของใหม่ในหลวงก็นับว่าเป็นของใหม่เอี่ยมที่สุดเพราะมิได้ประทับอยู่ในพระนครมาเสียหลายปีพ้อยเป็นคนหนึ่ง ซึ่งฟังเขาคุยเรื่องในหลวงได้ไม่เบื่อเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพระองค์ทั้งทางปากคนเล่าและทางหนังสือพิมพ์ในระยะเวลาหลายเดือนที่เสด็จอยู่ในพระนครนั้นพอยได้ทราบถึงพระกิตติคุณอันประเสริฐมากมายหลายอย่างพระมหากรุณาที่มีต่อพระศพนิกรของพระองค์และความจงรักภักดีที่ประชาชนทั้งไทยและเทศ ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้มีต่อพระองค์เป็นล้นพลพลอยลองนึกย้อนหลังนำเอาเหตุการณ์ที่ได้เห็นไปเทียบกับสมัยแผ่นดินก่อนๆ อ, อีกสามแผ่นดินที่ตนได้ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าแต่ก่อนนั้นถึงแม้ว่าความจงรักภักดีจะมีอยู่มากมายเพียงใดก็ตามความจงรักภักดีนั้นก็ไม่ได้เคยแสดงออกมาอย่างชัดแจ้งพร้อมเพรียงกัน อย่างแผ่นดินนี้และความจงรักที่ได้เห็นในระยะนี้ก็ดูจะเป็นความรู้สึกใกล้ชิดเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเป็นจนํานวนมากยิ่งกว่าที่ได้เคยเห็นมาแต่ก่อนพรอยเองนั้นรู้สึกว่าสภาพโดยทั่วไปดูจะเริ่มมีความมั่นคงยิ่งกว่าแต่ก่อนในส่วนชีวิตของตน พลอยก็เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บอันเกี่ยวด้วยโรคหัวใจที่เป็นอยู่มีอาการดีขึ้นบ้างพอที่จะกระทํากิจการต่างๆอย่างเบาได้ไม่ต้องนอนเป็นคนไข้เหมือนแต่ก่อนพลอยรู้ดีว่าโรคของตนยังไม่หายขาดและก็อาจไม่มีวันหายแต่จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้พลอยรู้สึกวิตกกแต่อย่างไรนะคะ ชีวิตของลูกแต่ละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติพระอน้นกำลังบวชอยู่อย่างสงบแต่อานก็อยู่กินกับบุตรภรรยาเป็นปกติส่วนประภัยนั้นถึงจะไม่ลงรอยกับคุณเสวีนักแต่ก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่หุนหันพลันแล่นอย่างแต่ก่อนถ้าหากว่าตาอ้อยังอยู่ พลอยนึกถึงตาอ๋อที่ไรก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอาผ้าดําที่ชื้นแฉะเย็นชื้นเข้ามาห่อพุ่มหัวใจเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวที่พลอยโปรงไม่ตกพลอยดำเนินชีวิตต่อไปเป็นปกติระหว่างนั้นเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับก็ใกล้เข้ามาทุกวันชอยออกมาจากในวังครั้งใด ก็มีแต่เรื่องในหลวงมาคุยให้พลอยฟังและพาอเพิ่มมาหาครั้งใดก็มีแต่เรื่องในหลวงพอเพิ่มซึ่งเป็นคนสนใจในกิจการบ้านเมืองจนพลอยเห็นว่ามากจนเกินไปนั้นก็ยังอุตส่าห์ยับยั้งความสนใจนั้นไว้ระหว่างที่ในหลวงเสด็จอยู่และสนใจเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับในหลวงเช่นเดียวกับคนอื่น วันนั้นพลอยจาได้ว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าตอั้นอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานเช้า ว, วันนั้นเป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่แจ่มใสเช่นวันธรรมดาวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพลอยตื่นนอนแต่เช้าเช่นเคยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดแผกไวจากวันอื่นๆเลยแม้แต่น้อย ทุกอย่างดูจาใสาเป็นปกติชีวิตโดยรอบดำเนินไปเหมือนเคยเรือแพยังคงขึ้นล่องอยู่ในคลองบางหลวงอย่างที่เคยเห็นมาแล้วหลายสิบปีพอตกสายราวราวห้าโมงเช้าพอเพิ่มก็เดินหน้าซีดขึ้นบันไดเรือนขึ้นมาอย่างที่ที่พลอยนั่งอยู่ โดยมีตาอัานนั่งเล่นกับลูกชายคนเล็กอยู่ใกล้ๆแม่พลอยพออัน้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วในหลวงสวรรค์พอเพิ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่พลอยไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนคือปกติพ่อเพิ่มก็มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีตลกเฮฮาขี้เล่นแต่คราวนี้น้ำเสียงของพ่อเพิ่มนั้นดูจริงจังอย่างมาก ไม่เหลือวีว่แววขี้เล่นอยู่ในน้ำเสียงนั้นเลยพลอยสะดุ้งแทบสุดตัวพรางร้องว่าคุณหลวงเ อ, อะไรมาพูดไม่จริงฉันไม่เชื่อท่านยังหนุ่มยังแน่นออกอย่างนั้นแะสวรรค์โคตได้อย่างไรแต่อันเหลียวดูพลอยด้วยสายตาที่เป็นห่วงแล้วก็ตกใจระคนกัน ฉันแวะเข้าไปกินกาแฟที่หน้าวังก่อนที่จะข้ามมานี่แล้วก็จะยินเขาพูดกันที่นั่นพลอยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาข่าวร้านกาแฟของพ่อเพิ่มซึ่งแน่นอนว่าจะต้องผิดจะไปเชื่อถือได้อย่างไรกันพลอยก็คิดต่อไปว่าแหมคนสมัยนี้ก็ช่างเหลือเกินเอาเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็สุดแสนจะอับประมงคนมาพูดเล่าลือกันง่าย เสียงพ่อเพิ่มพูดพึมพำว่าจริงนะแม่พลอยจริงๆริงนะพ่ออัน้นแต่พลอยก็ไม่สนใจนึกได้แต่อย่างเดียวว่าคราวนี้ยังไงซะพ่อเพิ่มก็จะต้องผิดก็จะถูกได้อย่างไรในเมื่อพ่อเพิ่มเก็บเอาข่าวลือที่เป็นไปไม่ได้มาอ้างว่าเป็นจริงปรากฏว่าพอบ่ายโมงชอยก็ออกมาจากในวงัง เมื่อพลอยเห็นการแต่งตัวของช้อยที่แต่งดำทั้งชุดพลอยก็ได้แต่นั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ช้อยเดินร้องไห้น้ำตาอาบหน้าขึ้นเรือนมาในใจของพลอยได้แต่ร้องว่าไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อแต่พลอยก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามเพราะในใจนั้น รู้ว่าจริงเสียแล้วชอยมาเล่ารายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตซึ่งทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดไม่น่าจะเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากนั้นท้องฟ้าก็ดูจะมืดครึ้มลง ทุกอย่างก็มืดครึ้มไปตามเสียงลมพัดเสียงนกร้องและเสียงน้ำไหลหน้าบ้านช่องฟังดูเหมือนคนร้องไห้ชอยกลับไปแล้วบอกว่าคงมีงานในวังต้องรีบกลับชอยผู้ซึ่งเป็นชาววังไม่รู้จบและจะเป็นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พอยรีบกลับเข้าวังเพราะเป็นห่วงหน้าที่พลอยลุกเดินช้าๆเข้าไปเอนหลังลงนอนที่บนเตียงรู้สึกเหนื่อยและเพลียยิ่งกว่าที่ได้เคยรู้สึกมาในครั้งใดพลอยลงนอนหลับตานิ่งๆพยายามจะไล่ความนึกคิดทั้งหมดออกจากสมองไม่น่านเลยพลอยนึกในใจ ยังหนุ่มยังแน่นสวยงามออกปานนั้นไม่น่าเลยแต่ก็สวรรคตไปแล้วทั้งที่ทรงเป็นถึงพระเจ้ายูหัวมีคนรักทั้งแผ่นดินนับประสาอะไรกับตะออดซึ่งเป็นเพียงลูกเราจะตายไปไม่ได้ขนาดพระเจ้ายูหัวที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอื่นๆ อ, อ, อีกมีรู้จักเท่าไร ยังหลีกเลี่ยงไม่พ้นบันทมอยู่ถึงบนพระที่นั่งแวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารความตายยังจู่เข้าไปจนถึงและนับราษาอะไรแต่ลูกเราตัวเราในที่สุดก็ต้องเหมือนกันทั้งนั้นผิดกันแต่เวลา เพรายรุติสิเหมือนกับว่าตัวลอยขึ้นสู่เบื้องสูงในขณะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดแก่ตัวมาหลายครั้งหลายคราดูเหมือนจะเริ่มหลุดพ้นไปพลอยนึกถึงคุณเพรมซึ่งดูเหมือนจะมาอยู่ใกล้ตัวทุกครั้งที่พลอยบังเกิดความทุกขโทมนั์คุณเปรม คร้อยร้องเรียกอยู่ในใจฉันไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างถ้าคุณเปรมยังอยู่ฉันก็คงจะถามได้แต่ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรว่าที่จริงฉันก็เริ่มจะเข้าใจอะไรได้บ้างแล้วแต่ฉันอยู่มานานเต็มทีคุณเปรม ได้เห็นอะไรที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นและไม่อยากจะเห็นฉันอยู่มาจนถึงสี่แผ่นดินแล้วคุณเปรมสี่แผ่นดินนานหนักนะนเหนื่อยเต็มทีเหนื่อยจะขาดใจคนสี่แผ่นดินนั้นแก่เกินไปกระมัง หรือว่าฉันจะเหนื่อยเพราะเรื่องอื่นก็ไม่รู้สี่แผ่นดินเย็นวันนั้นวันอาทิตย์ที่9้ามิถุนายนปีพุทธศักราช 2,489 น้ําำในคลองบางหลวง ลงแห้งเกือบขอดครองหัวใจของพลอยที่อ่อนแอนลงด้วยโรคและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ำไป